เจริญพรมาสัการครับหลวงพ่อครับเด็กวิญญาณนะครับห้าสิบเอ็ดคนนะครับผมทุกคนลงสบายดีอ่าอาจารย์คเวิลาวัดีอาจารย์มเมาสการพระอาจารย์ค่ ะ, คะสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะมาะะสการพระอาจารย์ครับ ค่ะด็คุณอนุโกนสวัสดีครับอาจารย์ค่ะจะไม่วันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ ะ, อ, ะอยากจะรับฟังต่ อ, อไปแล้วอาจจะมีอะไรถามขึ้นหลังก็เชิญไนะค่ะคุณค่ะในไปที่คุณนันทพัฒน์ค่ะควาสูงค่ะท่านอาจารย์จะค่ะวันนี้มีคําถามหนึ่งคำถามเจ้าขาับอาจารย์ ค่ะที่อระดับของพระอริยะที่เป็นอนาคามีนะคะที่บอกว่าลาปะปฏิฆะแต่ลูกเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าในส่วนของพระอนาคามียังล้าความโกรธไม่ได้ไหมายควาะว่าเป็นความโกรธที่เกิดที่ไม่ได้เกิดจากลูกเสียงกลิ่นรสใช่ไหมจ้าคหาพระอาจารย์มันเกิดจากร่างกายเกิดจากการมาไปยินดีมีความกระดานยินดีกับร่างกายของผู้อื่น แล้วพอไม่ได้ดังปรารถนาก็เกิดความหงุดหิดต้องผ่านใจให้มา ก, ก็มันก็อยู่ในรูปเสียงกลินตวนวัตถุแล้แต่มันยังปานาคามีหลังจากผ่านข้อนี้ไปได้ก็จะไม่ไม่โกรธเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการมาลงเรื่องการรูปเสียงกลิ่นก็แตต่าง ส่วนที่เหลือก็คือเป็นในส่วนของจิตที่เป็นความโกรธที่เกี่ยวกับระดับจิตใช่ไหมเจ้าขาพร า, าจารถไปพระอรหันต์ใช่ไหมเจ้าขาเออมันก็ยังมีความโกรธเนี่ยเกี่ยวกับภาวะต่างๆเนี่ยเจ้าขาพราจารย์มีมีคําถามเท่านี้เจ้า่าพราจากรับน้ำระสกัดเจ้าขา่ยแต่ในในสังโยชน์เมื่วันห้าข้อเนี้ก็ไม่มีความโกรธเยอะนะเสร็จไม่มีเจ้าขามีม มีมานะมีรูกประชานหะรูกประชานแล้วก็อวิชาแล้วก็อะไรอื่น ล, ลูกก็เลยแค่สงสัยเพราะบางบางตำราก็บอกว่าพระนาคามีจะระความโกรธได้ลูกก็เลยแต่แต่เท่าที่กาบเรียนถามพระอาจารย์พระอาจารย์เคยบอกว่ายังมีความโกรธอยู่ในระดับที่พระนาคามีถึงพระอรหันต์เพราะว่าในส่วนของรักได้แค่ความโกรธในรูปเสียงกลิ่นรสอย่างเงี้ยจ้าค่ะอาจจะเรื่องร่างกาย เรืทางร่ากายแต่ทางจิตใจนี้มันยังมีความงมดขินได้เวลาจิตไม่สงบในจิตมีอาการอืมงดขินเพราะมันยังไปติดอยู่ในรูปประชานะรูปประชานอยู่นะอืมอันนี้น่ะเออแต่ก็อย่าไปกังวลมากเกินไปพยายามเอาสติให้ได้ก่อนนะเจ้าข่าวพาจาร์แค่มีข้อสงสัยจะข่ า, ขาวอาจาร์ รูปป้ไปกระทันั้นรู้ไ ป, ปก้าวใจจะหลายยังไม่ถึงค่ <c oughs> นะ <c oughs> นะลองเลยมีเท่านี้ใช่ไหม <c oughs> มีเท่านีา้เจ้าค่ะพระอาจารย์กับมาริกาไม่อกี้ข้าุมาริกาใชเป็นมริกาเป็นงไงเปิดไหมได้ไหม อ่ากรได้แล้วกลาวน้วไม่เปลี่ยน่อนพระอาจารย์วันนี้ขออนุญาตมาฟังธรรมนะคะพระอาจารย์ไม่มีโปรแกรมนะค่ะไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตั้งแต่อทิที่แล้วที่สอบถามพระอาจารย์เรื่องของว่าขัดสติในเรื่องของความกลัวค่ะตอนนี้ฝึกอยู่ค่ะพระอาจารย์ เขาก็ฝึกอยู่ว่าจะ ก, กลัวตรงนั้นพยายามทํำพอตกผวังปับ๊บเราก็อย่า ก, กลัวจุดนั้นให้พยายามทําต่อไปค่ะพอาจารย์ได้สาธุาเห็นไปที่เป็นเวลาพอนเวลาพออยู่ที่ไหนกรุงเทพค่ะพระอาจารย์กาลนรมัสการพระอาจารย์ค่ะ เพุทธมณฑลสายสองค่ะพระอาจารย์ยังถามไหมวันนี้เอ่อวันนี้ไม่มีคําถามค่ะมากราบพระอาจารย์ฟังธรรมพระอาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปใส่บาตรพระอาจารย์ที่ตลาดอีกความติติมากเลยค่ะตอนใส่บาตรยมยมตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่ายมยมได้แต่มองทุกคนที่ใส่บาตรพระอาจารย์ยมอยากจะไปใส่บาตรพระอาจารย์วันเสาร์ที่ผ่านมาได้ใส่บาตรพระอาจารย์สมความปรารถนาเรียบร้อยแล้วค่ะ สาธุค่ะพระอาจารย์ขอให้ได้บุญมากๆนะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ดีใจมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคค่ะไปที่คุณหมอภาสนาใช่หมอภาสนากอทำหมมีอะไรไหมวันนี้อ๋อมีค่ะมีคําถามก็ค่ะพระอาจารย์กลับมัสักการพระอาจารย์นะคะก็กลับไปดูเรื่องที่พระอาจารย์บอกว่าอย่า มาแล้วก็ดูเรื่องพระโกธรรมแป่นะคะพระอาจารย์ก็ค่อยๆลองดูรู้สึกว่าพอเราเข้าใจคําว่าสุขกับทุกข์กับสมัยก่อนไม่เข้าใจสุขกับทุกข์พอเรารู้ว่าทุกข์คืออะไรสุขคืออะไรอ่ะหนึเราวามรู้สึกว่ามันสามารถจะปล่อยพวกรับโยสันเสริญได้ค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เลยมาส่งกันบ้านคําถะแต่ว่าแต่ว่าไม่ประมาณนะคะพระอาจารย์คือเราคอยดูอยู่ตลอดจำเป็จริงก็เพิ่งออกมาสองอาทิตย์มันยังมันมันคือดูแล้วก็แบบพยายามอินทรีย์สังวรแล้วก็ไม่ไม่สนใจมันเพราะว่าเราเข้าใจคําว่าสุขกับทุกข์มากขึ้นแล้วค่พระอาจารย์ คือรู้ว่าอ๋อสมัยก่อนโดนหลอกคือรู้รู้ว่าเป็นสพกอาจริงจรมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นเป็นแค่แบบนิดเดียวเองแล้วมันก็เป็นไปลักหายไปพรนะอจารยคราวนี้อยาก จ, จะเรียนถามมาถามอะไรบ้างจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่เรานั่งสมาธิใช่มครัพอเรานั่งสมาธิพอเราพอเรานั่งจนกระทั่งแบบตัวหายจิตว่าเนี่ยก็คือเราจ ะ, จ, ะจะเจอผู้รู้ใช่ไหมฮะแต่ว่า เวลาเราออกมาเนี่ยเราเราต้องรักษาความเป็นกลางของเราไว้ด้วยสติกับปัญญาใช่ไหมคะพระอาจารย์โดยโดยคือสีิปัญญาเนี่ยโดยใช้ถ้าเราที่ที่เคยคุยกับพระอาจารย์คือถ้าสัญญาให้เราเปลี่ยนสัญญาให้ให้เป็นให้เราดึกนึกถึงกยายคตาสติได้แล้วก็สังขารเนี่ยก็ให้ดูที่ไตหลักใช่ไหมคะพระอาจารย์มันจะทำให้รักษาความเป็นกลางได้ได้ต่อไปได้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะ ก็ถ้าใจเราไม่เป็นกางมันก็เกิดเกิดความรักช้ำขึ้นม า, าเราก็ล้พิจารณาสิ่งที่เรารักเราช้ำว่าเป็นไจรักค่ะก็คือใช้สองตัวนี้คุมนะใจรักกับพวกสติคมถ้าใช้ใจใจรักไม่เป็นก็ใช้สติพุทโธพุทโธไปธก่อนพอใจนะพอใจเราเริ่มมีอาการกระเพื่อมเป็นมามีอาการไม่นิ่งไม่เป็นกลางแล้วก็ ใช้พุทโธพุทโธพห้มันเช่เแต่รู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์เพราะมันยังคุมได้ตลอดคือพอเราใช้ไตรลักกับกับกายคตาสติอาการพระอาจารย์มันยังไม่แบบเคลื่อนนะพระอาจารย์มันยังสงบแล้วก็เย็นได้เพราะกลับมาก็ชาร์จแบตต่อคือชาร์จที่เขาซีโอนมาเยอะไงคะชาร์จแบบทั้งวันแล้วเขากลับมาบ้านก็ชาร์จต่อโดยใช้สองตัวเนี้ยค่ะก็สังเกตตัวเองก็ยังไม่มีนะพระอาจารย์คือรู้สึกดีมากกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่ เห็นเออคือไอ้สิ่งที่มันเคยมีกระเพื่อมรู้ยุกข์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะพระอาจารย์คื อ, อยังรู้สึกเพราะว่าเราเรามันเหมือนกับว่าความหลงมันน้อยลงค่ะพระอาจารย์พอดีปฏิบัติไปมันทำปฏิบัติมันต้องเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติมีมีสติมีปัญญาคอยควบคุมใจเราตลอดเวลา อาจารย์ครัเราจะชาร์จแบตด้วยเดี๋ยวว่าวันนี้จะทําเนสันชิกคือจริงๆพอกลับมาจากเขาชีโอนี่อยากจะบอกพกลับมาบ้านอยากจะชาร์จแบตความเพียรด้วยการทําเนสันชิกหลักวันเนี้ยทุกทุกครั้งเนี้ยอันนี้จะดีไหมครอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าตอนที่ทําก็ไม่ได้เลียรไม่ได้อะไรรู้สึกดีแล้วมีแรงก็เลยว่าวันนี้เดี๋ยวเสร็จซูมก็จะทำเสร็จเนสันชิกอีกทีอีกก็ดูสิว่าผลมันเป็นยังไงดีไม่ดีต้องดูที่ผลถ้าดีก็ทําต่อไปเลยใช่ไหมครอ<ๆ>าจารย์เขาบกว่าจะทําทุกเดือนเนสันชิก ม, <ๆ>มันยังดีอาจารย์แล้วก็มี ค่ะพระอาจารย์คือตอนนี้คนที่บ้านก็เริ่มแบบเพราะเห็นเราตั้งใจในการทําจริงๆนะคะก็แฟนก็ยอมไปไปปฏิบัติด้วยกันแล้วก็น้องสาวขอจะขอเรียนอนุ ญ, ญาตพระอาจารย์น้องอยากจะไปเขาชีโอนด้วยค่ะพระอาจารย์<น>ก็เคยปฏิบัติต้องคุณแม่พาไปเขาเขาเขาอยากจะอยากไปด้วยไม่ทราบว่า <laughs> จะไปด้วยเคยไปหารพระอาจารย์นะเคยไปใส่บาตรแล้วเคไปฟังธรรมก็ปริตรขอบคุณที่เดเวล เรียนถามพระอาจารย์ไปก่อนค่ะขอบพระคุณไปเถอะก็ต้องแยกกันอยู่เอย่ไปเจอค่ะไม่พาไปทั้งเดียวเพราะว่าให้เขาร<ม>ู้ทางพอเขาหลังเขาไป<ม>เองอ่ะอาจารย์คือจะไม่ให้ติดเพราะจะอัตหิอัโนนาโถพระอาจารย์ครับอัตหิอัลโนนาโถเนี่ยหมายถึงใจใช่ไหมคะหมายถึงว่าใจต้องมีหลักใจเป็ น, จนใจเป็นทเมื่อของตอนเองของสงใจเราเองใช่ไหมคะมีหลักใจของเรา<ม>ทําต่อเดี๋ยวเดือนหน้าไปขอเชียนก่อนแล้วว่ากุกลาไป วัดป่าสาราลอยค่ะใช่ถ้าอนุญาตให้ไปแล้วเลยเให้ไปแล้วพนักเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ไปหลังไปเลยแล้วก็เห็นห้องเรียบร้อยห้องดีมากเลยพระอาจารย์ไม่มีอะไรเลยค่ะพระอาจารย์กระดานแล้วก็แล้วก็มืดดีพระอาจารย์แต่ว่ามืดไม่กลัวแล้วเพราะว่าฝึกที่เขาเชียร์โอเลยคะ่ะแล้วก็เป็นหลังเดียวเดียวแล้วว่าเป็นหลังรวมเพราะเป็นหลังรวมแต่ว่าไม่ไม่คงไม่มีคนคงมี เียแต่ว well ่านอนในห้องเดียวเป็นหลังร้วแต่มันมีห้องแยกๆค่ะว่าอาจารย์แล้วเหครัวก็บอกเขาอาจจะทําแม่อร่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรทำได้หมดทุกอย่างมองมาได้เลยทำทุกอย่างทด้ทำครัวด้วยว่าอาจารย์ตีสิ่งช่วยช่วยทํากัวด้วยเขาบอกใช่ก็บอกว่าได้บอกมาเดี๋ยวช่วยทําตอนที่ไปก็จะไปช่วยยกของนะคะจะช่วยล้างจานแล้วยังไม่ยอมให้ล้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเขานค่อให้ไปล้าบอกเขาว่าไม่เป็นไรคือแบบที่ว่าอาจารย์บอกเป็นขอทานเล่นร่อนว่าอาจารย์ทําทุกอย่าง เขาอยากจะดูกิเลสว่าที่ อ, อาจารย์บอกว่ามันจะมีกิเลสบางประเภทก็คือแบบเพราะว่าจะเนี่ยตั้งใจไปเพออาาราะว่าแบบจะได้ดูว่าตุนสมาธิเอาไวแล้วก็จะไปดู อ, อาจารย์ดีทำไปค่ะหมดแล้วค่ะวันนี้ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน มีกำลังใจเลยว่ามีพระอาจารย์คือมีรู้สึกว่าพอคิดถึงพระอาจารย์เนี่ยห้อยพระอาจารย์ไม่ต้องรอห้อยขอรู้สึกนึกถึงพระอาจารย์แล้วมีกำลังใจแล้วอ่านหนังสือที่พระอาจารย์ให้หนังสือสมัครพระพระพุทธเจ้ายื่นบอกโอ้โหแบบคือพระริยาพระพุทธเจ้าท่านทําอะไรเยอะมากเลยแล้วเบาเราเราเป็นสาวกของสาวกสาวกลงไปอย่างเงี้ยมันมีทางเดินแล้วคิดว่าแค่ทำตามพระอาจารย์บอกอ่านแล้วก็มาถามมาแล้วมาถามแล้วก็ทําค่ะไม่ย้อนถอยง่ายๆพระอาจารย์โอเคนะบีท่านนี้นะ าา ค, okay. คุณบริสอยากมายอมไหคุณบริสมีอะไรวันนี้ครับพระอาจารย์น้องกาสอบถามประโยคสั้นๆค่ะคำว่าสัพายนะกระทบลูกนามเกิดแล้วดับอันนี้คือใช่ไหมคะลูกพอดีหนูฝันฝั น, ว, นว่าได้เรียนอะไรนะอะไรกระทุเออสัพายนะ สัพยนะแปลว่าอะไรสัพยานะาานะไม่รู้่ <c ười> อันนี้เรากไ็ไม่รู้เพิ่งได้ยินเนี่ยสัพยนะจำได้ <c ười> รอป่าสัพยนะยังไงนะว่า <c ười> สัพยนะกระทบรูปนามเกิดแล้วดับมีใช่ไหมอ๋อ เอ้ยเปนไรคะครัอาาผ่านไปก่อนแล้วกันถ้าไม่พอใจก็ผ่านไปก่อนขอบคุณค่าอาจารย์เดี๋ยววันสักวันนึงาอาจจะได้คาตอบของมันขึ้นมาเองก็ได้บางทคีคาถามมันมาก่อนแล้วเดี๋ยวคาตอบมันตามมาในหลังก็ได้ขอบคุณมากณเเจกจากเชียงรายกับมาสกการพระอาจารย์ครับ วันนี้มาร่วมรับฟังครับพอาจารย์ไม่ไม่มีคําถามเลยครับ <Okay. S 2> มากับเต็มเอแบบกับพระอาจารย์ชาติแบ็ครับได้ครับขอบคุณรัณขบ ข, ขอบคุณครับคุณแดนจะกอุดรธานีแดนแดนค่ะการรัฐประการค่ะตอนนี้ไม่มีคําถามไม่มีคําถามค่ะค่ะ <Okay. S 2> ไปได้วยคุณแดนต่อแดนแดนจากกรทมใช่ไหม ครับอาจารย์ครับก็เข้ามารายงานตัวครับเพื่อให้ปฏิบัติต่อครับก็ยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่ครับก็ยังเป็นฝึกสติอยู่ครับก็เพิ่มเซสชันเมื่อก่อนแก่ก่อนนอนตอนนี้ก็ทั้งก่อนนอนตื่นเช้ามาก็ทําเป็นสองเซสชันนะครับครับเดี๋ก็จะหาเวลาเพิ่มไปเรื่อยๆครับเป็นคนมากอะไรเอาึุ่งไนก็มากกัานั่นอินพุตเข้ามาเยอะเอาพุอยู่ที่อินพุต อินพุณไม่มีเอาพุตไปก็ไม่มีครับแต่ก็ยังสติก่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องฝึกสติก่อนอย่างเดียวนะครับครับแต่เดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเหมือนท่านท่านอื่นนะครับก็จะเขาชี้โอ้จะไมบขออนุญาตเดี๋ยวอาจจะลองต้องติดต่อไปดูอะครับว่าสักสามวันสี่วันน่าจะได้ประโยชน์ครับเดี๋ยวลองหาเวลาไปครับโอเคครับขอบพระคุณครับ คุณพรดาต่อพรดาการนมั ส, ส ก, การเจ้าค่ะไม่มีคำถาม <000. S 2> ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นไปที่คุณจอยจอยอันนี้อยู่นอนทั บ, บรี่หรือจอย อ, อยู่นอนทับลีรอยู่นนที่ค่ะเป็นยังไงบ้างทำใจได้ยัง พยา้อมอยู่เย็นได้ป่ะหลับส Ges <Yeah, ู่รสามย้อมยอมอยู่เย็นพยายามแบบลดความก่อหัวลดความโมโหให้ลงย้อมอยู่กันเขาจะเอาไงกันเรื่องของเขาปล่อยเข้าไปเขาจะพูดเขาจะทําอะไรครับปล่อยเขาไปหยุดต่อซื้อกันหยุดต่อเสื้อแล้วก็จะเย็นไม่มันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับ มันก็เกิดแต่ทุกข์อ่ะมันเกิดประโยชน์อะไรก็เกิดแต่ทุกข์ใช่แต่ในทางโลกเขาเหมือนกับว่าทําไมทําไมคุณยอมคุณโลภหรือเปล่าโ ล, โลกโล ก, โลกมันชอบความทุกข์กันอย่างนั้นแหละโลก ม, นลมนานชอความสุขเป็นยังไงแล้วสิ่งที่ที่สุด ท, ท้าเหมือนกับเหมือนกับต่อต้านแบบคุณบ้ า, บบาหรือเปล่าอยู่กับคนอย่างนี้อยู่ได้ยังไงทั้งๆที่ทุกข์ขนาดนี้การกานักปฏิบัติมันต้องอยู่กับความทุกข์ทุกรูปแบบได้ ใช่ไหมใช่ครัอ่าอยู่ไม่นานก็แสดงว่าสอบตกใช้ไหมล่ะปฏิบัติเพื่ให้เราอยู่เหนือความทุกข์ควาทุกข์ไม่สามารถเข้ามาย่อมเีจิตใจเราได้เราอยู่เหนือมันถ้าเราถ้าเราพ้นแบบนี้ได้คือเราจะสบายเลยใช่ไหมคะ อ่าสบายเปล่าเวลาไม่มีทุกข์กับเวลามีทุกข์ก็เนี่ยสบายประมาณสบายไม่มีทุกข์สบายขวาแต่มันก็มีเรื่องมาแบบเราเราตลอดเวลาเลยนะถ้าเราไม่ยอมมีเรื่องมาเราไม่ปล่อยมันมีเรื่องมาก็คว้ามาสู้กับมันสู้มันก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันค่ะลูกตับปฏิบัตแล <bed. S 2> ต้วก็พยายาวยังไม่ทันเวลาก็แล้วก็ต้อ ง, อองอประ ฮะ อ, อยู่อยู่เฉยเขาจะอไะไรเราก็เฉยเลยอย่างเดียวคือถ้ า, ถาพูดแล้วได้ทํำ ไ, ได้เป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์ทำได้แถ้าพูดไปทําไปไม่ได้ประโยชน์การเป็นเรื่องเป็นราไม่อยากไปทปําหมือนกันฮะฮะได้ค่ะค่นะโอเคค่ะโอเคค่ะคุณศิริศเกิ์อ ย, อยู่ที่ไหนข่าวธม อ, อ, อเ๋เหรอ นมัตสการครับพระอาจารย์ครับผมอยู่แถวประตุมทานนี้ครับพอาจารย์อ่าถึงมีคำถามไหมอ่าไม่มีคําถามครับแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องการปฏิบัติได้ไหมครับอาจารย์เอาสันทนได้ไหมอย่าไปล่ายาวได้ครับก็คือช่วงนี้ผมก็พิจารณาภายในกายครับว่ามันมันเหมือนว่ามันมันทุกอยู่ทุกอนูเซลล์อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นร่างกายเป็นโรงงานผลิตทุกอะครับพระอาจารย์ ทุกส่วนของร่างกายอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งพิจารณาแบบนี้มันก็ยิ่งสงบสงบขึ้นเรื่อยๆครับเวทนามันก็เบาลงอย่างนี้พอจะใช้ได้ไหมครับรอาจารย์ก็พิจารณาว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรืไม่เที่ยงใช่ครับรไม่ ว, ว่าเราจะปไปนั่งไปยืนอยู่ที่ไหนจะไปอยู่สถานที่ใดร่างกายนี้มันก็ผลิตแต่ความทุกข์ออกมาอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่าเอเป็นเวทนานะครับเป็นเวทนา มันก็มีเวทนามันก็มีหลายแบบบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่ทุกข์อ๋อครับไม่ใช่แต่ทุกข์อย่างเดียวตลอดเวลาแต่อนที่มันทุกข์ก็บมันไม่ทุกข์ไม่เหตอนนี้ตอนตอนนี้ไม่ทุกข์ครับแต่เวลานั่งพิจารณาผมพยายามพิจารณาให้มันไปอยู่ในด้านทุกข์ก็ดูว่ามันทุกข์เพราะอะไรเพราะชาติหอกทุกข์เพราะมันแก่ทุกข์เพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเพราะมันจะตายครับ ทำไปแล้วเหตุมันก็ไม่ทุกเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงไปด้วยครับือให้ดูว่าน่าตามันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหของมันอ น, นิจจังไม่เที่ยงครับ อ, อ น, น่าตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะเปลี่ยนมันจะแก่ลงไปก็ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ได้เวลามันเกิดไปติดเชื้อโรคมาเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาก็ไปห้ามมันไม่ได้ เราอย่าไปทุกประมาณเราต้องอยู่ประมาณให้ได้ครับนั่นคือวิธีพิจารณาร่างกายมันจะตายก็ต้องอยู่ประมาณให้ได้ก็ให้มันไปครับมันก็คือต้ตองอดึ ง, งล ง, งพิจารณาลงไตรักใช่ไหมครับอาจารย์อ่าลงไตรักครับท้าใจเราจะไม่ทุกข์ท้ใจเราทุกเพราะว่าเราไปอยากให้มันเป็นยอย่างนี้ อยากให้มันเที่ยมอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทำให้เราทุกนได้ครับเข้เาใจนะเข้าใจครับคุณธรรมวันนะคุณธรรมวันสามเนสนนักกษาเจ้าคะพระอาจารย์ไม่มีคำถามเจ้าคะเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าคะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่สามเสนเนย แล้วค่ะโอเคมึงเข้ามาครั้งแรกนะเข้ามาครั้งที่สามแล้วค่ะครั้งที่สาแล้วโอเคค่ะเห็นไปที่คุณอ้อมต่อเบอร์บอวินชุมรีมาส ก, การ์ค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะไม่มีคำถามอ่ะ ม, ม, ม, มันสุภาพนาบอรวินเหมือนกันวันนี้มาวัดนี่วันนี้มาทําบุญที่วัดแล้วกลับไป ท, ทํางานทันนะหรือว่าช้าหน่อยไม่เป็นไร ก็ทําไปด้วยทํางานไปด้วยไปกราบพระอาจารย์ด้วยนะคะพระอาจารย์ก็ใช้โทรศัพท์คือคือไม่ได้ไม่ได้นั่งออฟฟิศอย่างเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์ <S S S S S อ๋อเดินแล้วค่ะพอดีวันนี้ก็เออเหมือนกับครับถ้าถ้าจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราบางับางเ อ, อิญระหว่างทางที่ที่ไปไปวัดนะะเจ้าค่ะเจอเจ อ, เ, อ, อเหมือนหมาเขาเดินอยู่ข้างทาง แล้วกลายเป็นลูกอ่อนลูกน้อยเขาอยู่กลางถนนนคือใจใจมันก็แบบกระเพื่อมพระอาจารย์มันไม่ทัน mm hmm. เสร็จแล้วก็ก็พยายามหยุดตัวเองว่ามันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเรื่องของเขา mm hmm. กเ็เราจะไปทุกข์ทำไมกค็คือสอนสอมใจตเองอย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วก็บอกว่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่ามาเกิด พอดีว่าไปกราบพระอาจารย์ก็ได้หนังสือที่พระอาจารย์ให้แจกมาว่าไอานะคะทุกทุกไม่มีแก่ผู้มาเกิดเลค่ะพระอาจารย์อผู้เลยเกิด้ะค่ะอู้ก็ ก, ก็ก็พยายามสอนตรงนี้แล้วก็พยายามเยอะมากขึ้นค่ ะ, คะพระอาจารย์ใครใครมาเกิดไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือเป็นมนุษย์เขต้องทุกข์ด้ยวยแหละทุกคนนะคะทุกข์พรความแก่ทุกข์ราะความเจ็บทุกข์พรความตาย ลูกประามหมดอยากขาดแค้นไรที่พึ่งที่ว่าใสเจ้าค่ะขาดขับขาดขับก็เจอก็เจอมาน้อยตายข้าง่างอีกเหมือนกันเเออนี่นะมันมันเป็นอะไรที่แบบมีเลี่ยงมได้เจ้พระเจ้าทำช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของวิบากของเขาไป เจ้าค่ะพยายามจะสอนตรงนี้ให้ตัวเองให้ให้เข้าใจครับเพราะว่าเป็นคนอโรงศานมาเหตุยาตายแล้วร้องหอไห้จรยงก็จะทุก<ป>ทกับเขาอย่ยไปทุกกับเขาเจ้าค่ะเจ้าค่ะทุกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเจ้าค่ะ โอเคไม่มีคำถามนะควันนี้ไม่มีคำถามขัาอาจารย์การพะใจคุณยินดีจากเชลาลน์นาเสเสวัสดีค่ะท่านอาจารย์วันนี้หนูไม่มีคำถามค่ะเข้ามากราบพร้อมกับเบวิตาค่ะาความคิดถึงแล้วก็ความคิดพ่ออนายาความคิดถึงให้คุณเดวดด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์เ็นไปที่อาจารย์สายทิพย์ น่าสายคลิปอัากษาบราคาเนื่องจากขอนแก่นกนี่กล่าวนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ยังอยูขอนแก่นค่ะขอนแก่ค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เข้ามา ก, กับพระอาจารย์แล้วก็รับฟังค่ะโอเคงั้นคุณทวิษาต่ออยากสวิตเซอร์แลนกล่าวนมัสการค่ะพระอาจารย์ ว่ามาเลยค่ะค่ะพระอาจารย์อ่ะยมีคําถามค่ะว่าเอิมถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราจะสมมติว่าเราจะพูดยังไงดีคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะไปทํานี้หรือไปทานนิดไปอย่างนี้ดีกว่าคือแบบสมมติว่าเราจะมีสิ่งหนึ่งถ้าเราทานเข้าไปแล้วเราเกิด อ, อมีอันตรายแก่เรา แล้วเราเลี่ยงได้แล้วเราเลี่ยงกับอีกอันหนึ่งถ้าเราเลี่ยงไม่ได้แล้วเราก็ทานเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคือจําเป็นจะต้องทานอันนี้เรามันเขาเรียกว่ามันโง่มันฉลาดครับพระอาจารย์คือวิธีคือคือยังไงดีครคือแบบคือไม่มีอะไรที่เราจะต้องบังคับตัวเราให้กินถ้ามันกินแล้วมันเป็นเป็นโทษกับเราเราจินต์ไปแล้วไง เช่นสุราเนี่ยคนเดขานื่มแล้วมาดืมแล้วก็เป็นโทษที่เขาดิมเพราะว่าเขาเขาเห็นคุนมากไปเห็นโทษพราะดิมแล้วมันบรรเทาความทุกข์ความเครียดไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันทำให้เขาเ่ยต้องอาศัยสุราเป็นเครื่องบรรเทาความเครียดทางใจเขาเอาการเป็นคนติดสุราไปแล้วก็มีโรคทางร่างกายตาม เ อ, อแล้วถ้าเกิดสมมติคือให้ตรงประเด็นคือคือตรงประเด็นเลยเคยพักผ่าจายงค่ะคือคือคือตอนนี้ยมยมตัดสินใจยังไม่ได้ค่ะว่ายมจะฉีดวัคซีนต่อดีหรือไม่ต่อดีอะค่ะผ่าจาย์อก็ฉีดแล้วสเข็มแล้วไม่อ่าเข็มเดียวค่ะผ่าจารย์เดียวค่ะแล้วทีนี้มันมันเกิดแพ้ค่ะผ่าจางแพ่มากไหมล่ะ ก็มากค่ะป้าจักรคลายกี่วันเป็นใช่นี้่รามีอะไรด้วยเอ่อประมาณอยู่สี่เดือนค่ะป้าจักรเป็นมาตั้งสี่เดือนเลยเหรอค่ะก็เลยยมก็เลยว่าทีนี้มันมีมาตรการเอ่อต้องฉีดวัคซีนนะคะป้าจ่าย์ก็เลยเออเราจะไปฉีดคือหมอเขาบอกว่าสมควรฉีดนะแต่เราก็เลยว่าเออเราเราจะต้องฉีดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งทัที่เรารู้ว่า เออมันก็ไม่ดีแต่เขายมก็เลยเอ๊ะวิืวิรเราจะปล่อยมันไปไปคือที่ว่าแพ้มันเนี่ยมันมันแพ้เยอะไหมมันแพ้จนทนไม่ไหวหรือว่ามันห ร, หรือไม่อยากทนคือคือตอนที่มันทนมันทนได้ค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้ เพื่อนที่เป็นพยาบาลแล้วก็เป็นหม อ, ขอเขาก็อบอกว่าเอถ้าเกิดปริมาณออกซิเจนต่ากว่าเก้าสิบมันไม่น่าจะดีต่อเราแล้วถ้าเกิดว่ า, าหายใจไม่ได้ใช่ไหมค ะ, ะาอาจารย์ทีนี้ของโยมมันแปดสิบเก้าตอนนั้นเพื่ อ, อนเข้บอกว่าต้องสต้องไปแล้วนะต่าเมืองไทยต่ำกว่าเก้าสิบสามต้องไปแล้วเราก็อกเออไ อ, อตอนนั้นแกรอดมานะบอกเออฉันก็ฉันก็นกนกรู้สติกรกรูกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้มัน ต, ต่อมามันก็เป็นอีกเป็นอีกเป็นอีกแล้วทีนี้ก็อาการมันก็อยิงยาวนะคะพระอาจารย์ประมาณสี่เดือนทีนี้เขาก็เลยเข็มสองเขาก็เลยหมอก็บอกตัดสินใจเอง mm. เราก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเราขอหยุดไปก่อนแต่ทีนี้พอทางนี้มีมาตรการว่าตอนนี้ห้ามไปโน่นห้ามไปนี่แล้วที่ไปเมืองไทยก็ไม่ได้ต้องสิบวันต้องกักตัวสิบวันใช่ไหมคะ เออเราหลอกก็เ อ, อ๊ะหรือเราจะตัดสินใจไปไปฉีดเข็มสองเสี่ยงไปเลยดีไหมก็เลยว่าเ อ, อ๊ะยังไงดีก็เลยเ อ, อ๊ะเราตัดสินใจถูกหรือเปล่าถ้าเราจะไปเสี่ยงหรือว่าเราจะไม่เสี่ยงหรือเราจะรอไปก่อนป้องกันไว้หรือว่ายังไงโยมก็เลยเออยังยังนึกไม่ออกครับอาจารย์ก็เลยว่ายังไงดีทำเอาเอาเอาทำมาเข้ามาเข้ามาเออหรือว่าจะเอเอไม่เป็นไร มันจะเกิดยังไงก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีอ๊ะแต่ถ้าเราเลี้ยงได้เรา เ, ร เ, ราเอ๊ะเราจะเราก็จะมีทางออกอย่างอื่นไหมหรือเราจะเอ๊ะปัญญาเรามียังไงเนอะเราก็นึกไม่ออกวอาคือมันก็อนาคตก็ชม่เป็นใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้ น, นใช่เนี่ยอต่หน้อยเรารู้ปัญ ญ, ญานี้ว่าเมื่อเราถีบเข้าไปแล้วมันก็ทําให้เกิดอาการที่เราเป็นอยู่นี่ แล้วมันก็เฉียดเฉียดเฉียดเป็นเฉียดตายแต่รอดมาได้ mm hmm. แล้วแต่ถ้าไม่เฉีดก็ต้องอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนมันก็ไม่ให้ไปใช่ไหมค่แต่บางทีมันก็มันก็อาจจะมีผลมีมันก็มีผลมากคือต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรัฐบาลเขาจะระดับเข้มงวดมากขึ้นแบบว่ต้อง คนที่ฉีดเท่านั้นที่ต้องทํางานหรือเปิดร้านหรืออะไรหรือการเดินทางอย่างเงี้ยโยมก็เลยแบบเอ๊ะหรือโยมจะจะพิจารณาไหมว่าโอไม่เป็นไรก็เตรียมตัวให้เตรียมตัวเหมือนที่ว่าแบบพร้อมตายทุกเมื่อก็เลยเอ๊ะต้องเป็นอย่างนี้ให้เราเราจะชะลานหรือหลงหลงงก็เร า, เร า, งงๆๆ า, าก็เลยงงงอย่าพ่อจารันว่าเออยังนี้มีสติปัญญาครับพ่อาจาย์ก็เลยอยากขอความแนะนํา คือมันถ้าพูดโดทั่วไปคนส่วนใหญ่ก็ฉีดเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรทีเราอาจจะเป็นกรณีพิเศษกรณียกเว้นที่มันแพ้หรือไม่ลองลองเปลี่ยนยาลองมันมีหลายตัวเ ข, ข้าเข้าที่เราฉีดอะไรไปอล้ครั้งที่แล้วฉี ด, ฉด m r n a เป็นของอ่าไบโอเทคไฟเซอร์ค่ะบอาจารย์แล้วตอนนี้โจวิตเข้ามาใหม่ก็คือ เป็นจอนสันและจอนสันค่ะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งแต่ทีน huh ี้ก็มีเพื่อนที่เป็นหมอเขาก็แนะนําว่าเกิดกับมีผลกับหัวใจของเราเพราะเราเป็นอในนี้มาสี่เดือนไอ้นี้มันยิ่งน่ากลัวกับหัวใจเขาก็เลยเราก็เลยเอ๊ะยังไงดีเราก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะรอไปสักพักหนึ่งหรือว่าอย่างไรเขาไม่ไม่แอสตราให้ฉะแอสตราไม่มีไม่มีครับไม่มีอาจารย์มีแค่สามไฟเซอร์โมเดอร์าแล้วก็จอรนสันค่ะ แต่จอร์แดก็ต้องอยู่ในดุลพินิษของของหมอก็เลยไปถามหมอหมอเขาก็เลยบอกว่าอ่หมอเขาไม่ตัดสินใจค่ะหมอเขาบอกว่าให้เราไปถามศูนย์ฉีดวัคซีนว่าเราจะจะฉีดไหมเราเป็นอย่างนี้ให้ไปคุยดูแล้วกันแล้วก็ตัดสินใจเองเราก็เลยเออก็ยังนึกไม่ได้ค่ะเรื่องเดือนนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบฟุ้งซ่านอยู่ค่บพี่จันก็เอง ี่ถ้าไม่ถ้าไม่แน่นใจก็อยู่เฉยไปแต่ก็ต้องก็ต้องอยู่ภายใต้กดที่เข้าบังคับเราถ้าเราอยอมรับเงื่อนขได้แล้วก็ไม่ต้องฉีดนดั้นค่ะยมก็ไม่ได้ไปไหนยมก็โอเคแต่ที่มันติดตรงที่ยมอยากกลับมืองกรอ่ะพระอาจารย์ยมก็เลยเอแล้วเราจะเสียงดีน้ออะไรเงี้ยปีหน้าก็ตัดความอยากไว้เป <laughs> ็นกิเลยความอยากก็คือกิเลสขอบพระค่ะยันอะไรทำให้เร <laughs> าเครี <laughs> เร mm hmm. mm hmm. าจะต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายเราแพ้วัคซีนก็ได้ให้อยู่กับไม่มีวัคซีนไปแล้วการกามันมีความจําเป็นบางคับจริงๆต้องฉีดเพราะถ้าเราต้องอยู่กับสังคมต้องทําอะไรต่างๆอยู่แล้วถ้าเขาห้ามไม่ให้เราทำเพราะว่าเราไม่มีวัคซีนเราก็ต้องเราก็ต้องยอมเสี่ยงนะใช่ไหมถ้าเรายังต้องทำงานทำอะไร แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีงเงื่อนไขอะไรต่างก็กเรอไปก่อนก็ได้ แ, แ, ตแต่ก้าเวลาไปข้างนอา ก, ก็ต้องระมันระวงังพโอากาสที่จะติดเชื้อแลวเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้โชคดีมียาเพราะว่าพอเป็นแล้วได้กินยาภายใน24ชั่วโมงน่รู้สึกว่าจะทำให้ไ ม, ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล ค่ะ<ม>ก็มียาสองบริษัของมากกับของไฟเซอร์ค่ะพระอาจารย์โยมก็ทราบทราบขเขาวด้านนี้ค่ะแต่สงสัยจะเป็นเพราะความอยากของโยมนะคะพระอาจารย์ที่อยากกลับเมืองไทยแล้วก็ ม, มันก็เลยทําให้โยมฟุ้งซ่านนะคะพระอาจารย์ว่าอย่งไรตอนนี้กําลังก็เลยก็อยากกลับเลยไม่เชื่อกลับมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับใหม่คพอมาถึงเมืองไทยก็อยากจะกลับสวิตเซอร์แลนด์ แถ้ามาถ้ามาแล้วไม่กลับก็ก็ว่าไปอะ่ะถ้ามาแล้วกลับก็ไม่ต้องมาเียกลับเพราะ <c oughs> ใช่ไหมคิดถึงเมืองไทย <c oughs> ก็เข้าไปใน youtube ืองไทยมีมียูทูปเกี่ยวเมืองไทยให้ดูเยอยะ <c oughs> แยะเลยเดี๋ยนี้ก็ติดต่อทางทางเนี้ยทางซูมดังอะไรได้อยากเจอนหน้าตาใครก็ติดต่อเขาคุยเขาได้ไม่จำ <c oughs> เป็น <c oughs> ต้องมาเลยเราก็ไม่ไปไหนเนี่ยเราอยู่ในวัดนี่มาตลอด ไม่มีความอยากไปไหนแล้วมันก็สบายในทาไปแล้วเฉพาะตอนเช้าเปลามีตับาดก็ใส่สวมสวมแมสหน่อยเลยแต่เราก็ฉีดมาสองเข็มแล้วช่วงนี้ฉีดแล้วไม่เป็นอะไรมากเป็นไข่ยอยู่วันนึงถ้ามันถ้ามันที่ว่ามันฉีดแล้วมันแพ้แล้วมันก็มันอาจจะตายถ้าก็อย่าอย่าไปฉีดนั้นดีกว่า คือเราก็ไม่ทราบ ว, ว่าน่าก็เหมือนพอาจารย์เออฉีลราอาจจะไม่มีได้แต่ที่บางทียมก็ยังตรงนี้ก็ยังจิตใจ ย, ยังไม่เข้มแข็งพอยังไม่ชันนี่พอกับอาจารย์ก็เลยเ อ, อมันก็ฟุ้งซ่านอยู่นะก็เลยว่าเออเอาตามครับอาจารย์ตอบถ้ามันจำถ้ามันถึงข่าวจําเป็นก็การเริ่มมาเมืองไทยัไม่จําเป็นก็ตามไปแต่ละต้องทํามากินเนี่ยเช่นเรเปิดร้านนวดแล้วถ้าเราเป็นคนนวยเราไม่มี ฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่ให้ทำก็ได้ค่ะที่อเมริกาบางบางบางรัฐบางเมืองเนี่ยเช่นนวยอรนีต้องถ้าไม่้ฉีดวัคซีนสองเห็มนี่เขาไม่ให้ทำงานค่ะก็ก็คือตอนตอนนี้อ่ะวันที่ยี่สิบแปดดีก็จะมีลงประชามติา เ, เ, เรื่องเรื่องเกี่ยวบโควิดว<ม>ัคซีนว่าจะฉีดไม่ฉีดนนก็คือรอผลตัวนี้นะคะอาจารย์ว่าต่อไปเขาจะเข้มงวดแบบ เป็นมาตรการใหม่ให้สามารถสามารถรับออกครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสวีเดนนอร์สเจอรเขาก็เขาก็ห้ามบอกห้ามบอกไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ค่ะก็เนี่ค่ะก็สวีดก็คงจะหลังหลังวันที่ยี่สิบแปดนี้ที่ลงประชามติถ้าอันไหนชนะคาดว่าแนวโน้มก็น่าจะเป็นเหมือนเขา ก็ไม่เวลาไรนะถือว่าเราเป็นกรณีที่จะเป็นที่ไม่ไม่ได้ฉีดเพราะไม่อยากฉีดก็แต่พอเราเราฉีดมาแล้วแล้วมันเกิดอาการแ่าขึ้นมาคนเข้งหูจะเข้าใจก็ค่ะแล้วก็เลยว่าเออทีนี้โยมก็เลยเออก็ดีจะได้อยู่บ้า น, านจะได้บ้านอย่ได้บ้านปฏิบัติธรรมได้เต็มที่วางคำให้ปฏิบัติธรรมเลยเชื่อไหมครับอาารยโยมโย ม, ย ม, ยมคิดไหเหมือนแกก็เออโยมก็เลยคิดว่า ถ้ามันเป็นบังคับให้เราเออเราไม่ฉีดบังคับก็มันก็ดีอย่างก็ไม่ต้องมีข้ออ้างไม่ใช่มีข้ออ้างคือเป็นเป็นเป็นเหตุให้เราเออ ป, ปิดร้า น, นเลยไม่ต้องทํางานเลยถ้าเป็น <c oughs> ได้ท่าเป็นไดน้ยอยู่ได้ก็ดีปิดนะปฏิบททัติธรรมปฏิบัติใช่เลยคนพิยม ก, ก็คิดแบบนั้นนะคะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้บางทีเราก็เออเราจะยังไงเหมือนก็คือแบบ ตอนนี้ยมก็เลยแบบคงสร้างอยู่ค่ะว่าใจา ก, ก็เลยไม่สงบนาทีเรีกไม่เกี่ยนให้มันโอกาสนานๆจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเต็มที่ไม่ต้องทํางานครับอาจารเราอยู่ได้เราที่ไม่ต้องทางานก็ก็เลิกทำเลยปะ่ะแต่เราก็ต้องอยู่แบบประหยัดกินอยู่แบบประหยัดยรแร้วก็ไม่อแล้วก็ออกไปเที่ยวไม่ได้แล้วก็ไปชาปนไม่ได้ ใช่ค่ะก็อาจย์ยอมก็เลยว่าอสมมติที่พะอาจารย์บอ่พิิกขีให้เป็นโอกาสแล้วก็มองในแง่ดีว่าเออมันก็เราจะได้ไม่ต้องหาเหตุผลว่าเออต้องอ น, น, นุู่นนั่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีเหตุผลมาประคับ<ช>เรา <นะ S 2> ไม่ได้ส่วปีสองปีโลกนี่มันอาจจะหมดไปก็ได้นะเมือเาคนฉีดวัคซีนเยอะๆมันก็แพร่ไม่ได้คนที่ไม่มีวัคซีนก็อยู่บ้านก็มันไปแพร่ไปรับเชื้อเดี๋ยวมันก็หมดไปเองก็ได้ แล้วตัดความอยากไปไหนมาไหนนี่แล้วนี้ค่ะอาจารย์ยูจะพยายามค่ะให้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นึกนใหม่พยายามตัดความอยากเออไม่เที่ยวมันคือสาเหตุหลักตอนนี้คือเอออยากกลับไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยทุ่งแจกีเล็กกล็กเนี่ต้องควรยดีใจที่มีมีโควิดมีวัคซีนที่เราแพ้ในมันบังคับให้เราไปไหนไม่ได้ ครับอาจารย์ถือว่าเป็นมุนนะเป็นมุนหนึ่งก็สอนตัดการมาฉันท่าได้ค่ะตัวเองบางตัวยังไม่ได้ยังเล็กหลายตัวมันไม่ได้แต่ก็มันก็ถูกห้ามโดยปริยาไปค่ะอาจารย์ใช่ของนอกบ้านมันไม่ได้หน้าฉีดวัคซีนไน้าป่นี้ก็พุ่ปั้งพุ่ปั้งไปรุ่นมานี่น่ะอาจารอาจารย์ แต่จริงกันนะก็ค่ะยมก็มีคําถามที่ลูกลูกคนว่าอาจารย์แค่เนี้ค่ะว่าอาจารย์ก็ไม่เป็ น, าา น, น ไ, ไรก็ควยกันได้<อ>คน่คนหนึ่งคนหนึ่งฝันก็ไม่จะไดม้มีความรู้ค่ะครับก็ควบคุมกันไม่ตายเราไม่ได้กลับมาเมืองไทยก็ไม่ตายเราถ้าอะไรไม่ตายก็ถือว่าไม่จําเป็นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทํา เอาเวลามาปฏิบัติธรรมกันมาค่ ะ, ะกลับขอบคุณค่ะอคุณเอกเชิญคุณเอกจากที่ไหนเหอ่ยวันนี้มีสองเอกที่สองมามรสการครับอาจ า, ารย์ได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนอยู่กรุงเทพครับมีอะไรไหมเ ข, เข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์มีคําถามอะไรไหม อ่าไม่มีครับเข้ามารับกําลังใจครับในการปฏิบัติธรรมครับก็ติดตามพระอาจารย์เหมือนแต่ปีหกเลยนะครับอื่าเข้าซูมครั้งแรกครับโอเคถามไปที่คุณทา น, นายพลต่อนะคุณทา น, นายพลอาจารย้การเจ้าค่ะครับผู้กรเป็นไง ส, สบายมากราบครับสบายดีครับอาจารย์อาจารย์สบายดีนะครับทําไมนีย ไม่มีคำถามอะไรนะปฏิบัติตอนเนื่องเจ้าค่ะอันนี้ดูแล้วว่าต้องทำอะไรแล้วไม่มีคำถามเลย <c oughs> ไปดีกุณสอนสอนดวงพ้นฟอนเดย์สอนดวงย <c oughs> ังไงคุณสอนดวงสบายดีแล้สบายดีค่ะพระอาจาร ก, กับ นมัสการค่รับมีอะไรไหม <c oughs> คือคือมีค่ะพ่อจา๋าจะเช็คได้ยังไงคะว่าเราละได้กี่สังโยชน์แล้วครับพ่อจา๋าก็ดูสิแค่ <c oughs> <c oughs> ถามใจเราว่าเราเราละร่างกายนี้ได้อยรืองอนักสวยรักงานงเรายังเรายังถือว่าร่างกายเป็นตัวเราอีกหรือ่า มีมีความเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานีถือว่าได้ไหมคะความเห็นใฉยไม่ได้ต้องต้องต้องวิธีปฏิบัติกับมันด้วยต้องต้องไม่ไปกั ง, งวลกับมันรับมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายค่ะพูดเฉยเฉยอย่างคะ่ะอาจารย์หรือต้องเพ็นรพิสุจน์เวลาไปเจอสิ่งที่มันจะมาทำลายร่างกายเรา ดูสว่าเราใชยๆตอนนี้ได้ป่ะอ่ามีคกลัวไมหรือเจ็บทอนไหมฮะเจ็บท้องไหรฮะหมอหมอบอกเป็นต้องบัเลังกเหมือนจะตายแต่ว่ากลัวใช่ไหมคออ่ายังกลัวอยู่ว่าป่ะถ้ามัน้ีถ้าไม่ใช่เราเราก็ไม่กลัวนะเดี๋ยวว่าไปไปไจ้าเอ้กับงูหรือไปจ้าเอ้อะไรกับเขาเนี่ย ผมจะก็ยังมีอีกหนึ่งทางแสดงว่ายังยังไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมปคนคนดูเองถ้าถ้าลารั้นถ้าเราละได้ก็ แ, แสดงว่าเราไม่ทุกข์เราไม่ทุกต่อนาน ก, กายแล้วนานกายจะเป็นจะตาจะเจ็บไม่เจ็บแจะแก่ไม่แ ก, แก่ผมยังอกไม่งอกเสียงจะขึ้นไม่ขึ้นอะไรต่างๆ ก็ไม่เดือดร้อนไม่วนวายไปกันเลยแล้วยังยังเห็นอ่ว่าพระพุทธเจ้าตระหนักรู้จริงพระพอาจาย์ก็เราเราเห็นหรือเ่าว่าคือเราต้องเห็นธรรมเห็นธรรมที่เราเราเห็นโทษว่างเกิดเห็นทษเกิดจากการที่เราไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วพอเราละการยึดติดร่างกายได้ คาทุกข์มันก็หายไปเราก็จะรู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระเจ้าถ้าถ้าถ้าเห็นคำสอนก็ต้อ ง, องก็ต้องมีคนสอนใ ช, ใช่จะไม่สงสัยแม้ว่ามตุสเจ้าจริงหรือไม่มีเท่านี้ค่ะโอเคนั่งตรนี้นะโอเค ไปที่คุลาลีตาตุลาลีเ้าจิตมาไหมีย็นไงบ้างนัน ก, การหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีคำถามนิดเดียวคะ่ะหลวงพ่อ <มา S 2> ไ ด, ได้ได้ยินหนูไหมค ะ, ะได้ยินอยู่ใกล้ๆกคือว่าถ้าถ้าสมมติคนที่เขาถึง ถึงบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วค่ะเขายังสามารถที่จะครองชีวิตเป็นคาราวาสได้ไหมแล้วยังสา ม, มารถทํางานในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะถ้าคนที่เขาไปถึงแล้วอะค่ะเขาเขาก็ยังยังยังติดอยู่กับชีวิตของคาราวาสถ้าก็เป็นคาาวาสอยู่ถ้าเขามีครอบครัวเขาก็ยังติดอยู่กับครอบครัวไปหรือเขาก็ยังต้อง ก็ยังมีแฟนแล้วก็มีแฟนก็ยังรักแฟนหวงแฟนยังอยากอยู่กับแฟนต่อไปอถึงขั้นที่สามแล้ว น, นะถึงยังไม่อยากจะอยู่กับแฟนไม่อยากจะอยู่กับใครฮะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขาไปถึงขั้นที่หนึ่งแล้วค่ะเขาเขาจะไม่ถอยกลับมาเป็นเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ขเขาจะนักษาศีลหอย่างอย่างเต็มที่ตลอเวลา แล้วก็เขาจะไม่ไม่รักแม่หัวงานกายของเขาไม่รักแม่หัวไม่หัวงานกายของเขามันจะแก่จะเจ็บจะตายนี่เขาไม่วิโตัดโดยไปกับมันค่ะแล้วแล้วถ้าไปถึงขั้นขั้นที่สามก็คือว่าตัดสังโยชน์ได้หมดเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ได้ <c oughs> ได้ห้าห้าตัวห้าตัวแรกอย่างสังสังโยชตเบื้องสูงยังยังไม่ถึงใช่ไหมคะยังไม่ถึงได้แต่ขั้นกำลงตัดก่อ คือเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอันนี้จะหมดปัญหาไปอ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะแล้วเออตอนเนี้ยมันมันไม่ได้มีเวลาไปปฏิบัติเหมือนที่เราไปเจอความรู้สึกอนั้นมาแล้วใจอะ่ะมันอยากจะกลับเข้าไปตรงนั้นอีกเหมือ น, อ ย, นอย่าไปอยากเสด็จอยาไปยากมันความอยากมันก็ทําให้เราไม่สบายใจใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อ ม, อมันเหมือน เราจะพยายามหาเวลาเพื่อที่จะไปปฏิบัติตรงนั้นแต่ว่าพอมันมันไม่ได้มันเริ่มหงุดหงิดนะคะหลวงพ่อว่ามั น, ม, นมันอยู่แล้วมันไม่สุกอะคะ่ะมันอยากกลับเข้าไปไปเจอสุขแบ บ, บอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อใช้ธรรมะใช้ปัญญาวันนี้แหละคือทุกเกิดจากความอยากของเราอยากทําในสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ทำไม่ ไ, มได้ทําแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาค่ะหลวงพ่อเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยการหยุดความอยาก หยวงพอเข้าใจอ่ะมันมันนึกตลอดอย่างทุกเมเวลาช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงมันก็จะจะปฏิบัติแล้วพอมีเวลาตอนเที่ยงอะไรเงี้ยมันใจอ่ะมันอยากจะไปตรงนั้นแต่ทีนี้ด้วยหลายหลอย่างที่มันไม่อำนวยให้เรามันก็เลยกลายเป็นว่ามันเริ่มหงุดหงิดแล้วเพราะว่าเราอยากจะกลับเข้าไปทําอย่างนั้นนะค่ะหลวงพ่อมันว่ามันหยุเหยียดทองสามอยากก็หยุดนันเสร็จมันก็หายหงุดนีิดแล้ว แล้วงี้มันหนูนึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติต่อเนื่องมันจะเสื่อมใช่ไหมคะหลวงพ่ออ่าแล้ต่อไปไม่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ต่อเนื่องถ้าอยากจะต่อเนื่องก็าจะต้องทิ้งงานทิ้งครอบครัวไปอยู่บวชีอยู่คนเดียวไปขอลวงห น, หนูหนูก็มีพูดพูดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ยเขายังห้ามห้ามอยู่อะคะ่ะหลวงพ่อ ใช่ถือว่าเรายังติดทุกอยู่ว่าแล้วกันถ้ายังไม่ฝล่อยเราจากคุกแล้วก็ต้องอยู่ในคุกต่อไปก่อนหนูหนูมีความรู้สึกว่าหนูหนูอยากไปโกนหัวบวชอะไรก็ดูพร<ม><ม>ะพุทธเจ้าเลยก็พระพุทธเจ้าเขาไปแบบไม่บอกใครถ้าบอกเขาก็ไม่ให้ไปเท่าั้นเองถ้าอยากจะไปจริงๆเขาไม่ทำบอกใครนะเตรียมวางแผนไว้ครับมนไหนทันมาไหนวันดีก็หายหัวไปเลย เขียนเขียนโน้นไม่หน่อยว่าไม่ต้องตามหานะไม่ไม่เ right ป็นอะไรจะไปหาความสงบแล้วเมื่อพบความสงบก็จะกลับมาเงียบเงียเขาเขาเห็นความผิดปกติอะค่ะหลวงพ่อคือเงียบแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครแล้วเวลาอยู่เรียบเนียเราก็จะไปทำธุระของเราอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อเขาแล้วก็เลยบอกความต้องการเขาไปว่าเบื่อทางทางนี้แล้วอะเรา แล้วก็มาพิจารณาว่าไอ้ทรัพย์ที่เราพอหาพอมีมันก็พอพอที่จะอยู่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปขวนขวายอะไรมากแล้วจะหาไปทําไมอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เลยมีมีพูดไปกับพวกผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอ่าแล้วถ้าเกิดทิ้งไปแล้วลูกละ่ะแล้วแม่แล้วญาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทํายังไงก็เขาบอกก็ถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดฉันตายไปวันนี้แล้วก็จะทำยังไง เขาว่าทำเขาทําทำศเรากขาเนี้ก็เลยก็เลยบอกว่าใครอยู่ก็ดูแลกันไปใชก็ดูแลกันไปแล้วมันจะเห็นเห็นแก่ตัวเกินไปไหมคะหลวงพ่อไม่เห็นหรอกก็ตัวใครตัวมันอย่างน่าตาเหี่ยโนนาโสแล้วแล้วพอคิดอย่างนี้ว่าเออเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแต่ใจมันก็มีคำตอบว่าอ้าวแล้วตอนที่เราเกิดมาเราก็ยังมาคนเดียวตอนไปมันก็ต้องไปคนเดียวใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันดูแลกันแต่เมื่อตำจําเป็นต้องจากกันก็ไม่ต้องจากกันไปเป็นเรื่องธรรมดาค่ะหลวงพ่อูรู้ว่าเลยแบบมีอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานาะนุกลับไปพูดนะคะบอกหนูหนูอยากไปทางนี้แล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีแบบหลังหลังกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อใช่ก็ดูพระเจ้ า, าเป็นตัวอย่างว่าเจ้าบอกใครลงหน้าฝั่งเวลาไปแอบไป แล้วต้ไปตอนดึกเนี้ยมะแม้ก็ทําเมียลูกยังไม่กล้าไปลาเลยไม่ไม่กล้าไปบอกหนูก็กลัวเขาเสียใจอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อถ้าเสียใจเพราะไม่ได้เป็นการเราเป็นทุบตีเขามันก็ไม่เป็นไรเขาเสียใจเพราะเพราะใจเขาเองทําให้เขาเสียใจหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้ไปไกลที่ไหนหนูก็จะไปอยู่ที่วัดก็เลยจากบ้านตั้งสามสิบโลสี่สิบโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอก เกินเอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราเนอะขอไปช่วคราวก่อนไม่ได้พอไปลองดูนึ่งเดือนอหนึ่งปีก่อนหนูหนูว่าอยากตัดสินใจอยากอยากไปทางนั้นเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันลูกลูกก็ไม่ปกติเงี้ยหลวงพ่อมันจะกลายเป็นแบบทิ้งปัญหาไว้ให้คนข้างหลังหรือเปล่าเงี้ยหนูก็คิดคิดแบบ แต่ใจหนึ่งก็บอกว่าเออพ่อเขาอยู่ก็ให้เขาดูแลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วถ้าหนูกะทิ้งไอซั์อะไรที่หนึ่งพอจะมีติดตัวบ้างนวหนูก็จะไม่เอาเลยอะค่ะหลวงพ่อใจคิดถึงขนาดนี้แล้วอะค่ะหลวงพ่อแต่ยังไปไม่ได้เลย วันนี้หนูก็มีคําถามปรึกษาหลวงพ่อแค่เนี้ยคำถามดีฮะคำตอบยากต้องต้องตอบด้วยตอบด้วยตัวเองแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวตอบแทนกันไม่ได้เดี๋ยวถึงหนูคิดว่าถึงจุดหนึ่งมันคงตัดสินใจได้อ่ะค่ะหลวงพ่อแน่นอนมันต้องถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันได้มันนช้าเร็วแล้วกว่าจะก็แล้วกว่าจะตัดสินใจหัวได้เราก็ตัดสินใจอยู่เรื่อย พอมันแล้วชอนฟ้าแล้วมันก็แล้วต้องบวชก็มันไม่มีทางไปแล้วมันมันไม่มีเงินแล้วมันก็เลยต้องรทำก็ต้องบวชนะเรามันถุกภาวะจำยอมต้องต้องบวชเพราะไม่มีเงินนะ่ใชที่เลี้ยงปากท้องยังไม่มีนะใช่ใช่เลยตอนต้นก็ไม่อยากจะบวชแล้วอยากจะเป็นคลรวาปฏิบัติธรรมไปรู้สึกว่ามันมีอิสระเจะทำก็น่าไม่ต้องหยุดภายใต้คนระเบีย เนี่ยพอต้องไปบวชนี่มันจะต้องไปอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆก็<น>ไม่เอาพอคิดมาคิดไปมันเวียนวนนะค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็เริ่มแบบไม่โอเคถามถามแม่ว่าเนี่ยอยู่ชีวิตประจําวันตื่นมาก็มีหน้าที่ทําหน้าที่หาอยู่หากินเสร็จอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไรอ่ะค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่ามันมันเบื่อเบือบ่อเบื่อแบบอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยมีความคิดที่อยากจะไปทางนั้นเลยแต่ว่า ก็ยังติดอยู่อะค่ะหลวงพ่อแค่ไปไปวัดอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็รู้เขาก็รู้สึกว่าทําไมถึงเริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไปอยู่วัดไปค้างวัดอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อเขาก็รู้สึกเหมือนกันค่ะหลวงพ่อแต่แต่หนูก็จะพยายามที่จะไปถ้ามีโอกาสหนูก็จะไปอีกก็คือเหมือนตอนเนี้ยมันใครมาฉุดหนูก็มันไม่ไปทางอื่นแล้วค่ะหลวงพ่อมันอยากจะไปทางนี้แล้ว แก็ทำนี้เป็นก่อนก็แล้วกันน่าดูดูจังหวะดูโอกาสค่ะหลวงพ่อะวันพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรมีช่องมีทางโผล่เป็นมาให้เราก็ได้อันนี้ยังไม่มีช่องทางก็อยู่นี้ไปก่อนก็แล้วกันค่ะหลวงพ่ออันนี้นมีคำถามแคนิดกลับเขาว่าคุณหลวงพ่ อ, อๆๆค่ะีคุณาชานิด า, าชานิดาค่ะน่ย ค่ะน้นำมศการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูได้เข้าสูงมากราบพระอาจารย์แล้วออ ย, อยู่ที่ไหนเนอยู่กาญจนบุรีค่ะค่ะมีอะไรไหมี ม, มีมีคําถามค่ะเกี่ยวกับเอกคตาลมค่ะพระอาจารย์ถ้าเรานั่งสมาธิไปแล้วมันสงบนะคะทีนี้พอความคิดเกิดขึ้นมาแต่สติเราตั้งมั่นนะคะจิตเราก็ตั้งมั่น คือความความความคิดเกิดมามันก็แค่รู้ว่าเนี่ยคือความคิดแล้วจิตก็ไม่ได้ไปเกาะสติก็ไม่ได้ไปคือยังมีสติตั้งอยู่นหนูก็จะจะเรียนกราฟอาจารย์ยังไงดีคือความคิดก็จะเข้ามาถ้ายังมีความคิดอยู่ยังไม่ใสงบต้องพูดโธต่อไปแล้วดูต่อไปถ้าจะเอกค้ตาลมได้ก็คือต้องทิ้งแมะความคิดก็ไม่มีใช่ไหมคะความคิดความคิดหายไปเลยแต่ความรู้อย่างเดียว อ๋อตัวรู้อย่างเดียวก็คือจะเป็นสภาวะที่ว่างเช่นเป็นทางต่าว่ารู้อยู่กับความว่างรู้อยู่กับความว่าอเข้าใจแล้วค่ะยังมีความคิดอยู่ก็ต้องดูนองไปแล้วพุทโธไปต่อแต่ถ้าแต่ถ้ามันทิ้งพุทโธไปแล้วเนี่ยแล้วความคิดมันยังมาก็คือต้องกลับไปพุทโธกลับไปพุทโธค่ะตอนพุทโธเป็นตัวคอยข่มความคิดไหม พอเราหยุดพูดโทความคินมันก็โผล่ขึนมาเลยแสดงว่ามันยังไม่นิ่งจริงถ้ามันนิ่งจริงแล้วพอเราหยุพูดโทมันก็จะไม่ผล่ขึ้นมาค่ะ<ฆ>ถ้ามันยังโผกขึ้นมาก็ต้องพูดโธต่อเหมือนรถอะถ้าเราเหยียบเบรกแล้วมันไม่ไหลแล้วก็ปล่อยเบรกดูพอเราปล่อยเบรกมันยังไหลยอยู่เราก็ต้องเหยียบเบรกค่ะพระอาจารย์ เดียเพียไปยังบลามันจะไม่ไหลเมื่อมันไม่ไหลแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ปลอยปล่อยเนยได้เข้าใจนะคะเน้นพยัพชนะต่อไปนะอย่าอย่าปยให้มันคิดนนค่ะคเคยมาว่าเไหมในีอ๋อเคยไปกราบพระอาจารย์บ่อยแล้วค่ะก็แต่ว่าช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ไปกราบพระอาจารย์ที่ข้างบนเขา่าค่ะมีแต่ไปใส่บาตรแล้วก็ไปถวายอระปาหาน ที่บ้านอำเภอเนี่ยนะใช่ค่ะโอเคมีท่นนี้นะค่ะค่ะรอาารย์ขอบพระคุณค่ะขอบัการค่ะคุณปงวัไรใชคุณปางวัไรจากสีชอันนี้คำเล่าเยู่อใช่แ้ค่ะพูดได้ไจะพูดอะไรครับห น, ห, น ห, นหนูหนูจอรมันจ้ะค่ะหนูหนูมีมีคาถามค่ะอาจารย์คือช่วงที่ผ่านมานเครเรียนถามอาจารย์ว่า อาจายถามว่าอาจารย์ว่าเรื่องการเรื่องน้ำลายอะค่ะทีเนี้ยตอนนั่งสมาธิช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้ไปกังวลเรื่องน้ำลายแล้วค่ะปรากฏว่าพอนั่งสมาธิแล้วมารู้สึกทีว่าน้ำลายมันไหลไหลหกเลอะเถอะตัวอะไรอเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องด้วยความที่เผลอก็เลยต้องเอาเงิไปปาดเอปาดปุบเสร็จปุ๊บก็ต้องแบบนั่งเข้าใหม่ทีนี้อ่าเราสามารถจัดการเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเจ้าค่ะก็ไม่ได้นะว่าต้องปล่อยไปเป็นธรรมชาติออกมาใส ปล่อยค่ไหลจนเรานั่งเสร็จแล้วเนะาะเสร็จแล้วก็มาเชิตมานั่งหน้ า, าหน้าปากอือาจจะเป็นเพราะว่าจิตสติเรา ย, ยังอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้มข้นพอกันแน่แล้วจริงๆคือถ้านั่งแล้วคือมันไม่ควรจะไหลใช่ไหมจ๊ะค่ะก็ไม่ไหลอเรานั่งมาไม่เคยไหลนะโอเคแล้วก็หน้าหน้าจะเป็นเพราะเรื่องของพวก อ, อาอารกยวะหรืออาการของเราไม่แน่ อาจจะเป็นเอาไว้เรื่องของร่างกายเราทีา่มันชอบมีน้ํายน้ำน้ําลายหลายมากก็ได้แอย่าจจไปสนใจมันเวลานั่ง่อาอย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะว่าจะคันจะเจ็บจะน้ําลายจะไหลเรื่องใจเองเป็นปทา้ายทำป่าไม่ต้องไปสนใจปล่อยมั้ยครับตั้งแต่กลับไปสนใจร่างกายก็เหมือนกลับไปนั่มต้นใหม่ อืมสังเกตบ่อยๆเลยคะพอพอนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเจ็บมั่งคันมั่งก็ต้องกลับมาใหม่ก็เสียเวลาก็ไปไม่ถึงไหนกลับเรื่องไปถึงปากซอยล้วองย้อนกลับกลับที่บ้านเนีอ้โหสค่งค่ะเดี๋ยวดี๋วหนูจะพยายามใหม่อีกรอบค่ะอืย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปสวดวนไปก็ได้ถ้าพุทโธไม่ยอมอยู่พุทโธเราสวดไปก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งถ้ามีความทุกข์อะค่ะมันเหมือนกับ มันปฏิบัติได้ดีวันไหนที่มีความสุขมีความสุขมีความสบายเงี้ยค่ะจะจะป่อยปากละเลยค่อนข้างเยอะมันไ้นมันสุขมันสบายก็สบายนก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแล้วพวันไนมันทุกข์มันรู้ว่าต้องปฏิบัติทุกข์มันถึงจะหายใช่ไหมใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีทุกข์มาก็ดีนะจะได้เร่งเร่งเอาให้มากขึ้นอทุกข์มีบามีบารมีบารมีนะค่ะแค่นี้คุาเจ้าค่ะ ทุกคนมีปัญญาบอกแกอต่อไปคุณยอหญิงอยากเชื่อมใหม่ยัอหญิงไม่ยินไหมอ่าพอาจารย์นรมาสการเจ้าค่ะมาม้ามาด้วยค่ะอ่อยู่อยู่เชื่อมใหม่แล้วใช่ค่ะอ่าบอกบอกมาเห็นเห็นหมาม้าแล้วะเห็นแล้วมีอะไรไหมวันนี้มีค่ะหญิงมีหญิงอ่านหนังสือพระอาจารย์แล้วเจ้าค่ะอ่ามา ที่ภาคที่วันอาทิตย์พระอาจารย์ให้เว็บมาหญิงก็ไปอ่านแล้วทีเนี้นอยอ๋อหญิงอ่านจบนักเดินทางแล้วแต่ว่าตอนนี้หญิงกําลังอ่านไมเวอ๋อหญิงอ่านไมเวเป็นภาคอ๋อภาษาจีนก่อนเราค่อยมาอ่านภาษ า, ษาอังกฤษแต่ทีเนี้ยตรงภาษาอังกฤษอ่ะพระอาจารย์มันจะมีอันหนึง่งอ่ะในบทไอ้ fascination widom อะพระอาจารย์เขียนคําว่าติลักขนาอันนี้คือไตลักหรือเปล่าคะใ ช, ะใช่ใช่ไตลักไตลักทำไมถึงเขียนทีไอคะทําไมไม่เขียนทีอารอคะเพราะภาษาบาเลีนี้มันออก ออกเป็นติก็ได้เป็นไตก็ได้ไตนี้มันมันเป็นเป็นรู้สึกจะเป็นเป็นเป็น ส, สัมสกฤตนะนั่นติเนี่มันเป็นบ้างอ๋อค่ะเพราะว่าหญิงเห็นไอ้วงเล็บปะหญิงก็เดาว่าน่าจะเป็นอันนี้เพรา ะ, ะเลยพัชจันทร์เขียน The Tree State of อะไรอันเนี้ยแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่าผิดผิดกับที่ที่หญิงแบบเหมือนหญิงคิดว่าหญิงเป็นแฟนคลับพัชจานทร์แล้วหญิงจะอ่านแล้วติดตามพัชจานทร์ย่เงี้ยพราะหญิงมาอ่านอ่าไมเวแล้วหญิงรู้สึกว่า โหหญิงตกใจเพราะว่าหญิงคิดว่าพาจันเป็นลูกคนรวยอ่ะตลอดเวลาเลยอ่ะไม่รวยแหละแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ยากจนนี่กันใช่เราเราะไม่ไม่ถกับรวยหรอกใช่พี่ๆทุกท่านที่ฟังอยู่ถ้าใครยังไม่ได้ไปอ่านแนะนําให้ไปอ่านนะคะไมเวรู้สึกว่าพิกเหมือนพิกความเข้าใจหลายๆอย่างแล้วก็ได้ความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยอ่ะค่ะอย่างคําถามที่ได้ยินพี่ๆถามกันมาพาจันตอบเหมือนที่เขียนในหนังสือเลยอ่ะ เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าจะดูเป็นภาษาไทยนี่ต้องเป็นหนังสือเศรษฐีที่แท้จริงหรอคะอันนั้นคือไม่เหมือนกันหรอคะอ่แปลมาจากหนังสือที่เรื่องเศรษฐีที่แท้จริงอ๋อพอดีหญิงหิงอ่านเพราะว่าวันที่ซูมภาษาอังกฤษอะเมื่อวานเนี้ยค่ะหญิงเห็นมีพี่คนหนึ่งเขาชูหนังสือไมเวปุ๊บแล้วปกสวยดีก็เลยตามไปอ่านนั่นแปลมาจากเศรษฐีที่แท้จริง อ๋อค่ะพรจันทร์หญิงรู้สึกประทับใจมากเลยคองขอใช้ที่ท่าจีนดูก็ได้เป็นภาษาไทยไม่เอาจ้าจริงจริงจะอ่านภาษาจีนค่ะอาจารย์แต่ว่านี่มาอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลไม่ออกสุพรรณบุรีก็ก็งงแล้วจ้าภาษาจีนนะแปลไม่ออกหญิงอ่านไปถึงภาษาจีนอ่านไปถึงตอนที่พรจันทร์บอกว่าปีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จะกลับมาเจอพรจันทร์สองครั้ง แล้วหลังจากนั้นถึงเริ่มอ่านไม่ออกแล้วภาษาจีนเขาแปลดีหมล่ะดีค่ะรู้สึกอ่านแล้วเข้าใจง่ายค่ะภาษาอังกฤษยิ่งดีใหเลยค่ะเลองอ่านภาษาไทยด้วยเป็ด ท, ที่แท้จริงหญิงหญิงชอบพี่พระจันบอกว่าเวลานั่งสมาธิตอนแรกเราเจอเวทนาเราพระาจันน่ะใช้วิธีบริกรรมก่อนแล้วหลังจากนั้นกลับมาเจอเวทนาอีกพระจันก็อ๋อสวดมนต์เพราะว่าในหนังสือที่พะที่สี่มนนังกรแนะนำพระจย์มาบอกให้สวดมนต์ จะด i s t r a c t ความเจ็บปวดอะไรอย่างนี้ค่ะใช่รู้สึกว ม, ม, มันมันเจอจริงๆค่ะมีอะไรมาทําให้เราไม่เราไปสนใจความเจ็บความเจ็บ้็จะไม่มาลบปวดใจแล้ค่ะมันเป็นคําตอบเลยถ้าพี่ๆอ่านหนังสือนะคะขอบคุณค่ะพระอาจารย์โอเคครานี้นะสําหรับใครต่อไปคุณนงประสิทธิ์คุณนงประสิทธิ์เช่อยู่ที่ไหนคุณนกประสิทธิ์ ครับสวัสดีครับพระอาจารย์ครับ อ, อยู่นนท บ, บุรีครับนี่เพิ่งเข้าซูมครั้งแรกครับมีคำถามอะไรไหมเอ่อเพิ่งไปถือศีลแปดที่ที่วัดยานมาครับเอ่อไปช่วยพระอาจารย์ตอนเช้าบินธบาทนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านที่ไหนตั้งข้างล่างที่พักักพักที่ในในวัดนะครับ วันนี้มีมีมีมีคำถามครับยังอื่นเต้นมอยู่ไน้กีวั น, วนผมอยู่ได้สามวันนึงครับ<อ>เพิ่งไปครั้งแรกไปครั้งแรก<อ>แล้วว่าเออไปไปไปไปลองปฏิบัติดูครับ อ, อไม่มีคําถามเลยนะจะได้ไปที่ท ต, ต่างตอบไปรไาจารย์ครับอาจารย์คุณปัฒน์น์ะใดเลยคุณปัฒน์ละใดมามาที่ไหนครับ พูดดังๆหน่อยครับไ ม, ไม่ได้ยินเอาไม้เอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะมีคำถามอะไรไมั้ยไม่มีครับมาฟังเฉยๆนะครับโอเคเห็นไปที่กรุงปวีณาจาก Dallas Texas เช่นกรุงปวีณาหายหน้าไปหลายอาอเห็นเข้ามาแต่ไม่ได้พูดใช่ไหม กาบมนการรัา ก, การครับเป็นยังไงลํงถามอะไรย์้ไหไม่มีครับมาเข้าฟังครับผมโอเคสบายดีนะครับผมกาบมนการครับอาจารย์เข็มสามเข็มสามฉีดไปได้ใช่ไหมครับผมเอออยากจะถามหน่อยอยากจะถามคุณหมอณทุนเป็นยังไงเขบอก ว, ว่าถ้าฉีดฉีดแอสตราสองเข็มแล้วเข็มที่สามนี่ฉีดแอสตราไม่ได้คุณหมอณทุน อันนี้ครับก็เข้าใจว่าเขาจะให้ไปฉีดเป็นตัวอื่นนะครับเป็นพวกไฟ i ซอร์หรือว่าบ o เดนนาแทนครับถ้าเราไม่อยากจะฉีดพวกเอ n มอเราฉีดแ s t ต, ตาไม่ได้ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เข้าใจว่าแ s t ต a มันจะเป็นอ d ด n o v i ว u ัสแล้วบางทีมันมันฉีดซ้ำแล้วมัมนอาจจะทำให้ไอมันใช้อ d e n o น i r u s สเวกเตอร์บางทีถ้าเรามีภูมิต่ออ d ด n o v i ว u ัสที่มันเป็นเวกเตอร์มันอาจจะ ทำไม่อาจจะเข้าไม่ติงแต่ผมอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่น่ใจไม่แน่ใจครับแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะถ้าถ้าฉีดน่าจะไปเป็นคอร์สอีกทีกแต่ถ้าไฟเซอร์เห็นว่าฉีดสามเข็มได้อ๋อครับ<ง>แต่ว่ามันจะจะใช้เป็นอีกอคิทเทคนิคนึงะครับนะคุณไม่เป็นคุณมาวิฉีดไฟเซอร์สามเข็มไดใช่ไหมครับผมอแล้วเป็นยังไม่มีอาการอะไรนะไม่มีอาการครับอ ต, ต้องไปเช็คดูแอนติบอดีบอกขึ้นเท่าไหร่อะไรไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องครับเพราะว่าของผมออกกะลังกายทุกเช้าครับทุกวัน <Okay. S 2> ก็เลย ร, ร, รู้รู้ตัวเองว่ามันไม่มีอะไรโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่มีอะไรก็โอเคเป็นยังไม่เข้าใจว่าทำไมชีดไฟเซอร์สามเข็มได้แต่ชีดแอสตรสามเข็มไม่ได้ ตอนนี้ที่อเมริกาเริ่มให้ฉีดได้หมดทุก ท, ท, ทุกทุกยี่ห้อแล้วนี่ครับเพราะว่าทั้งมาดอนาทั้งเคเจครับผมฉีดไข้ก็ได้ฉีดซ้ำไม่ได้ครับตอนตอนนี้เห็นเริ่มประกาศแล้วครับว่าสามารถฉีดไขว้ได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ฉีดเพราะว่าเราที่นี่เรามียาพอที่จะฉีดของตัวเองได้ครับโอเคขอบคุณมากคไปที่ท่านต่อไปนะคุณไอโฟน ซาตรกะได้ยินไหมไม่ตามไม่ได้อยู่เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวไปมากันไปที่คนปัจจาระคนก่อนกเป็นปนัจจาระปนอาจาน์ครับอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามครับอนนพอเพิ่งจะผ่านบททดสอบมาเมื่อวานหรือวันก่อนนี่เขาผ่านบททดสอบมาได้ครับอาจารย์อันนี้ธรรมะนี่เป็นของวิเศษนะ นาผมคือมันถ้าพูดถึงเรื่องว่ามีอารมณ์ขุ่นเคียวอะไก็ยอมก็ยังยอมนะว่ายัางมีแต่ว่าผมยังใช้สติควบคุมได้อยู่ว่าเออเราไม่สมควรที่จะเปลยนแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> คบทคือบททดสอบมาเนี่ยคือว่าผมพยายามผ่านมันมาให้ได้คือพยายามใชพูดตรงพูดตรงผมมาตลอดก็เลย ผ่านเพิ่งผ่านมาได้คือผ่านให้เมื่อวานก็ดีทําต่อไปนะครับคุณไอโฟนสฐฐาธกเชิญอยากกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะไปเ อ, อินได้คำตอบจากคล้ายๆของคุณปางวลัยอะค่ะออที่ว่านั่งแล้วน้ำลายเยอมอะค่ะพระอาจารย์น้ำลายพอนนั่งแล้วอะค่ะ คือกลับมาจะอีตอนที่ไปนั่งวิปัสสนาที่ที่ซีโอนะคะจะปวดแล้วก็กลับมาปวดแต่ว่าพอตอนกลับมาที่เนี่ยค่ะนั่งแล้วน้ำลายไหลตลอดอะคะ่ะคือมนาก่อนน ไ, มมไม่เคยค่ะแต่ทีเนี้ยก็คือมีความรู้สึกว่าเหมือนที่พระอาจารย์เคยพูดพูดสอนมาว่าเหมือนบางทีอะจะรู้สึกเหมือนน้ำลายไหลแล้วเราลองครั้งแรกๆเลยที่ที่ลูกลองอะค่ะ มันก็ไม่เป็นไรแต่พอไอ้เที่ยวหลังที่กลับมาจากเขาจีโอนะคะไม่ปวดขาแต่เปลี่ยนมาเป็นว่าน้ำลายไหลตลอดมันก็ไหลเป็นชั่วโมงจนแบบเปื้อนเลยลูกก็ปล่อยให้เปื้อนเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่ า, าไม่ต้องไปทําอะไรเราต้องการทําใจอย่างเดียวทำใจใช่ลูกก็เลยแบบปล่อยก็คือนั่งได้ประมาณาแบบเป็นชั่วโม ง, งเลยค่ะ ก็ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนกันเดี๋ยวก็มามาเช็คมาแล้วเดี๋ยวมาเช็คเอาลูกก็เลยแบบที่ก็เลยได้คําตอบเพราะว่าเหมือนที่ของคุณปางวะลายเป็นโอเคค่ะค่ะเนี่มันไม่ไม่มีค่ะปฏิบัติตลอดค่ะอยู่อยู่ไชน้าใช่ไหมอยู่ไชน้าค่ะค่ะอันนี้ก็คุณหมอหน้ท้วงใช่คุณหมอมีอะไรไหมผมไม่นะฮะมาเข้ามาปรับทักครับแมไม่มีค่ะ ทามาฟังครับมาช่วงนี้ก็ยุ่งนิดหนึ่งครับมีงานเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ทัมีร้านละพยายามว่างยุ่งหว่างแล้วก็ทำแล้วก็ว่งไม่เคยจัดก็ได้บ่างไม่ได้ว่าคือมันผ่านไปแล้วก็ผ่านมันผ่านไปครือในปัจจุบันดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันครับนะคอีกก็มีแบบผู้หลักผู้ใหญ่มีคนรุ่นญาติอะไรทั้งหลายเขาก็มาให้เราช่วยเหลือแล้วก็ทำแต่ว่า ทบบ ร, ร, ร, รับทำเน okay. <the <the <the <the <the <the <the ื้ปลาทำเนื้อปลาครับครับปฏิบัติต่อไปนะครับผมครับครัที่คนนั่นจะออกคนนั่นจะออกอาจาได้ยินไหมอยู่ที่ไหนอยู่นนทบุรีครับอาจารย์มีคำถามไหมมีคำถามนิดหน่อยครับโลภรักเลยนนนะครับพอดีตอนนี้ กลับมาปฏปฏปิบัติสมาธิหลังจากไม่ได้ปฏปิบัติมาประมาณห้าปีนะครับไปใช้ชีวิตรอดผลนมาอยู่เจอทุกบ้างสุขบ้างนะครับก็เลยตอนนี้ก็เริ่มวางอุเบกขาทุกเรื่องนะครับทั้งสุขทั้งทุกนะครับอครับก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติได้มาสักสองเดือนแล้วครับแรกๆ ก, ก็ได้มาสักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงขึ้นอันนี้ก็เริ่มสองสชั่วโมงแหละนะครับ ก็ก็มีปัญหาอยู่ว right. ่า yes. มีปัญหาทังใส่ว่าอ่าตอนที่ปฏิบัติก็คือก็ถึงองค์ฌานแล้วครับคือมีวิตกวิตาปิติสุขนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ที่สุขตอนที่สุขเนี่ยจะข้ามไปพิปัสนาเนี่ยครับไปอัปนัสมาธิไปไม่ได้แล้วถ้าจับสมาธิเราไม่ทํำพิปัสนาเป้องกันอ๋อเหครับแล้วต้องเราก็ต้องดูลองนุสพุทโธต่อไปให้มันไปสู่อุเบกขาก่อน อ๋อคือบางพระอจบอกว่าถ้าถึงถ้าถึงแล้วให้ทิ้งพุทโธลงไปอครับพอทิ้พุทโธุ๊บไม่ต้องทิ้งถ้ายังไม่ถึงถึงว่าเบคายทิ้งไม่ได้โอ้ครับต้องถึงจุดที่จิตนั้นวุบลงไปแล้วนิ่งสงบแล้วตอนั้นพุทธโทมันก็จะทิ้งโดยอัตโนมัติอ๋อที่เองใช่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่เราทิ้งใช่ไหมใช่ใช่เราไม่ไปทิ้งมันมันมันจะทิ้งเองโอ้ หรือแต่ความว่างหรือแต่ความสุขหรือแต่ความสงบหรือแต่อุเบกขานั่นแนหะถึงถึงถึงผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิครับาทางปัญญาหรือวิปัสสนานี้เราต้องรอให้ออกจากสมาธินี้มาก่อนเช่นตอนนี้คุก็สามารถพิจารณาร่างกายได้พิจารณาอะไรทั้งหมดได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใหญ่ของเราได้ครับแต่บาาัพติบัพิจใจผมมันติดเหมือนคนแบบ อยากลองผิดลองถูกนะครับคือเป็นคนลดโผนเลยครับคือ<ม>แต่ก็รู้แหละ ว, ว่าการตัดตัดกิเลสได้คือต้องใช้วิทธศสนาในการตัดเพื่อให้เกิดปัญญาใช้ปัญญาในการตัดกิเลสนะครับถูก<ม>ต้องไหมครับใช<ม>่แต่ว่าแต่ผมผมอยากอยากจะนั่งไปอีกนะครับก็คือสมมติว่าถ้าวันหนึ่งผมพึงอัตบราสมาธิแล้วนะครับมผมผมอยากจะไปทําทําัารมให้ไปถึงอรูปฌานที่เป็นอาการสันจารตะนาบพวกนี้ครับ ก็ได้ก็แค่ต้องเจริญสติต่อไปกาหนดรู้ต่อไปแต่แต่ว่าการสมาธิก็คือเราจะอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วถูกไหมครับคือเป็นอัตตาแล้วอก็คือกําหนดมันกําหนดความว่างเปล่าชก็กำหนดจิตอยู่ความว่างเปล่ากำหดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะไปของมันเองใช่ไหมครับมันจะไปของมันเองอย่าปล่อยให้ใจคิดปุกแต่งขึ้นมาครับ เพราะว่าผมผมผมพอ<ม>ดีผมเห็นได้ยินพระพุทธเจ้า ấy, ก่อนที่ปี น, นี้ผ่านก็คือจะเข้าฌานขึ้นไปถึงอัปปนาก็ลงมาออกจากล่างที่เป็นที่ฌานสี่รูปรานในการปฏิบัตินี่ไม่จำเป็นจะต้องไม่ถึงขั้นอนรูปฌานอ่าใช่ครับเข้าใจครับพอดีผมอยากคือเกิดมาครั้งหนึ่งครับผมก็อยากจะลองทำทาง<ต>ที่ทมันก็ไม่ค่อยมีใครรู้วิธีบัดซ้อนกันได้ เราก็ไม่รู้วิธีเราก็เห็นอต่ว่าต้องเอีสติเ่อก็คือก็คือ<ด>ผมปต้องคือต้องพยายามพยายามต่อไปถูกไหมครัแต่ผมก็จะผมก็ครับผมก็จะพยายามไม่ทิ้งปรัชนานะครับคือยังไงผมผมก็คิดว่าปรันาคือช่วยช่วยในการให้เกิดปัญญาในการตักกิเลสใช่ไหมครับได้ครับก็ละละ่ละครับประมาณนี้ครับ โอเคขอลองทำดูไปก็กันนะได้ครับได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณวินนี่ดาววินนี่ทอมัสวินนี่ทอมัสคุณวินนี่ได้ยินไหมแ่ดได้ยินค่ะอยู่ที่ไหนอยู่่อังกฤษเนาค่ะโอเค เสียดั ง, งห่อยนะคะอดีเ่เรพ <you>, อรุยได้ยุกเจ้าค่ะแต่หนูแต่นลบ ก, ก่มลักกนดชกวสวัสดีจ้ะสวัสดีเจ้าค่านะน้มาสการเจ้าค่ะมีคำถามไหมรึเปล่ามีเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีหนูเป็นลูกใหม่มา กับในเพโอกกับเพยของพระอาจารย์มาสักพักแล้วเราจะเจ้าค่ะแต่ว่าพอดีหนูเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ค่อยจะได้แต่ว่าพี่หนูทําอยู่นะตอนนี้คือหนูส่วนใหญ่หนูจะสวดมนต์เจ้าค่ะแต่ถ้าสวดมนต์หนูอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าถ้านั่งสมาธิหนูจะเป็นมันก็มันก็นกสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนนี่เราสวดแบบไม่ออกเสียงด้วยนั่งนั่งในนั่งนั่งในท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจ เอ๋อเจ้าค่ะแล้วพอสวดไปสักนาทีนะเราก็ลองหยุดแล้วก็ลองหันมาดูลมต่อเจ้าค่ะแล้วก็หนูก็แคบเข้ามาเพื่อที่จะมารับบารมีบุญกับพระอาจารย์เท่านั้นแหละเจ้าค่ะพระอาจารย์ไหยคือตอนนี้นั่งปนมมือสวดออกเสียงเราก็นั่งหลับตาเหือนนั่งในท่ากัดสมาธิแล้วก็สวดวนไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงสวดไปแล้วข้ า, ขารู้สึกว่าใจมันเย็นมันนืง่งก็ลองหยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อ เจ้าค่ะแล้วก็หนูอยากถามว่าบทสวดทุกบ ท, ทุกทุกทกทกบ ท, ที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดมาท่านก็บอกไปบททุบ ท, ท, บทีหมดใช่ไหยคะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้คือหนูพยายามสวดมันมันตอนนี้หนูความจําหนูสั้นมากแล้วคราวนี้หนูจะสวดได้อยู่แค่บทเดียวบทมหาจากกักรพรรดิเจ้าค่ะได้สวดชั้นๆพุดทัวร์คเดียวก็ได้ใช่ไหมะ เพราะว่าหนูเป็นคนที่จํามสั้นมากแล้วคราวนี้มันงานเยอจังมากก็เอาพุทโธกคำเดียวมาได้พุทโธพุทโธพุทโธไปคําเดียวกาได้อเจ้าค่ะคือการสวดนี้เป็นการทําให้ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองข้าหมายของการสวดโอ้ประกาศทูเจ้าค่ะก็อืมมันก็มีแค่คําถามแค่นี้อะเจ้าค่ะโอเรื่อง่ไหนเล่ากินไม่อยู่ประเทศอังกฤษค่ะ ยูเอลยอลอตอนนี้คงจะ น, นาวหน้าดูนนะตอนนี้กําลังเริ่มหนาวเจ้าค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็คนเป็นไข้กันเยอะเพราะว่าช่วง flu สั่นเอ อ, อดีหนูได้ยินเ อ, อพี่ยติธรรมท่านพูดถึงเรื่องวัคซีนนะคะเออเหมือนที่ท่านเป็นหมอแหละคะคือพอดี เ, ออเขาบอกว่าหนูไปฉีดเข็มสามแล้วเพราหนูเป็นช่างสักแต่หนูบอกหนูว่าหนูจะไม่รับเข็มสามมันเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าหนูก็พอดีได้ยินเสียงพี่เขาเ อ, อ่อ สื่นากับพระอาจารย์นะคะอมีคุณหมอคุณหมอลองตอบใหเพราะว่าเขาไม่ยอมฉีดเข็มสามเป็นไงบ้าไม่มีใครยอมค่ะเจ้ค่ะหนูก็ไม่ฉีดเจ้าค่ะหนูไม่ฉีดแล้วหนเป็นหมสองเข็มแรกฉี ด, ดอะไรไปอะครับอไฟเซอร์ค่ะอ๋อไฟเซอร์ก็ก็น่าจะคือผมพอดีด<ห>เป็นหม อ, อ ห, หัวใจก็จะไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่ว่าไฟเซอร์สองเข็มก็น่าจะโอเคมากครับอันนี้ถ้าพี่หนู ีห่หนูหนูแค่ต้องการแค่ว่าจะกลับบ้านเฉยนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้อยาฉีดหนูบอกตรงๆว่าหนูไม่ได้เชื่ออะไรเลยก็คือก <แ S 2> ็แค่แค่แค่เอาความสบายใจของชาวบ้านด้วยแล้วก็เพื่อที่จะกลับไปเมืองไทยแค่นั้นนะคะคที่หนูต้องวัคซีนสองเข็มอ่าวัคซีนคนต้องฉีดแน่ๆครับอย่างน้อยก็ต้องได้สองเข็มนะครับอันอ น, บบนี้ถ้าเป็นตัวซิโนแวคมันจะภูมิมันจะขึ้นได้ไห้ดีมากแล้วก็ มันมีติดติดเชื้อได้ครับแต่ว่าไอถ้าเป็นไฟเซอร์สองเข็มมันก็อาจจะใช้ได้ในระดับหนึ่งครับอ่าทุก่นูรู้ก็เลยคิดว่าหนูจะไม่รับต่วนตัวตามครับร่างกายหนูแย่ครับพี่หมอพอดีเอ่อร่างกายมันแย่มาตั้งแต่ฉีดวัคซีนหนูไม่เคยป่วยไม่เคยไข้ตั้งแต่วันพี่หนูรับวัคซีนมาแขนเปื่อยแพ้นั่นแพ้นี่มันมันมาหมดเลยทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่เลย แต่ได้แต่ได้ครบสองเข็มแล้วใช่ไหมครับแล้วน่าจะเดี๋ยวอแต่ว่าระยะยาวมันคงอาจจะเป็นเป็นโรคที่เป็นเป็นเอดิมิกโรคที่แบบเป็นทั่วไปอันนี้อาจจะต้องฉีดทุกปีครับเดี๋ยวไว้รอไปรอบหน้าแต่ว่าถ้าเป็นวัคซีนบางตัวถ้าสองเข็มมันอาจจะไม่พอใช่ไหมใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณมากได้ได้ครับผมตอบแบบเท่าที่มีความรู้นะครับ ค <s ir permit> okay. ุณกายคุณกายเพิ่งได้ฉีดกี่เข็มแล้วสึกไปอยู่อเมริกาด้วยอยู่มองไทยด้วยทั้งหมดกีดเข็มไว้นี้ก็เมืองไทยฉีดชิโนแวปไปสองเข็มแล้วก็ไปอเมริกาฉีดไฟเซอร์ไปอีกสองเข็มอาการยสี่แล้วแล้วเป็นยังไงโอเคโอเคครับไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยครับแต่ตอนฉีดไฟเซอร์สองเข็มก็มีอาการปวดแขนนิดหน่อยครับพอดีว่า ผมผมจะต้องมีเดินทางบ่อยครับพระอาจารย์แล้วก็ชิโนแวรับมันก็เออใช่ครับแล้วก็ไฟเซอร์เข็มเดียวก็เขาก็ไม่รับฉีดเขเลยใช่ภรรยาภรรยาก็เลยแนะนำว่างั้นก็ไฟเซอร์ไปสองเข็มเลยพอดีไปอยู่นานนานสี่สิบวันด้วยครับก็เลยได้มีโอกาสพบโดสที่จะฉีดได้ครับพระอาจารย์ครับก็อเวนตสองอาทิตย์ใช่ไหมสามอาทิตย์ครับผมสามอาทิตย์ครับอาจารย์ครับ อ๋อไม่มีอาการแพ้อะไรไม่ไม่มีเลยครับก็คือมีมีเจ็บแขนนิดหน่อยครับเจ็บแขนก็ทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองก็พอๆกันครับแต่เห็นปริญาผมบอกว่าเข็มสองเขจะจะแพ้หนักหน่อยต้องเป็นไข้กันเนี้ยลูกๆ ก, ก็เหมือนกันครับเป็นไข้วันนี้มีอะไรจะถามไหมเออมีข้อสงสัยนิดนึงครับอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ครับแต่ว่าสงสัยว่า เอออย่างอย่างอย่างคนที่สําเร็จอย่างเป็นพระโสดาบันแล้วครับพระอาจารย์ครับเออกรรมที่ที่เขาเคยทํามาเนี่ยก็ก็กยังต้องชดใช้กรรมอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับยกเว้นกรรมที่จะพาให้ไปอบายนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปนะพระโสดาบันนี้จะไม่ไปเกิดในอบายอ๋อครับแต่ยังจะกรรมมาเกิดในในโลกของมนุษย์ในนอกของเทวดาถถ้ายังไม่บรรลุขั้นที่สูงกว่าก็ต้อง ยังติดอยู่เดกเจ็ดพบได้กันครับแต่ถ้าเป็นอรหันก็เหมือนกดรีเซ็ตแล้วก็ทุกอย่างจบดไม่ไม่ไม่กลับมาง่ายๆแต่ถ้าทั้งสามพบนะครับครับก็วันนี้มีมีเท่านี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณหมอสุทธัศเนชย์ประทุมธานีหมอสัตวแพทย์ละมัสงศัรดิ์ อ่าทำลูกสาวชื่ออะไรฮนะทองฟ้ า, าค่ะอา่ามีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีเจ้าค่ะเข้ามากราบอาจารย์แล้วก็เข้ามารับฟังเจ้าค่ะไปที่คุณคุณคุณมินคุณมินใช่คุณมินนะคุณมินมนะคำนวัส ก, การคับพระอาจารย์วันนี้เร็วมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ โอ okay. เคอย่าดูดูไม่ทันเลยที่คุณเข้ามาเวลเย็นเย็นนอนะโอเคค่ะ okay. ก็เมืม่อเมเมื่อประมาณวันกอ่อนไปกลับค่ะจางนะคะเห็นที่วัด น, น่อยู่มากเลย <c oughs> ถ้าลองลองมาอยู่ก็ได้นะครับมีที่พักใหอยู่ได้เข้ามาเจ็ดคืนค่ะเราไม่ถามมาแล้วค่ะว่า <c oughs> ไปพักได้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคทีนี้อยากถามพระอาจารย์ค่ะว่าเหมือนแบบอสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนแบบวาชอบทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วมันเหมือนคลุ้งซ่านอะไรเไงี้ยค่ะ อ, อันนี้เราจะแก้ย่งไรดีคะคือต้องบอกเขาให้มันทำอะไรทีละอย่าททีละอย่า ง, ททยยางมั น, ม, นมันเพราะว่าเราเหมือนเราโลภหมครับพระอาจารย์เราอยากทําเอ่าใช่แล้วมันอยู่ในสังคมของคนโลมแล้วเพราว่า สอนให้เราทําอะไรอย่างนี้เราก็เลย mm hmm. ติดนิสัยเข้ามาที่ถ้าเราต้องการให้ใจเรามัน่นคงไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องเอาทีละอย่างอืม mm hmm. ค่ะพระอาจารย์เราก็หนูอยากถามว่าอย่างแบบเวลาที่แบบคนเวลาที่เขาบอกว่าเขาแบบบรรลุธรรมแบบเหมือนสมมติว่าอบรรลุเป็นขั้นนั้นขั้นนี้อะไรอย่างนี mm ้ค่ะบอกว่าเวลาที่เขาบรรลุนี่มันเป็น ภาวะยังไงแล้วคะเหมือนแบบว่าภาวะเหมือนคนที่หายจากไข้เป็นโรคเป็นไข้แล้วก็พอได้กินยาเข้าไปแล้วครับอาการไข้หายไปมันจะเห็นความตกต่างแต่ น, น, นี่มันเป็นทางร่างกายที่ที่พูดนี่เป็อของทางใจก็เหมือนกับทางร่างกายใจเราจะต้องทุกข์ต้องเครียดกับเรื่องนใดเรื่องหนึ่งแล้วพอดีเราเห็นปั้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราไปยึดไปติดที่ทาให้เราทุกข์นั้น มันเป็นสิ่งที่มันเราไปทําอะไรไม่ได้เช่นร่างกายของเราเนี้ยสมมุติว่าถ้าหมอบอกว่าสมมุว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาอย่างเงี้ยใจของเราก็ต้องเครียดขึ้นมาใช่ไหมนี่นาแต่ท่านหนึ่งพิจารณาว่าให้ร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะเป็นมะเร็งห้ามไม่ได้ถ้าเราอยอมรับความจริว่าห้ามไม่ได้มันจะเป็นก็ต้องให้มันเป็นไปใจเราก็หายเครียดหายทุกข์ได้นะ การบรรลุธรรมบรรลุแบบเนี้ยต้องมีความทุกข์เข้ามาก่อนแล้วกใช้ปัญญาดับความทุกข์ด้วยการไปเห็นต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นเราก็ทุกขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกว่าเอา้าวมันจะเป็นยงไงก็เป็นไปเมื่อไปมีอยากมันยอมรับความจริงก็ใจก็จะไม่ทุกข์ ก็คือเหมือนเราไม่จะมันไม่ใช่ว่าเหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิแล้วเราแบบว่าบรรลุใช่ไหมคะอาจารเหมือนกับมันเป็นภาวะแบบเข้าใจเวลานัเจ็บเวลานั่งเจ็บมันก็เป็นภาวะที่เราสามารถที่จะอปล่อยมันได้ปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าใจเราไม่ประหยัดรูปไม่ไปอยากให้มันหายใจเราก็จะไม่ถูกได้อืมค่ะอาจารย์โอเคเราจะเห็นนะว่า ความทุกของเราเกิดขึ้นแนละ้วพาเราใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาใช้อุโทโธหรือใช้ปัญญาว่ามันเป็นตายรับนี้แล้วหยุดความอยากที่จะไปจัดการกับเขาได้ใจของเราก็จะหายทุกข์ขึ้นมา mm hmm. มันจะเห็นมันจะรู้มันจะรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่ทุกขกับเรื่องนี้นะต่อไปนี้ mm hmm. เราเป็นบัลลังเราก็ไม่ทุกขนะ์แล้วว่าเรายอมนับ ไปนก็เป็นตายก็ตายมันก็จะหายทุกข์ได้อืมค่ะอาจารย์หนูไปวัดแล้วหนูรู้สึกว่าบวชนี่มันดีมากเลยนะคะพระอาจารย์บวชบวชก็บวได้นะคะบวชก็บวชได้นะคะดนูมาบวชก็บวชบวชที่หมอที่หนูบอกว่าดีอะอะไรคือดีบวชก็บวชบวชค่ะอาจารย์บวชนะบวชชีบวชพระเนี่ยนะ คือเหมือนแบบแว่าเพราะพระเจ้าไมาอยากบวชเลยหนูแค่คิดว่าหนูนั่งหาอะไรอยูก็ไม่รู้เหมือนว่าสมมุติว่าทํางานต้องผ่อนบ้านแต่ว่าไปอยู่บ้านี่ใหญ่กว่าบ้านอีกแล้วก <laughs> ็เรื่องห า, าข้าวกิ่า้วยได้ตัอะไรก็ฟรีหมดแต่ต้องขยันปฏิบัติต้องขยันทําทําหน้าที่ของเราของหน้าบวชค่ะพระอาจารย์ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่รู้เราเรามาอยู่ตรงนี้ทําไม ควาโมโง่ไงควาโมโง่ไงควาโมาโง่มาหลอกให้เราหาทรัพย์สมบัติเช้าของเงินทองแล้วคิดว่าจะมีความสุขเนี่ยนั่นมันสุขก<ช>ับแบบมันมุ่นวายเลยมั้ยหนูว่ามันเหมือนบ้านเราก็เล็กกว่าวัดอีกแล้วก็ <c oughs> อยู่วัดแล้วก็ไม่เห็นต้องไปวิ่งหาเงินแล้วเราก็ปฏิบัติได้อันนี้เราก็เหมือนแบบว่าต้องหาเงินมาซื้อบ้านแล้วก็ก็หาเงินต่อไป แล้วเราก็ไม่ไปไหนสักทีเราก็วนเวียนอยู่เขาบวัวสซิน่าขบวนเลยเรียกเขาอาจารย์แต่ว่ามันก็แบบยังมีอะไรที่เรายังแบบว่าแต่ยัง่ได้ยังตัดไม่ได้จริ ง, รงๆก็ไม่ได้มีใครมายุ่งกับเรานะครับอาจารย์แต่มันเหมือนแบบว่าเราแบบติดความสุขสบายติดความเป็นอิสระจะทําอะไรก็ได้จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เหมือนเหมือนหนูติดว่าแบบหนู ตั้งเป้าหมายทางโลกไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนแบบไม่งั้นเราจะผิดความาหมายกันถ้าเราเดิมเจอเป้าหมายที่ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายได้อืมเพราะหนูไปตั้งเป้าหมายกับการทํางานไว้แล้วแบบอยู่มันยังไม่ถึงแล้วแต่หนูก็รู้สึกว่ามันก็ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องแบบก็ต้องบวชอยู่ดีมันไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยคนะ่ะ เวลายังศึกษาไปปฏิบัติไปเนี่ยมันถึงเวลามันสุกงอมันก็ตัดสินใจได้ตอนนี้มันมเริ่มเห็นมันเริ่มเห็นทางละใครอาจจะไปไม่ถึงขั้นที่จะตัดสินใจอืมค่ะอาจารย์ก็คือต้องสะสมต่อไปอและเดี๋ยวจะได้ตัดสินใจอปฏิบัติต่อไปจเจริญสตินั่งสมาธิให้มากแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วมันก็ไปได้อืมค่ะอาจารย์โอเคค่ะ ท่านี้นะคุณสุวัสดิจาก d ด l l a s t ็ x a s ตเชิญตามนรมศการแพทย์การเจ้าค่ะมีอความีคำถามห่ะเมื่อกี้เพิ่งคุยกันค่ะท่านบอกว่ามีแต่ว่าลืมไปแล้วลืมโจทย์แล้วก็หลุดไปเลย <c oughs> แล้วเขาบอกว่ายัางนึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าว่าจะถามอะไรแล้วก็ลืมโจทย์เลยหลุดไปเลยแล้วคะ่ะ แต่ว่าจากการสนทนากันเนี่ยก็เลยลูกคิดว่า เ, าเดี๋ยวส่งลิงก์ใหคุณพ่อคุณพ่อจะได้ไประโยชน์ตรงนี้คืออขอความเมตตาพระอาจารย์สอนวิธีการนั่งสมาธิก็ค่ะอย่างาง่าย ง, ง่ายก็นัง่งสบายๆถ้านั่งกัดสมาธิก็ได้ก็นั่งเข่าอีก็ได้นั่งทาตัวให้ตรงแล้วก็จะดูงลงหมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วจะทํางพุทโธพุทโธไปก็ได้ก็มีท่าเนี้วิธีนั่งมันไม่มียุ่งยากอะไร เพราะสำคัญเวลาทำมันจะทําไม่ได้มันไม่ยอมอยู่กับพุทโธไม่ยอมอยู่กับลมมันจะไปคิดเร่นั้นเรื่องนี้เ่ น, นั้นเองก็ต้องเดี๋มันกลับมาถ้ามันมาอยู่กับลมถ้ามันอยู่กับพุทโธถ้าดูลมถ้าดูลมก็ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็ดูก็ลังหายใจออกเท่ออนี้เองอย่าคิดอย่าคิดเรื่องราวต่างๆ เราคอยดึงดึงกลับมาใช่ถ้าถ้าไม่ไม่ดูเรกไม่ใช่พุทโธท้าพุทโธไปภายในใจพุทโธพุทโธพุทโธให้อยู่กับพุทโธไปอยาให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่นี้อย่างง่ายะก็นั่งไปเรื่อยแล้วถ้าประมาณสิบสิบสิบห้านาทีก็ก็ก็ถือว่ากําลังเริ่มต้นก็ถือว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปกําหนดเวลาบางทีถ้าสติมันดีมันาจะนั่งได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้อือ เราอย่าไปเราอย่าไปจำจัดความสามารถของเราแล้วเราอย่าไปจํากัดความสามารถของเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติกก็คือให้ไปไปเรื่อยๆดีกว่า <นะ S 1> ไปเร <ๆ S 1> ื่อยๆให้ดูให้ให้ดูลมไปเรื่อยๆหรพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเป็นถ้ามันติดลมเหมือนเมาติดลมมันก็อยู่ได้นานอถ้ามันถ้ามันไม่ติดเดี๋ยวมันก็มันก็เลิกเลยเพมันชนนั่งต่อไปไม่ได้มันจะเริ่มลาคาญอะไรขึ้นมา แต่ถ้านั่งแล้วมีความสบมันก็จะนั่งไนนานเจ้าค่ะก็คงมีเท่านี้เจ้าค่ะวันนี้เดี๋ยวจะได้ส่งลิงก์ไปให้เดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้คุณพ่อก่อนลูกเราเราไปด้วยกันใช่ดีเป็นาสตร์ธรรมนิกะเป็นธรรมธรรมกาลนานิ ก่อนเข้าซูมต้องโทรหาท่านถามท่านก่อนเป็นยังไงบ้างอะไรมีคําถามไหมเนาะค่ะวันนี้ก็คงมีเท่านี้เจ้าค่ะพาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะกลับขอบคุณมากค่ะคุณปุ้ยคุณปุ้ยคุณปุ้ยปุ้ยพรสิริพรสิอยู่รักเซมเบิร์กที่แ็กเข้ามาแว้บหนึ่งนะไปแล้วยังไม่เข้ามานั่นนี้ไปที่คําถามทางเฟซบุ๊กก่อนแล้วกัน เฟซบุ๊กมีคำถามไหมเวลามีทั้งหมดสิบเอ็ดคำถามจากทาง a ฟ e b o o k แล้วก็ YouTube พระอาจารย์แล้วก็ YouTube ของดเรวเจ้าค่ะอ่าเชร์ถามได้เลย <c oughs> คำถามแรกจากคุณสุขทุกอยู่ที่ใจลูกสาวอายุประมาณสิบห้าถึงสิบหกปีไม่สนใจเรียนเลยออกจากบ้านเกือบทุกวันไม่ได้ขออนุญาต บางครั้งเพียงบอกให้รู้ว่ากล่าวไม่ได้เพราะเกรงอารมณ์ของเขาเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรารู้สึกกรุ่มทุกครั้งที่ทุกวันเขาออกจากบ้านไปแบบนี้เราควรจะวางใจหรือทำอย่างไรไม่ให้ทุกใจได้ครับกล่าบพระอาจารย์ครับก็ถ้าเราควบคุมมาครับเัาไม่ไดก็ต้องกต้องยอมยอมปล่อยเขาไปตามเรื่อตามเรื่อตามบุตรตามกรร ม, ม, ม, ม ข, อของเขาแล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณแพมมี่ขออนุญาตขอคำแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งแล้วเห็นรูปนามแยกขันห้าได้ถูกต้องไหมคะหรือสติหลุด ต, ต้องทํากันต้องทําอย่างไรและแก้ไขอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะมันไม่ถูกต้องหรอเวลานั่งไม่มให้แยกขันไม่ให้ทําอะไรนะั้นให้ทําใจให้นิ่งไม่สงบและนั่งสมาธิเราไม่ต้องการเจริดปัญญาไม่ต้องการแยกนามรูปหรืออะไรทไรั้งหลาย ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปเพียง อ, อย่างเดียวให้จิตรวมเข้าสู่ควาสมสงบแล้วก็นิ่งอยู่ดานๆอันนี้ท่านต่อยางการนั่งสมาธิโดยการแยกรูปดามนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ออกจากสมาธิมาก็มาแยกไนดะ้ยคำถามต่อไปจากคุณสุรศักน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์หากยังไม่ได้สมาธิแต่เห็นความอยากในใจ เกิดขึ้นในแต่ละครั้งละครั้งเช่นการกินอาหารที่อร่อยถูกปากก็มากินอาหารที่ไม่ถูกปากเพื่อดัดกิเลสคือใช้หลักบังคับจิตไม่ให้ทำตามความอยากหรืออยากจะไปสถานที่ที่ชอบก็ใช้เหตุผลบอกกับตัวเองว่าไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ไปอย่างนี้ถูกไหมครับขอกราบพระอาจารย์เมตตาแนะนาครับก็ถูกในระดับหนึ่ง ถ้าจะถูกเตือต่มที่ต้องเห็นว่าการไปที่ต่างๆนี้มันจะทําให้เราติดแล้วเวลาครั้งต่อไปเวลาถ้าเราอยากจะไปแล้วไม่เลดนไปมันจะทําให้เราทุกข์มันจะเป็นเหมือนยาเสพติดให้ลองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่เราไปติดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีเราก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์คิดอย่างนี้ คำถามต่อไปจากคุณอูอ๋กาเบนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาทํางานแล้วมีความอยากลูกรู้สึกหมุดหมิดจากการที่จะไม่มีความอยากเป็นเพราะลูกขาดสติหยุดความคิดไม่ทันจึงเกิดอารมณ์ใช่ไหมคะใช่ถ <The> kind of ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธท่อพุทโธพุทโธไปคำถามต่อไปจากคุณทาทาจะขอแบ่งเป็นสองคำถามค่ะ กลับถามพระอาจารย์ค่ะเคยได้ยินว่าเรื่องบังเอิญนั้นไม่มีจริงการที่เรามาเกิดเป็นลูกคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้เป็นแม่ของคนโน้นคือการมีกรรมต่อกันจึงได้เจอกันในชาตินี้ใช่ไหมคะก็ไม่แน่นอนเสมอไปมันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยเรื่องของเหตุของผลมากกว่าทําอย่างนี้ก็จะได้อย่างนั้นทําอย่างนั้นก็จะได้อย่างโน้น เป็น่อยุ่งโซ่มันทำต่อมันไปเป็นเหตุคำถามที่สองบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มาเป็นคนในครอบครัวเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่คะกลับนมัการคะ่ะก็เป็นไปได้ชาติก่อนแล้วเคยเป็นคู่อะไรกันมา ก, ก็ได้ชาตินี้ก็มามาเกิดในครอบครัวเดียวกันค่ะก็มีคำถามต่อไปจากคุณบาบา การเกิดทุกขเวทนาในขณะเจริญพระกรรมฐานคือยังมีอุปทานอยู่หรือเห็นไปตามความจริงว่าธาตุแปรปรวนไม่ใช่ตัวตนสาธุก็ทุกขเวทนามันต้องเกิดมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องเกิดมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสร้งให้มันไม่เกิดไม่ได้นม้แต่พระพุทธเจ้าก็าต้องเจอทุกขเวทนาบ้าธลรมก็ต้องเจอทุกขเวทนาเป็นแต่ว่าใจท่านเป็นปทุกขกับมัน ใจท่านอยู่กับมันได้ใจท่านไม่มีความรังเกียจไม่มีความอยากให้มันหายคําถามต่อไปจากคุณวัชรากราบนมรส ก, การพระอาจารย์ด้วยความศรัทธายิ่งครับประมาณสิบปีที่ผ่านมากระผมเจอเหตุการณ์ที่เป็นนิมิตที่แปลกมากครับคือในช่วงเวลาใกล้ๆ้สว่างกระผมมีความรู้สึกว่าได้ท่องบทสวดมนต์เป็นบทสวด ที่กระผมเองรู้สึกท่องได้อย่างคล่องแคล่วมากและปฏิปะตะสวดอย่างมีความสุขจนไม่อยากหยุดสวดยิ่งสวดยิ่งมีความสุขจนรู้สึกมีเสียงมาล ก, กวนแล้วจึงสะดุ้งตื่นรู้สึกเสียดายและอยากให้อาการแบบนี้กลับมาอีกครั้งและอยู่ติดตัวไปในขณะหลับทุกครั้งครับอยากถามพระอาจารย์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตร หรือเป็นปรามาตัตดที่ติดตัวมากับเราในชาติอดีตหรือเปล่าครับกราบนมัสการครับมันก็เป็นผลอ่ะเป็นผลของของการกระทําในอดีตในอดีตเราเคยอาจจะสวดมนต์มาบ้างมันก็เลยโผลขึ้นมาในเวลาที่เรารับได้ถ้าเราจะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกก็เวลาเป็นขึ้นมาก็สวดต่อได้ทำไมไม่สวดต่อ้ คำถามต่อไปจากคุณศูนย์หนึ่งซีซพุทธบริษัทสนะี่นตอนนี้ประเทศไทยเราไม่มีพิษุนี้แล้วใช่ไหมครับก็ไม่มีพิษุนีแต่เราก็มีมีแม่ชีแทนก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ถือห้าวินัยไม่ได้ไถือสินสามรอยสิบกว่าข้อเพียงแต่ถือศิลแปดสินสิบก็เหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณศรีวิไลกาเบลนถามค่ะกรณีเขามีปัญหานั่งสมาธิขัดสมาธิไม่ได้เราจะทําอย่างไรดีคะก็นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเก้าีแต่นั่งห้อยถามนั่งขอบเตียงก็ได้นั่งเก้าี่ก็ได้หรือเดินเดินจยปพรมก็ได้คำถามต่อไปจากคุณเหลือจากตายจึงได้ทํา นมกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์วันนี้ได้ร่วมสนทนาธรรมในเพจธรรมะมีธรรมมีญาติธรรมได้ถามว่าการปฏิบัติธรรมสามารถหยุดความคิดและอยู่กับความว่างโดยไม่มีความคิดได้ไหมครับได้แต่ได้เป็นครั้งับมิฉะนังนยู่ความคิดตลอดเวลามันคงจะไม่ได้ ก็หยุดได้เป็นพักๆหรือหยุดจะหยุดความคิดที่สร้างความทุกข์ให้เราได้ถ้าเป็นความทุกข์ที่ไม่สร้างความความทุกข์เราก็ปล่อยคิดไปก็ได้มีคำถามเพิ่มเข้ามาอีกสามคำถามเจ้าค่ะคำถามจากคุณอรนิชากรพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูเคยอธิษฐานไว้ว่าถ้าหนูมีร้านกาแฟเล็กๆ และถ้าหากมีพระคุณเจ้ามาที่ร้านหนูและลูกจะถวายเครื่องดื่มทุกครั้งรวมถึงคนไร้บ้านด้วยเจ้าค่ะตอนนี้หนูมีร้านกาแฟเล็กๆแล้วหนูและลูกก็ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้ทุกครั้งเจ้าค่ะถ้าเป็นคนไร้บ้านหนูจะมีอาหารและเครื่องดื่มพร้อมเงินเล็กน้อยให้ทุกครั้งเจ้าค่ะทำแบบนี้หนูและลูกจะได้บุญด้วยไหมเจ้าคะ หนูและลูกไปทำบุญที่วัดบ่อยครั้งเช่นกันเจ้าค่ะขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ก็การให้นี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้กับพระถึงจะได้บุญอย่างเดียวให้กับใครก็ได้ให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ได้ถ้าอยากจะให้เขาเช่นซื้อของฝันให้กับเพื่อนมันเกิดอย่างเงี้ยมันก็ได้บุญเหมือนกันไม่ว่าเป็นการให้เปนการเป็นทาน คำถามต่อไปจากคุณไกลพิษถ้านั่งสมาธิจน จ, นจิตเรารวมแสดงว่าเราได้บุญเราจะอุทิศบุญให้คุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วได้ใช่ไหมครับและเคยได้ยินว่าบุญแบบนี้มากกว่าทำทานด้วยใช่ไหมครับใช่บุญนี้มันคือเป็นความสุขไบุญนีความสุขแต่ระดับบุญที่ไดจากการทำทานก็เป็นความสุขระดับนึง มุลที่ได้จากการนั่งสมาธิมันก็ได้ความสุขมากกว่ามูลที่ไดจากการทําทานถ้าทําได้จริงๆก็เข้าทิ้งได้ถ้าเป็นความสุขจริงๆก็มันเข้าทิ้งได้แต่ยาคนนอบจะอยู่บนอนนับหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องคำถามสุดท้ายตอนนี้จากคุณโจ๊กเกอร์ค่ะกราบเลนถามพระอาจารย์ครับการภาวนาพุโทโธเราขมุบขมิดปากไปเรื่อยๆ เหลือเพียงหรือจะเพียงนึกพุโทโธในใจเฉยๆเท่านั้นครับขออ่านใจจดเมตตาอ่านนึาากในใจถ้าเราตอนต้นถ้ายังนึกในใจไม่ออกก็อาจจะพึ่งพามีพึ่งพามันก่อนไม่ได้ขมุกขมิ่งออกเสียงเบาๆไปก่อนไมได้แล้วพอพอสามารถที่จะนึกไปในใจได้ก็ก็หยุาปากไปตอนนี้คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ okay. ถาครก่อนนี้คุณคุณจรินท์ท่านบคุณจิ๊บคุณจลินท์ทานเข้ามาก่อนนะน่อยนะจรทานก่อนนะนวสักการ์ค่ะคุณจิ๊บเพิ่งจะแท็กมาหาเองค่ะบอกว่าพระอาจารย์จะเสร็จแล้วหรอค่ะกับน้าักการ์พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเวลาที่ปฏิบัติแล้วเอ่อเอ่อมันจิตมันไม่ไม่ได้รวมเป็นเอกกัคคตา น, นะคะแต่ว่าการที่จิตไม่รวมแต่เรานั่งไปเรื่อยๆนี่มันมีอนิสงส์ไหมคะ ก็มีก็อย่างนั้นก็อยู่เฉยๆไม่ไปสร้างเงิสร้างกรรมอะไรกันไม่ไปสร้างทับเลยคือก็อย่างนั้นก็กันกิเลสไม่ให้มันทำอะไรมันเป็นอืมันเป็นกุบายที่ทำให้เรเกิดฉันทาวิริยะอะไรด้วยไหมคะมันก็มันก็มีส่วนว่าเรากําลังเดินทางแต่เรายังไม่ไปไม่ถึงถึงจุดหมายปลายทางแล้วนีอถ้าเราไม่เดินทางเราก็นี้ไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง แต่ถ้าเราทํำนี้ไปเนี่ยวันวันใดวันหนึ่งถ้าสติเรามั่นคงมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางของมันเองอืมก็ยังง่ายกว่าคนที่เขาไม่ทําเลยแล้วเขาคิดว่าเขาปฏิบัติแต่ชาติแล้วมีแล้วมาถึงนั่งเลยก็รวมยังยงน้อยเราเพิ่มเหมือนถ้กินข้าวกินยังไม่อิ่กินยังไม่ถึงจุดอิ่แต่กําลังกินอยู่อืมค่ะดีกว่าคนที่ไม่กินเลยใช่ไหมคนที่กําลังกินอยู่แต่ไม่อิ่มคนที่ไม่กินเลยใครยังดีกว่านั้น ออืข่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ยังมีคําถามเท่านี้ค่ะเข้าขมากราบพระอาจารย์ะะค่ะครับจ้าทูนจิมได้ยินไหมจิมได้งานใหม่นะอยู่ที่ทํางานใหม่นะจิมได้ยินไหมจิมกำลังเดินอยู่ไม่ใช่คงไม่ได้ยินมั้งอาจได้ยินเนี่ยไปใหม่ได้ไหมอ่า ได้ยินไหมเจ้าคะได้ละคุณลาใส่ชุดชุดใายชุดทํางานอะไรเนี่ยคะเนาะมันชุดธรรมดาเนี่ยชุดชุดชุดงานไว้มีเจ้าค่ะพาาระอาจารย์กรับน้ำมันสการค่ะโยมตงใจเอ๊ะเขาเดินไปรอเอินขึ้นมาอ้าวคุณลาถามคำถามแล้วนึกว่าอ้าวทำไมวันนี้จบเร็วก็คนถามน้อยคนใหญ่คนใหญไม่ได้ถามกันเลย อ๋อค่ะโยมก็โยมก็จะมาถามพระอาจารย์ว่าวโลกุตตะลานี่คืออะไรอะ่ะคะพระอาจารย์การเหนือโลกไงทมัน ม, มีสองระดับระดับโนกียะกับระดับระดับโลกุตะละโลกยะ ก, ก็ระดับของโลกเราเนี่ยที่ยังติดอยู่กับ่ากยุทธสารแสงสุกอยู่ส่ว น, นโลกุตตะก็เป็นธรรมระดับโสดามันสกีนาคาเมนาคามีอะไ น, นี่เรียกว่าโลกุตตะลั อ๋อเป็นแบบนั้นไปโหโหยมยาวไกลกว่าจะได้ถึงขั้ยนยังเป็นยังเป็นมนุษย์ยังเป็นเทวดาเป็นพงเป็นสัตว์ในราชาัง อ, อะไรเรื่องโลกียะแต่ถ้าเป็นพระสวนามันเป็นพระอริยบุคคลถ้ถือว่าอยู่ในระดับโลกุตระนะอ ย, อยู่ระดับเหนือโลก ข, ของการได้ตายเกิด ค่ะพระอาจารย์โยมก็ตั้งพยายามปฏิบัติค่ะก็เพราะระหว่างนี้ยุ่งกับงานบ้างบางทีแล้วก็เลยแบบแด้แต่สวดมนต์แล้วก็พยายามนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีก็นั่งสะสมไปเรื่อยๆก็ดีกว่าไม่นั่งเยมื่อไหร่จะได้หนึ่งช็อตอก็พยายามทําไปเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำไปเหมือนคนนี่ยกาทํางานบ้างตอนไหนก็หลบเป็นนั่งต่อเลยไม่ต้องรอจับไปบ้าง หรือที่ทานกนั่งได้ั้งมีห้องของเราไม่มีห้องเกาไปนั่งในห้องน้ําก็ได้ถ้าไม่เราไม่หลับตาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลายอมทํางานโยมก็จะคิดพุดโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ดีล่ะถ้าทำงาน้วต้งองหยู่ห้องงานไม่ดีแบบเนี้ยเดี๋ยวอยู่กับพุทโธเนี้ยทํางานจะผิดพลาดได้อ๋อก็คือก็คือถ้าเวลาทํางานเราก็ใช้วิจาริญสติด้วยการโฟกัสกับงานที่เราทําเออใช่ถครับ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่เวลาขับรถก็โฟกัสอยู่งานขับแล้วไม่ใช่พูดโทรศัพท์แล้วก็ไม่ไม่ดูถนนไม่ดูรถไม่ได้อ๋อคือทําควบคู่กันมันจะไม่ได้ทั้งสองอย่างมันมันมันถือว่าก็ใหามันเอาสิ่งที่มันจับเป็นก่อนอันใดมันจําเป็นก็อยู่กับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ให้อยู่กับการขับรถค่ะ อย่างนี้สมมติถ้าเวลายมว่างๆยมมานั่งเนี่ยถ้าห้านาทีสิบนาทีหลังจนพักเที่ยงอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ดีดีทำได้บ่อยๆ ย, ยดีกว่าเราให้กลับไปที่บ้านก่อนได้ทันแล้วค่ะแต่เราต้องหลับตามไหมคะหรือว่าแบบนั่งแบบลืมตามก็ได้ค่ะก็แล้วแต่เราถ้าเรายังหลับตามไม่ได้ก็ลืมตามไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหล<ช>ับตาได้มันก็จะสบายกว่าค่ะค่ะ ก็ไม่มีอะไรจังค่ะวันนี้ได้ได้คุยกับพระอาจาย์สักทีวันนั้นยมเข้ามาแล้วว<ม>่าเขาไ ม, านนะม่ยมไม่ทานยมเพิ่งเริ่มงานอาทิตย์ที่แล้วค่ะพอเขายมเข้ามาเสร็จปุ๊บพระอาจารย์คุย<ม>คุยกับท่านอื่นอยู่แล้วพอดีเจ้า น, นี่เพื่อนอีกคนหนึ่งเขามาเรียกไปเทนงานเนี่ยว่าโอ้อจะขอออกก่อนเลยฝากคุณหลาไว้ว่าขอออกไปก่อนลา ง, งานใหม่ดีว่างานเก่าไหมก็พอพอกันนะคะก็ดีคนละแบบ ได้เงินเยอะขึ้นมาก็เป็นถือว่าเป็นงานประจําอันเก่าเป็นงานพาร์ทไทม์แต่งานใหม่เป็นงานประจําก็มันคงหน่อยนะมันคงกว่างานครับใช่ค่ะก็มั่นคงกว่าก็ก็ทําให้เราเบาใจขึ้นไประดับหนึ่งค่ะโอเคก็พยายามทำให้ดีชั่วชั่วฝีเมือเขาเขจะได้ยินดีจ้างเราไป็นนาน ใช่ค่ะพระอาจารย์ยงก็แบบพอพอได้งานนี้อ้ามีงานอีกงานหนึ่งมาเสนอให้แต่แบบต้องไปเด็กเขาไปแบบอยากแต่งอ่างของล่างลดการอย่าร่ำมากอย่าร่ำหายนะเราให้สัจจะไปแล้วที่ตรงนี้ยงก็เลยรู้ว่ามันไม่ดีถ้าเราแบบสมมติทําแบบสองอาทิตย์เราออกก็เออให้สัจจะตรงนี้แล้วก็เราก็ทําตรงนี้ดีกว่าใช่ทำไ้เถอดมันก็พอพๆกันนะน่ะ ใช่เจ้าค่ะใช่ค่ะและจะรักสุขภาพด้วยนะคะาารับุกท่นมาสการะถูเจ้าค่ะมีใครที่เข้ามายังไม่ได้พู ด, ด, ด, ดครับนชิดใช่ไหชิดครับชิดครับครับกราบน้ำสกการครับเข้ามาร่วมรับฟังครับเรารัฟังนอยากต้วันเลยทานผู้จัดรับแนต้วันครับใต้วันอ ครับรวมกับพระอาจารย์ครับอาจารย์ธาตุขันนะครับโอเคครับทุกครับผู้ค้าผูามุกหมว่ามาปัดหม่กลาวนามัสการาค่ะอ่าเป็นยังไงโรงเรียนปิดได้ยังโรงเรียนปิดได้ใช่ไหเสร็แล้วครับเียนที่บ้านเรียนที่โรงเรียนอย่างนี้ เรียนที่ทั้งที่อยู่บ้านแล้วก็อยู่โรงเรีย น, นะคะ่ะสลับเลยนะคะสลับค่ะสลับกัน อ, อย่างวันนี้ก็ไปเรียนที่โรงเรีย น, นะคะเนี่ยทั้งหมดเลยหรือ ว, ว่าเฉพาะเราคนเดียวเฉพาะหนูค่ะอเฉพาะหนูนะเราไยังต้องเรียนอยูที่บ้านก่อนนะค่ ะ, คะ ม, มีอะไรไหมวันนี้คิดถึงหลวงตามากก็เลยมา เข้าฟูเอายไปหลายอาทิตย์อย่างนั้นอาทิตย์ที่แล้วเข้าไปได้เข้ามะเอไปทำงานมาค่ะยุ่งมากเลยค่ะกลับบ้านมาก็เที่ยงคืน ก, กว่าไปถ่ายวีดีโอเหรอถ่ายโฆษณาค่ะถ่ายโฆษณาเน ะ, อะโอเคไมตาแต่ค้าเทอมค่ะอ่าดีเก <c oughs> ่งมากหาเงิน่าดนเนะิเดียวว่าเก่งอย่าไปใช้เองนะให้หน้าหมดเลยนะ อย่าล <ensa. S 1> ืมนะมาได้ย <laughs> ินแล้วนะใช่ครับจากสองพันเหลือสองรอยอพอแล้วสองงายก็เหนืวเฟือแล้วใช่ใช่แม่ก็จะเอาไปจ่ายค่าข้าวค่าบ้านให้เราองจีนค่ะเวลาได้เป็นของเราเวลารายจ่ายไม่ใช่เป็นของเราเลยนะเวลาต้องจ่ายค่าน้ํำค่าไฟค่าข้าวนี้แม่จ่ายใช่ไหมแต่กาได้เงินมาที่เป็นของเราหมดเลยใช่ไ้ม ฟังตั้งใจฟังลูกครับ<อ>นะ้ิงก็เลย่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมหั้โห่าต้องเราต้องยอมยอมแล้วว่าเราก็มีรายจ่ายคนะ่าใช้จ่ายเราเราถ้าเรามีกันแล้วก็ต้องช่วยแม่จ่ายไม่ใช่จะเก็บไปให้แม่จ่ายันเดียวอืมคช่ <c oughs> นะ จะได้ได้ทำบุญด้วยได้ทําบุญกับแม่ฮางเอกไงได้แม่เท่ากบเราได้ทำบุญแลเดี๋ยววางบินตอนนี้วางบินอยู่ค่ะเดี๋ยวรอได้รับเราจะทําขอบหลวงตาได้เจ้าค่ะโอเคนะแกจะขอช่วงนี้ช่วงนี้อากงอากงที่บ้านไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยค่ะอากงไ เป็นเวลาเนี่ยช่คนแก่แล้วก็เตรียมเตรียมจองสารานได้นะวายตรงทานไม่ค่อยได้เลยค่ะสงสารนะอากงไม่เมีไรหร อ, อกอากงไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นตัวกขอกงอากงจลริงีเปล่าพูดได้จริงอากงไม่มีวันตายนะมีแต่ร่างกายของอากงที่ตายเข้าใจไหมข้าพูด เหมือนเร่ะร่างกายของเราก็ต้องตายกันทุกคนแต่ตัวเราเราไม่ได้ตาย่กับร่างกายไม่ต้องไปกลัวนะค่ะแค่คิดว่าจะไม่ได้กอดอกงแม่ะอากงดูลูอยาเพิ่งพูดอะไรขอขอให้หลวงตาสุชาติมีอายุยืนยาวเลยหนึ่งรอยี่สิบปีนะขอให้อากงด้วยนะขอให้อากงสาธุ โอเคเอาแล้วนะทักดีก่อนนะค่ะกลับสาธโทรเจ้าค่ะมีใครเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ถามนะคุณเกศนะคุณเกศครัคุณเกศใช่อยากนอนครอลร์ไลนนะนัการคาพาาอาจารย์โยมมีคําถามหนึ่งคำถามเจ้ า, าค่ะอ่าเชิญถามได้เลยช่วงที่โยมนั่งสมาธิเริ่มแรกแล้ว โยมเห็นนิมิตแต่ว่าโยมพิจารณาว่ามันเป็นของที่ว่าหลอกลวงโยมก็เลยลืมตาดูว่านิมิตเนี้ยมันของจริงหรือของปลอมแต่พอโยมยลืมตาขึ้นมาโยมก็ยังเห็นภาพอันนี้เห็นน่ะจ้ะค่ะมันเกิดเพราะเหตุใดเจา้าค่ะ้ามันอยู่ในใจเราเนี่มันไมด้อยู่ที่ข้างนอกถึงแม้ลืมตาแต่ยังอยู่ในใจมันก็ยังเป็นแค่แบบนิมิตที่ว่าเกิดขึ้นตั้งตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเช่นเจียวกัออใช่ แลวเวลานั่งเราไม่ควยไปสนใจมันจะสนใจอยู่กับนมหรืออยู่กับพุโทโธถ้าต้องการได้ใจสงบเจ้าค่ ะ, ยคะโยมมีแค่คำถามแค่นี้เจ้าค่ะอัอนนี้ลูกสาวจำไปบ้านหรืปล่าไม่อยู่คนเดียวอ๋อโยมอยู่คนเดียวเจ้าค่ะอยู่กับเอ็นเจลสองคนเจ้าค่ะหนึ่งควกับหนึ่งตัวหนึ่งคนกับหนึ่งตัวเจ้า ค, ค่ะ เ okay. อเคจะกลับมาบ้านอีกหรือเปล่ากลับมาเมืองไทยอีกหร่ายังยังไม่ทราบแน่เลยเจ้าค่ะเพราะว่าต้องถ้าไปก็คือต้องคนหาคนเลี้ยงดูแองโจ้เจ้าค่ะอเอาไปด้วยไม่ได้ไลําบากเอาไปได้แต่ว่าขาขาขากลับมาอเมริกาไม่ยอมรับไม่ให้เข้าเจ้าค่ะโควิดติงก็ไม่ได้ก็เลยต้องหาคนเลี้ยงก่อน โอเคท่านนี้มีเวลาอยู่บ้างใครอยากจะถามอะไรเชิญถามนาได้ครับอาจารย์ส่ายที่ยกมือครับยกมือเปิดปิดมได้คอาจารย์จ่ายที่บ้างอะไรไม่ได้เอ่อไม่ไม่ได้มีคำถามค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจะขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัคซีนที่พระอาจารย์ถามะค่ะ เ, เรื่องของแอสตราค่ะว่าทําไมถึงไม่ให้เข็มที่สามค่ะพระอาจารย์ เ, เ, เ, เพราะว่าไอตัวของแอสตรานี่มันเป็นโควิดเราเอามาใส่กับพวกไวรัสแล้วก็ฉีดเข้ามาแล้วร่างกายมันจะมีการสร้างภูมิค่ะถ้าฉีดเข็มที่สองเข็มที่สามแล้วร่างกายจะต่อต้านหรือว่าทําลายตัววัคซีนได้มันจะไม่ได้ประสิทธิภาพค่ะ เขาก็เลยก็ไม <mm ่ไม่ควรที่จะฉีดเข็มที่สามค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะคุณคานธีไหนย้อนเ้นัพูดได้เลยเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วมันไม่มีอะไรนิ่งสงบนี้มันก็ดีไงก็ทำงานให้มันนย่งให้มันไม่มีอะไร ครับนานนานนานานครับนิ่งนานนานนี่มันมันเกิดจากอะไรครับกาจากที่อยู่คิดไงเพราจิตอยู่คิดกันนิ่งมันก็ว่าสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในใจเราเกิดจากคามคิดของเแต่ลมหายใจยังหายอยู่ไหมครับก็ดูต่อไปแสดงว่ายังไม่นิ่งเต็มที่ดูลมได้ก็ดูไปใครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนไม่หายใจเลยครับอ เ็ไเป็นไรก็ให้ดูเฉยๆว่าลงมันละเอียดมัครับสาหการสาต ร, าารัเชิญคุณแม่ต่อแมครับอาจารย์ครับจือเริ่มมีคำถามอาจจะไม่ได้ยากคือพอนั่งนานๆเนี่ยมันปวดเมื่อยจริงๆนะครับอาจารย์คือตอนแรกคิดว่ามันมันจิตหลอก แต่มันเมื่อยจริงๆออกมากล้ามเนื้อมันก็ปวดจริงๆแล้วต้องกินยาจริงๆใช่ไหยครับอาจารย์เกิดถ้ามันมันมันยังเป็นต่อไปก็ต้องอาจจะไปหาหมอไปนะเพราะว่าบางทีน้มันอยู่ในท่าคอมันคอมันพับมันก็อาจจะทําให้การอาการเมื่อยคอเป็นมากนะครับเพราะตอนนี้มันเช้าก็ก็วันประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วมันก็เลยเห็นชัดๆว่าอาทิตย์นี้มันมันปวดจริงๆพอกินยาคลายกล้ามเนื้ออะไรมันก็หายตอนแรกคิดว่า เออหรือจิตมันหลอกว่าปวดแต่จริงๆร่างกายมันไม่ได้เป็นอะไรแต่จริงๆร่างกายมันก็เป็นด้วยที่มันเป็นได้ใช่ไหมครับธ้ามนานนานานนาานน้นนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานกานนานนานนานนะนนานนานนานนางนานนาานนานนานนานนะนนานนานนานนานน้วนานนานนานนานนานนาเลยนนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานนานไานนานนานนานนานนานนานานานา ดูแลครับได้ครับได้ครับก็ก็เรื่องปกติใช่ไหมครับพี่จัาได้ปกติรการมันแล้ว่เจ็บเพรามันไปตามตามอากาศตามสภาพครับก็ไม่ไม่ต้องไปฝืนมันมากใช่ไหมครับก็เอามันพอดีพดีหรือก็ร่างกายเราก็ต้องดูแลรักษาไปด้วยเพราะเราต้องใช้มันถ้าเราทำร้ายใช้มันมากเกินไปมันก็อาจจะเป็นอะไรไปก่อนที่ควรจะเป็นแล้วเราก็จะไม่สามารถอาศัยมันทำงานต่อไปได้ ไม่ไม่ต้องไปฝืนทนมันจนแบบนานนทีตอนที่เราต้องการที่จะต้องการที่จะยกระดับจิตของเราก็อาจะต้องทำแต่ไม่ได้ทาตลอดเวลาอ๋อคือถ้าตอนนี้ฝึกแค่สติเฉยๆก็อาจจะอาใส่ความบ่อยมากกว่าใช่ไหมครับใช่คือติวก็ทำแต่เราอยากทําต้องการปล่อยปล่อยต้องการผ่านเวทนาเมื่อยให้มันเจ็บไปแล้วก็ต้องนั่งไปอย่าไปอย่าไปขยับตัว อ๋อก็คือสักอาทิตย์หนึ่งสักวันก็ลุยไปเลยจนกว่ามันจะทะลุไปนั้นเองแ<ล>ต่ไม่ไม่ต้องทุกวันใช่ไม่ต้องทุกวันนะครับอ๋อครับแล้วแต่กําลังของเราอ๋อผมพยายามทุกวันแต่ขึ้นไม่เคยผ่านนะครับมันก็เลยกลายเป็นปวดเป็นเมื่อยครับอังาร้์ก็ต้องพิ้งช่วงไว้ทำให้ร่างกายมันมีโอกาสฟื้นฟูขึ้นมาอ๋อครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับทุกครัคุณเมนดาเมนออาจารย์ หนูอยากถามเรื่องแบบเรื่องของการเหมือนความกระตันยูหรือว่าการตอบแทนคุณนะคะของแบบพ่อแม่อะไรอย่างค่ะอาจารย์ mm. คือหนูรู้สึกว่าเหมือนแบบหนูเหมือนหรือคนไทยเลยะคะ่ะเหมือนถูกปลูกฝังเรื่องนี้เยอะเลยะคะ่ะแต่ว่าเหมือนแบบในต่างประเทศอะไรอย่างค่ะก็ไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้หนูก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่าเออมันมันเป็นเรื่องที่จะต้องทํำไหมคะแต่ว่า่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างไร เขามีบุญคุณกับเราหรือปล่าล่ะใช่ไหมถ้าเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องเราก็เป็นเหมือนเราเป็นหนี้บุญคุณเขาแล้วเรามีโอกาสที่จะตอบแทนเขาได้เราก็ควรจะตอบแทนแต่ส่วนใหญ่เขาจะเขาจะไม่เรียกน้องคนที่เกาเป็นพ่อแม่เ้าก็จะไม่เรียกน้องให้เราไปตอบแทนบุคนแต่จิตสํำนึกของคนที่เป็นคนมีปัญญานี้จะต้องมีความจิตสํำนึกแล้วรู้ว่าใครมีพระคุณกับเรา ถ้าเรามีโอกาสที่จะทดแทนคนให้กับเราได้ในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราแล้วควรที่จะยินดีที่จะตอบแทนเงินของเขาแต่สมัยนี้บางคนเขาไปอ้างว่าพ่อแม่ผลิตเราขึ้นมาเป็นหน้าที่ของเขาที่เองเรียนดูเราไม่ใช่หรอถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ทําหน้าที่ของเขาก็ได้เข า, า, าก็จับเรายัดน้ําไปกระจบใช่ไห ม, มเราเร า, เราถ้าสมมติว่าเหมือนกับว่า เราเราก็ไม่รู้เราจะทดแทนได้หมดไหมเงี้ยค่ะไม่เป็นไรทดแทนได้ไดไทั้งหลาไม่เป็นไรทาไปแล้วนะพระเจ้าบอกว่าจะทดแทนบูลคุณของพ่อแม่ได้หมดยิ่งต้องทําให้ท่านเป็นพระโสดาบันอืมเพราะว่าเหมือนจริงๆเราเหมือนสมมติเราสมมติกลังเราเท่านี้แต่ว่าเหมือนก็ทำเท่าที่เราทําได้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอขอให้ทำก็แล้วกันขอให้มีจิตจำเนืกรู้ผู้มีรู้ว่าใครก็มีผู้มีคุณกับเรา แล้วเรามีกําลังที่จะทําตอบแทนได้เทั้งหลายเราก็ทําไปเท่านั้นเองทําตามกำลังของเราพระอาจารยลคะถ้าสมมติว่าเหมือนแบบว่าพ่อแม่เราเขาเรียกร้องมากกว่าที่เราทําได้นะเราทําไม่ได้แล้วเขาก็เหมือนโกรธเราก็าช่วยไม่ได้ก็ทําได้แค่นี้อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเราเหมือนก็คือต้องเข้าใจว่าก็เราทําได้แค่นี้อ่าที่มันเราทําได้ที่นี้จริงหรือเปล่านั่นอีกประเด็นนะ อืมอ่าจะทําได้มากกว่ น, นี้แต่เราอาจจะอ้างว่าเราทาได้แค่นี้ก็ได้อืมแล้วก็ต้องเราก็ต้องดูดูความจริงหรือว่าเราทําได้มากกว่ น, นี้หรือเปล่าอาจารย์แล้วอย่างสมมติว่าสมมติว่าถ้าเกิดสมมติหนูไปสมมตหิมมตหนูไปบวชเลยแต่หนูก็ไม่ได้ทํางานแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็จะเหมือนเลี้ยงดูไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเลี้ยงดูไปแต่ถ้าถ้าหนูบวชแล้วต่อไปหนูก็ ถ้าพ่อแม่เดือนนั้นหนูก็คงจะมีปัญญาที่จะเลี้ยงดได้แต่ว่าเราไม่มีตังค์ต่อไปก็มีคนมีสัทธรรมว่าถ้าตังค์เราเองถ้าเราบวชไปนานๆอ๋อคือถ้าเราตั้งใจปฏิบัติใช่ตั้อใชจปฏิบตัติต่อไปก็ไม่ลูกศิษย์ลูกหายเยอะแล้วก็เ e ยียดีมาช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่เราถ้าถ้าพ่อแม่เราเป็นอะไรขึ้นมาเข้าใจค่ะอาจารย์ ก็ค <forged. S 2> so ือ no, ถ like, like, ้าเราถ้าถ <laughs> <cl> so ้าเลีงดูไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วกันแต่เลงดูได้เราถ้าเรายังเลี้ยงตัวเราเองได้เราก็เลี้ยงดูพอแม่เราได้สองคนไม่ยังไม่ไม่ไม่เหลือบาปฝ่าแรกอืมเข้าใจค่ะอาจารย์โอเคอไม่ต้องกนงวลถ้าจะไปบวชก็ไปเลยหนูก็แค่หนูแค่กังวลว่าถ้าสมมติไปบวชแล้ว หนูก็ไม่ได้ไม่มีเงินแล้วหนูไม่ได้ไดทํางานแล้วแล้วสมมุติวันหนึ่งพ่อแม่ไม่สบายแล้วแล้วเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ท้อก็มีสามสิบาทรักษาทุกโยคแล้วบัตรทองก็มีม อ, มอ๋อก็คือคื อ, คอจริงๆเหมือนพ่อแม่อาจจะไม่จําเป็นแต่ต้องอยู่แบบโรงพยาบาลดีๆขนาดนั้นไม่จําเป็นเหรอถ้าไม่มีจะจะไม่มีเงิจ่ายเ้าไปอยู่ได้อ๋อก็คือ ต, ตอนตอนสมัยที่พ่อเราป่วยเขาก็แม่ เราก็ไม่มีเงินที่จะส่งเข้าไปอยู่ตรงนนนั้พยบาบาลเอกชนเขามารักษาโงารงพยาบาลรัฐบาลไปอืมแสดงว่าเราไปบวชเอาธรรมะดีกว่าอย่างนี้ไหมคะพระอาจารย์เ ร, <า>เราจะได้ไป ร, ระสบผลได้นนมีคนประโยชน์มากกว่าเงินทองอืมค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะคือหนูว่าเช่ามีความคิดว่าหนูอยากจะแบบรวยแล้วหนูก็จะได้แบบว่าทำสาธารณ แลนัประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันก่อนก็นั่งคิดได้ว่าแบบเออไอทาอย่างเงี้ยมันก็คือได้แค่แบบเป็นทานไม่ได้ไปถึงแบบมันก็เป็นเหมือนบุญแค่แบบส<ด>ิบาทบุญทำทานแล้วเองไ ม, ไม่ไม่ได้ไปถึงนิพพานนี่ไปนิพพานก็ทำไปบวชไปปฏิบัติก็คือถึงจะทําแบบเยอะสมมติเงินเยอะแล้วก็ทำ เ, เยอะขนาดไหนก็ก็ได้แค่อสอนชั้นเทพเท่านั้นอ๋อ ค่ะอาจารย์ก็คือแบบก็มันก็ไม่ได้ได้อะไรขนาดนั้นอยังต้องกลับมา<ต>เราียนใ่ายได้เกิดต่อไปแล้วสมมติอันนี้อีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์สมมติถ้าเราแบบสมมติเราตายไปแล้วเราไปเป็นพุมแล้วเราจะกําหนดให้เรามาเกิดแล้วมาปฏิบัติธรรมต่อได้ไหมคะหรือว่ามันจะต้องอยู่จนกระทั่งหมดก็หมดวารางของมันแล้วมันก็จะกลับมาเกิดเป็นเทพแล้วก็เป็นมนุษย์จางระดับต่อไป ก็คือถ้าเกิดเราไม่ไปนิพานเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาอยู่ตรงนั้นอีกนานใช่ไหมใช่มันยังมัน ก, มนก็มันก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นไปาตามตามกาลังของของบุญที่เราทําไว้อืมแต่แล้วแต่มันก็สุกอะมันสุแบบแนกแสนจะสุกอะมันเห็นไหมว่ามันไม่สุขแบบทาววอนมือแบบแบบนนิพานนั่นเองมันจะต้องเสื่อมมันต้องมีวันหมดเท่านั้นเองแต่เป็นพร้อมนี่นะถือว่ามีความสุขอย่างยิ่ง ออื mm hmm. แต่มันก็ต้องเสื่อมหมดไปแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มปแล้วต้องมาทุกกับความแก่บความเจ็ข์ความตายใหม mm ่ hmm. แล้วสมมติถ้าเราปฏิบัติสมมติจบที่โสดาบันแล้วอย่างชาติหน้าเราจะมาเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงคร่ะอาจารย์อพอเป็นโสนดาบันแล้วมันก็เป็นเราจุดไฟจุดไฟเท่า กอนขยะเนี่ยแล้วจุดเมื่จุดเดียวแล้วเดี๋ยวไฟมันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆตามที่มีเชื้ออยู่ตรงนั้นมันจะไหม้ไปมาเป็นนโซดามานแล้วเนี่ยมันก็จะปฏิบัติไล่หากิเลสฆ่ากิเลสต่อไปยัก็นั่งหมกเนี่ยจนแต่เราจะจับได้เหรอคระอาจารย์ที่เราเราเกิดอ๋อมันไม่ต้องจับหรอกมันมันรู้มันมันมันเป็นความรู้เป็นปัญญาที่ไม่หลงไม่เลือนรุ่งอริยสัจสี่นึกว่าทุกเกิดจากกิเลส ถ้าต้องการดับความทุกก็ทําค่ากิเลสให้ตายเพรพอมีกิเลสโผล่ข้มาในใจเมื่อหร่มันก็จะกาจัดทันทีกําจัดทันทีเหมือนได้ฉีดไวรัส เ, รเหมือนได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเอาไวรัส ต, ตัวไหนมาวัคซีนมันก็จะกําจัดกำจั ด, จดทันทีอืมค่อะอาจารย์โอเคค่ะโอเคนะขอบคุณ น, นักนากท่านยิน ค่ะเขาโอกาสกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เมื่อกี้ได้ฟังพระอาจารย์กล่าวถึงตอนที่พระอาจารย์เป็นคารวะและปฏิบัตินะเจ้าค่ะมันมันก็คือตอนแรกตอนแรกก็จะมีสภาวะที่พระอาจารย์บอกว่ามันอยากเป็นอิสระปฏิบัติเป็นคารวะต่อไปแล้วเหตุเหตุนในพระอาจารย์จึงเปลี่ยนสภาวะไปเป็นเป็นเพศสมณะมันมันมีจุดมันมีจุดใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เงินหมดเลยอ๋อเัินที่จะเลี้ยงปากเงิท่างเงินหมด เรามีกันอยู่ก้อนหนึ่งตอนที่เราทํางานแเราคิดว่าอยู่ได้ปีเนี่ยแล้วพอใกล้สิ้นปีมันจบนะเราก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะทําทไรต่อถ้าอยากจะเป็นฆรวาวาสต่อก็ต้องไปทํางานแต่ถ้าไปทํางานก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มทีทถ่ถ้าถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ต้องไปปวดมันก็มีทางเลยแค่สองทางถ้าทำการปฏิบัติต่อก็ต้องไปปวดจะ ต, ต้องยอมแล้วมันต้องไปอยู่ในกรอบ อยู่ในกรงเพื่อไ ง, ไง่ายๆเนี่ยไปอยู่วัดเนี่ยต้องอยู่ในกรงบวชห้าปีแรกก็ต้องไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คอยเที่ยวเข็นคอยอบรมสัมสอนคอยควบคุมคบังคับแต่เวลาไปบวชจริงๆก็รู้ว่าเป็นกรงทองซานจะสบายไม่ต้องกังวลกับเรื่องการหากินหาอยู่ไม่ต้องกังวลบางอยากพร้อมหมดถ้าเราปฏิบัติแล้ว อยู่ที่ไหนเขาก็ให้เขาก็เยนีให้เราอยู่แต่ลางทีเราก็ต้องทําหน้าที่ช่วยเหลือกันด้วยนะไม่ใช่ไปอยู่แล้วปฏิบัติอย่างเดียว้นนมัก็อาจจะต้องมีางานช่วยกันกวาช่วยกันถูช่วยกันเช็ดช่วยทาความส ะ, สะาอาดจานก็เป็นงานกามปกติของวันนคร่ะ ค่ะถ้าถ้าถ้าคนที่มุ่งหวังอยากจะบ้านปลายไปไปบวชอย่างเงี้ยถึงวาระหนึ่งมันจะมีความรู้สึกในใจว่าพร้อมแล้วเองใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์กอต้องปฏิบัติได้นะถ้ามันปฏิบัติได้มันก็รัวพอมาถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ยังต้องเพิ่มรวบเสียงกิเลสเยูมม่มันก็จะรับมันก็จะยากค่ะ <c oughs> แต่ถ้าไม่เพิ่มรวบเสียงกิเลสแล้วเนะพิ่มการปฏิบัติเป็นเครื่องหายใจของเราดู แล้วก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องการไม่ต้องมีอะไรมากเป็แค่ปัจจัยสีเสื้อผ้ า, 2, า, ก, ผาก็สองสามชุดก็พอค่ะที่พักอาศัยหกแดดกับฝนได้ที่ปัดไปอาหารก็ที่ว่าเรากินเดงก็ได้ถ้าเราไปอยู่วัดต้งที่ว่ามันต้อง เ, เป็นมาไดกินเดงกินอาหารที่เหลือจากภาพมาก็ได้ค่ะก็ก็ดูที่ว่า เราต้องยังต้องพึ่งรูปเสียงกินรสอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ส่วใหญ่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่รูปดูอยากเป็นหลังก่อนยังยังพึ่งรับยังพึ่งยศบางคนยังถือเนือถือตัวอยู่ถือว่าท่านเป็นเงื่อนเป็นนี่อยู่ท่านต้องอยู่แบบนั้นอยู่แบบนี้ออย่างนีอยู่แบบขอทานไม่ได้เหมือนที่ว่าอาจารย์บอกว่าต้องเหมือนคนเล่ร่อนแล้วก็ค่ะของนี่เป็นเนื้อบาดาตัวค่ะ แต่ไม่ได้เส้นเนื้อประดาตัวแบบว่าไม่มีสักเสีคือเรามีเรามีธรรมะเราปฏิบัติธรรมของเราค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เ อ, อจริงๆที่พระอาจารย์เคยบอกว่าไม่ไม่จําเป็นต้องต้องมีเงินไว้ไว้ก็ได้ใช่ไหมเจ้าใช่ถ้าเราถ้าเราไปอยู่วัดที่เขายินดีให้เราอยู่แล้วก็อาจารย์จะช่วยทำงานวัดบางอะไรืๆๆๆๆ่องน้อยๆงานเฉพาะเป็น เป็นงานจำเป็นเช่นอาจารยจะไปช่วยกันในโรงครัวอะไรนิดหน่อพอเสร็จกินเรื่องกินแล้วก็ต่างคนต่างแยกไปปฏิบัติก็มีวัดป่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นวัดป่าจะไม่มีงานมากเจ้าค่ะคือคื อ, คอลูกลูกลูกมีความคิดค่ะแต่แต่มีอันนึงที่แอบกังวลเล็กๆอย่างเช่นบางทีมันจะมีช่วงที่ครูบาอาจารย์ยังอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านก็ยังจะสามารถซัพพอร์ตเราเวลาเรา เราไม่มีเงินอีกางเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วถ้าถึงจุดนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดใช่ไหมเจ้าค่ะก็มีอาจารย์หนึ่งไปได้ถ้ารังนี้อยู่ไม่ได้ก็ย้ายหลังได้โอเคเจ้าค่ะว่าจะลูกนึกนี่นึกเหงือันนี้ไปก็คือย้ายย้ายได้ย้ายได้กว่าที่นี่อยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปที่อื่นต่อม แล้ว บ, บางทีถ้าเราปฏิบัติไันนานๆ น, นี่เรามีพลังจิตของเราขึ้นมามันก็มันมันก็จะมีผู้มาสนับสนุสบบนเราด้วยพอไปรเราบวบวนับว น, บวนไปบ่อยๆบวบเป็นงานงานเขาก็เกิดศรัทธานในตัวเราขึ้มนมาเองอ๋อใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเลยเ้ามีแม่ชีอยู่คนอยู่วัายาตอนนี้ตอนนี้ยุคก็ท่ากับเราเจะสิบกว่าเราได้มาอยู่ก็ไม่มีอะไรมา แล้วก็อยู่มาช่วยงานวัดบ้างทาช่วยนำพาญาติโยมสวนบนตห้พระอะไรทาปฏิบัติทำอะไรไปอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่เดินไม่ได้ก็มีคนถอยรดก็ไปค่ะเอเจ้ค่ะเพราะว่าลูกวางอย่างที่กล่าวเรียนพระอาจารย์ว่าลูกวางแผนไว้ในอนาคตก็ค่ะแต่ทีนี้ก็คือมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นเงินก้อนใหญ่ระสมควรก็คิดไว้ว่า จะเอาให้พ่อกับแม่ให้เขาสบายตอนแก่เจ้าค่ะมันแล้วเราก็เอาไปแค่ค่าเหมือนที่อาจารย์บอกว่าให้มีแค่ค่ารถเดินทางแล้วก็เล็กน้อยจําเป็นปัจจัยสี่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มีจำลนาไว้บ้างแต่ไม่เท่ามากคือเพอแต่ไม่ได้เอาไว้เป็นก้อนใหญ่เยอะๆที่เราใช่อาศัยวัดเป็นหลักอาศัยวัดเป็นหลักแต่เจ้าค่ะแล้วแต่แต่อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ลูกมีอีกความคิดหนึ่งคือมันจะมีอีกก้อนหนึ่งที่ลูกจะ ฝากเงินไว้ในส่วนของน้องชายแต่เป็นชื่อน้องชายแต่ให้เพื่อลูกเวลาลูกต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพรอาจารย์อย่ไปหวังเพื่อมคนอื่นเลยเดี๋ยวเขาเอาไปใช้หมดให้ก่อนนั่นอยู่ในชื่อของเขาโ <c oughs> อ, อ้ก็หาชื่อของเราไม่ดี罢了เลยไปว่าวไ ป, ไ ป, ไปให้ให้เขาไปเปิดเช้าให้เขาไปทำไมอานไม่เข้าใครเราใครเรา อ๋อเจะ้าค่ะถ้ า, างั้นลูกก็ใส่ไว้ชื่อลูกแต่ลูกทาเป็นลืมไปได้ไหมใช่ฝากนว้ฝากทิ้งไว้ น, นี่ยจะใช้ตามว่ามันมีความจำเป็นจริงๆอ๋อถ้างั้นก็ก็จะได้ขอ้อข้อคิดด้วยค่ะเพราะตอนแรกลูกแบ่งเงินไว้ว่าก้อนใหญ่สุดเนี่ยจะให้พ่อแม่ไว้แล้วก็ก้อนเล็กเนี่ยที่เอาไว้ผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้จะฝากชื่อน้องชายก็ไม่ต้องฝากไม่ต้องฝา ก, ออฝากแล้วเดี๋ยน้องชายไปกินทั้งหมดก่อนเจ้าค่ะพระจ่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครับ ไม่มีไม่มีน้องไค่ะแล้วเขามีครอบครัวด้วยจะาขาพอาจารย์ใช่อย่างเขาอ้างว่าเราจําเป็นต้องใช้ก่อนเอาไปก่อนแล้วแต่พี่เขารุ่นจะใช้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอมาถึงเราจะใช้พี่เอาไปใช้หมดแล้วเจะาขาพรอาจารย์ค่ะเก็บไว้เองได้ถึงแต่เราอย่าไปกังวลกับมันกแล้วกันอ๋อค่ะหลักๆคือเราอย่าไปกังวลกับมันแล้วอยากใช้มันในทางเล็กใช่ใช่เะนั้นใช้สำหรับปัจจัยสี่ เจ้าขาพจได้ได้ได้คาตอบที่เป็นรถแมพแล้วเจ้าข้ะพาจากลาขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรหมมีคุณคุณวริศเข้ามาใหม่ครับอ่านอ่เดี๋ยวคุณมาดทีหลังเนี้ยคุณมาเล่นก่อนากหลวงพ่อครับขอนีขอสอบถามเลยครับว่าในคาสอนของเาคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ตรงไหนครับอยู่ที่ารมีธรรมะ ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีคุณค่าชีวิตก็ไม่มีไม่มีคุณค่าอะไรเลยว่ามีแต่ความทุกข์แต่ถ้ามีธรรมะแล้วก็จะยันปราศจากความทุกข์จะมีแต่ความสุขอ๋อครับเพราะเวลาผมไปพูดเรื่องธรรมะกับเพื่อนเพื่อนบอว่าบอกว่าพูดพูดอะไรมีแต่นามมาทำไม่เห็นมีอะไรลูกประธรรมสักอย่างชีวิตมันต้องมีลูกประธรรมสิทำไมพูดมาเป็นแต่นามมาทำอะไรแบบนี้คือบอกําว่าเป็นนามมาทำไม่ใช่รูกประธรรม เป็นนามธรรมนะอะมันเกี่ยวกับจิตใจมันไม่ได้เกี่ยวกับร่าง ก, งกายมันเกี่ยวกับร่างกายร่างกาย่าร่างกายก็รูกประธรรมเงินธรรมเงินถ้าเกี่ยวกับร่างกายก็เงินทําหน้าฏยนิรันดรเสสยงสดเนี่ยเป็นเรู่ประธรรมที่ธรรมะเนี่ยมันเกี่ยวกับจิตใจจิตใจเป็นนามธรรมธรรมะก็ต้องเป็นนามธรรมครับหมายความว่าถ้าเขา ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือพุ่มธรรมต่ำกว่าเราเขาก็ไม่สามารถรู้ว่าธรรมะที่เรามีในใจเป็นยังไงต้องคนที่สูงกว่าจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ต้องแต่ก็ต้องได้คุยกันด้วยถึงจะรู้ก็ต้องได้คุยกันด้วยอ๋อหมายความว่าถ้าเราไปพูดออกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยพูดยังไงเขาก็ไม่มีทางเข้าใจเพราะเขายึดติดแต่รูปปัถธรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เหมืนคนนิชาว่านแบบคุยแล้ววิชาว่ากับคนที่ไม่เลยเขาจะรู้เรื่องม ไม่รู้ครับใช่ไหมธรรมะก็เปนวิชายอยานี้คนที่จะเข้าถึงวิชานี้นะก็ต้องศึกษามันกับเราที่เราได้ศึกษามาและเขาไม่ได้ศึกษาก็ <Yeah. S 1> าาไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้แบบธรรมะก็คุณค่าของชีวิตอยู่ที่ธรรมะโอ้มันเป็นหลักใจที่ดีมากเลยครับเพราะผมแบบถามเพื่อนของสือเขาบอกว่า <Yeah. S 2> คุณอย่างเช่นของ คุณีนเขาบอกคุณค่าของคนก็คือการทํางานผมก็คิดว่าอ้าวถ้าแก่งไม่ได้คุณค่าของคนนั้นก็หมดเลยสิมันก็ไม่ใช่สิแบบนั้นเพราะคุณค่ามันก็ต้องแบบธรรมะมันก็ตอบโจทย์เพราะธรรมะมันอยู่ที่ใจอย่างนี้มันไม่ธรรมะคืออริยสัจมันชาติใดในรัตนะเป็นเพตน้ำหนึ่งธรรมะาธรรมะธรรมะรัตนะพุทธรัตนะสังฆรัตนะ เป็นของที่มีคุณค่ายิ่งที่สุดของชีวิตสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกกับปจัจจตังก็คืออยู่ในใจสร้างเองในใจของคนนั้นแล้วก็อยู่ในใจของคนนั้นเองใช่ไหมครับสันทิตฐิโกคือการพิสูจน์ธรรมะว่าเป็นจริงหรือไม่จริงอ๋อครับเพราะผมดนคนบางคนมาว่าหลายคนมาว่าว่า เป็นคนต้องไปหาจิตแพทย์แต่พลเงา่อบอกเป็นโรคจิตผมก็มาพิจารณาตัวเองว่าเป็นโรคจิตอย่างที่เขาบอกเป็นไหมเขาก็มาบอกผมว่าคนที่เป็นโรคจิตจะไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคจิตผมก็เลยผมก็เลยงงงอย่างนี้เนี่ยอะไรแบบนี้ครับหลวงพ่อถ้าเราดําเนินชีวิตเราตามปกติได้ไม่ได้เป็นโรคจิตรครับครับโดนไล่ไปหาจิตแพทย์ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะผมก็ถ้าถ้าคุณไปก็ทนาคุณเป็นโรคจิตบ้าต่ามเขา <laughs> ผมไม่บ้าจะผมไปหาน้องน้องอบ้าทําไง <c oughs> ใช่ครับเขาบอกว่าคนน้องตน้องต้องไปแล้วนะคนน้องอาการเป็นแล้วนะผมก็บอกผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะผมก็แฮปปี้ดีแต่เขาบอกโอเคน้องเรื่องน้องถามมาพอแล้วมีอะไรไหม <c oughs> อีนิดนึงครับแบบที่หลวงพ่อบอกว่าความหมายของชีวิตผมเคยครั้งนึงแบบอย่างเช่นฉีดวัคซีนแล้วเป็นไข้ผมก็นอนอยู่บนเตียงเออ การงานอะไรหรือว่าอะไรเองมันมันไม่สามารถทําให้เราหายทรมานได้แต่ว่าธรรมะมันสามารถทําให้เราหายทรมานจิตใจตอนเราป่วยได้ก็เลยอ๋อมันจะไม่เหมือนไงเราสบายดีมันเราจะไม่เห็นผลของสิ่งนั้นแต่ถ้าสมมุติเราแบบเจอบททดสอบขึ้นมาเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นมากๆเลยอย่างนี้ครับหลวงพอ่อโอเคนะวิญญาถ้าเราไม่เป็นไข้เราก็ไม่เราก็ไม่เห็นคุณค่าของยา พอเราเป็นไข้แล้วกินยาแล้วไข้ลดหายนล้วก็จะเห็นคุณค่านีงยาทำมากก็เหมือนกันเราต้องทุกก่อนแล้วเราทำมามันดับทุกได้แล้วเราจะเห็นคุณค่าของการทำทุกครับแล้ววันนี้อันหนึ่งที่ฟังหลวงพ่อพูดอันนึงคือบอกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีสุดคือให้พ่อแม่เป็นพระสวดาบันนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกผมก็เลยมไม่เคยได้ยินไม่ต้อ ง, ปองไปโสดาบาน พระพุทธจ้ามาแสดงธรรมให้กับผุ้ธรรมดาบนสวรรค์น3เดือนท่านบรรลุเป็นพระสาาุภเดชมาขึ้นมาการเริ่มแรกผมก็ต้องปฏิบัติตนให้ได้ก่อนจะได้ไปสามารถไปช่วยเหลือคนรอบข้างได้ายังไม่จบปริญญาเราไปส อ, คอนคนอื่อนก็จบปริญญาได้ปะอาจจะจมน้ำตายไปก่อนก็ได้โอเคนะยินคุณมาเลยอยากาทานนี้ยคุณมาเลยให้เยอ่า ถ้าหลวงพอ่อคือหนูส ง, ส, งสัยอะคะ่ะว่ า, าพระพุทธเจ้าสอนให้บอกทางให้คนพ้นทุกข์แต่ทาไมผู้ที่ปฏิบตัติหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังยังไปไม่ถึงนะคะแล้วแล้วก็บางคนก็ไม่คิดที่จะเดินเข้าไปถึงตรงนั้นนะคะหลวงพอ่อมันก็ไม่เห็นคค่าของการปฏิบตัติาตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ นี่เขาไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามไดอ้อย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะแปลว่าวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันยากเกินไปหรือเปล่าคะหลวงพ่อก็คนมันมีอยู่สีเหล่าเนี่ยบัวสีเาฉลาดมากฉลาด น, น้อยจน ก, กระทั่งไม่ฉลาดเล ย, เยพวกไม่ฉลาดเลยก็เป็น่วงบัวอยู่อยู่คนตมไม่มีวันที่จะจะแงงอกงามขึ้นมาได้ โดยทางพวกก็มีมีการฉลาดรัดรัดกันไปอ่าตลาดน้อยแล้วตลาดมากขึ้นแล้วตลาดลาดเต็มที่มนี้หลายระดับด้วยกันกโมเสสเราแล้ ว, ล ว, ลวถ้าสมมุติว่าคนที่เขาอย่างอย่างพูดที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคะ่ะระหว่างทางที่เขาจะไปถึงจุดหมายอ่ะคะ่ะเขา จำเป็นไหมคะว่าเขาต้องได้หมดทุกอย่างอะค่ะความหมายในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะได้แบบคุณวิเศษตรงตไม่ไม่ต้องคุณวิเศษนี้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้อไม่จําเป็นอันนี้คุณวิเศษนี้ถือว่าเป็นของแถมใครจงเป็นวาสนาเพราะวาสนาที่ติดตัวมาทําลึกชาติได้อ่านวาระจิตของผู้อื่ น, น, นดได้มีติดต่อกายทิพย์ได้นี่ป็ น, นเรื่องมันของวาสนา ไม่เกี่ยวกับการที่จะบรรลุบางผลนิพพานค่ะหลวงพ่อก็คือจุดหมายก็คือสุดท้ายขั้นสุดท้ายไปเลยใช่ไหมคะที่พ้นได้ใช่ไหมคะก็คือถอดกำจัดสัจธยรมโยชน์ได้ก็จบค่ะหลวงพ่อจบคำถามแล้วค่ะหลวงพ่อขอบค่ะครับทุกคนยิ่งเหรอยอยิ่งอยากจะถามเลยนะยอยิงชอ พรจาน์ขาอ่าพระจานทร์แนะนำหนังสือให้ให้อ่านหน่อยค่ะตอนนี้หญิงอ่านไปแค่นักเดินทางจบแล้วก็ไมเวหญิงกำลังจะจบหญิงที่ว่าเดี๋ยวหญิงจะจบเลยพระจานทร์แนะนาเล่มต่อไปหน่อยค่ะเล่มไหนก็ได้อ่านไปถไเถอะม่เอาอยากได้ในคอมเมนต์เทั้งหมดทั้งนที่เราเ่องนต์เทั้งหมดก็ไล่ไปทีละเล่มตามว่าถามคุณหมอภาชนาดูเลยคุณหมอภาชนะอ่าน จะยิงอ่านหนังสือดุนะพระอาจารย์ลองอ่านดดาเนี่ยกำลังใจทั้งหมดมีทั้งสี่สิบแเล่มเนียังมีกาลังใจอีกนะแล้วมีจุฬาธรรมนาใจอ่เป็นซีรีส์ซีรีส์กำลังใจหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีซีรีส์จุฬธรรมนาใจอันไหนน่าอ่านก่อนคะพระอาจารย์ทุกเล่มนะเหมือนน่าอ่านทั้งนั้นนะไม่เราตามเก็บอยู่แล้วแต่ว่าเอาเอาแบบ ตอนนี้ยเล่มสามเดี๋ยวขอขอจะตกแล้วค่ะอาจารย์อก็อันไปเสร็จเนี่ยก็ต้องไปหามหาเศรษฐีที่แท้จริงอ่อนเดี๋ยวจบ <สา S 2> แล้วคืนนี้มาหาเศรษฐีเดี๋ยวหนูตกเลยเจอเลยเหรอเจ อ, อหนูอ่นานภาภาษาอังกฤษไงหนูอ่นานภาคออยู่น้องไม่ลองภาษาไทยอยู่แล้วไม่ต้องอ๋อหนูบางทีอ่ะพระอาจารย์หนูคิดว่าภาษาอังกฤษอ่ะพรอาจารย์เขียนเหมือนกับมันตรงกว่านะ ใช่ใช่อย่างเช่นคำว่าทุกอย่างเนี้ยคือมันก็คือไม่ชอบไม่ใช่ไม่คิดที่ไม่ชอบอืมนยไม่แนะนำเลยเหรอคะจุลธรรมนำใจกับอะไรนะคะอีกอันนึงกำลังใจกำลังใจซีรีส์อ่ะอันไหนก่อนดีคะจา้างมีสองซีรีส์กำลังใจจุลทรรมนำใจไม่ไม่เลือกเลยต้องไปเลือกเองใช่ไหมคะพี่ๆว่างๆอ่านกันนะคะจะได้ไม่ต้องมีคำถามเนาะ ต้องอย่างนี้ก็ต้องถามแล้วเพราะเวลาปฏิบัติบางทีมันไม่ไม่เคลียหนูหนูเคยหนูเคยไปปฏิบัติของท่านโกเองกาเราก็โอเคนะคะอ่โอเคดีอ่านได้ก็ดีแต่ได้ไม่ต้องมาถามบ่อยใช่ค่ะขอบคุณค่ะคุณบริษณคุณบิสต์จค่ะขออนุญาตนะคะคือมีคำถามหนึ่ง เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะมันมีสภาวะประมาณว่าไม่ได้ไม่ได้นั่งสมาธินะคะเหมือนเหมือนทำงานอยู่จะหรือเลี้ยงนูกอยู่เนี่ยค่ะมันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรออกมาจากใจมันเหมือนเป็นพลังงานมันใช่เป็นได้เป็นไปได้ตันที่นั่งอยู่เฉยไม่ทำอะไรทิตมันเหมือนกับยามันมันเย็นเหมือนกับ มีอากาศเย็นเข้ามาลูกเข้ามาในทางใจก็ได้มันล้นอกมันเหมือนแบบมันล้นล้นออกมาจากใจอย่างเงี้ยค่ะอก็รู้ไปเฉยๆก็แล้วแบบให้รู้ว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปมันต้องไปยึดไปติดมันก็คือรู้เฉยๆเเหมือนกับฝนตกมันร่วงมันฝนตกตกก็เดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็หยุดตก มันเวลามันเป็นมันเหมือนจะใช้ความคิดไม่ได้ค่ะพระอาจารย์มันเหมือนติดยังไงมันอยู่ในสนามนี่ดีมันทำให้เรามันรู้สึกมีความสุขความสบายก็ถือว่าเป็นผลมันเป็นสมาธิแบบในความสงบแบบที่มันนั้นมันนานเหมือนกับฝนเนี่ยมันนาต่อภาคมันก็เย็นแล้วเหลยอสภาพมันก็หยุดพอหนูรู้สึกว่ามันมันมันเกิดขึ้นเองมันควบคุมไม่ได้ ถ้านั่งสมาธิมาบ่อยบางทีบางทีเวลาไม่ได้นั่งมันก็สมองของมันเองก็มีอือค่ะใช่ค่ะมันเหมือนเป็นสมาเป็นสภาวะที่อยู่ในสมาธิแต่ว่าเราเราเร า, เราไม่ได้ไปทําอะไรมันมาของมันเองค่ะประมาณนั้นค่ะก็รู้อเฉ่เฉยก็ไม่ต้องไปใช้ความคิดไม่ได้ออะไรก็มีสติประครับประคองดูดูมันไปเฉยแล้วกันไม่ทำไปมีปฏิกิริยาของมัน ค่ะเพราะว่ามันมันเกิดตดเหมือนทํางานอยู่ก็เลยหยุดทา ง, งานแล้วก็หยุทงาน้ารนั่<ม>เฉยไปค่ะค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอาชีพตาจีพอาจารย์ค่ะย้งขอถามคำถามนะค ะ, ะคือ ท, ที่หน้าบ้านอะคะ่ะมีต้นไม้ต้นใหญ่บางบ้านอยู่แล้วเราจะตัดออกอย่างนี้นะคะ่ะถือว่าเรา คือบางคนก็บอกว่ามิลุคเทวดายอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปตัดเราจะไม่ดีก็เลยพระอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงเจ้าคะก็ขออนุ ญ, ญาตก่อนจุดทูบสาจุดทูบสามดอกก่อน <c oughs> ขออนุ ญ, ญาตแล้วถ้ามีเทพมีอะไรอยู่ก็ขออนุญาตนะว่ามีความจำเป็นที่จะ ต, ต้องตัดต้นไมาตอนนี้ขออาณาธนาเชินท่านไปหาต้นไม้ <c oughs> แล้วเท่านั้นแหะไม่เป็นไรอย่างนั้นเราแสดงความเคารพไว้กับเราเนี่ ก็แสดงความเคารพไว้ก่อนมีไม่มีอีกก็อีกเรื่องนึงแต่เราก็ก็ามความเชื่อของเข า, อ ย, าอย่าเพิ่งตัดทันทีขอจุดเชื่อไว้ก่อนแล้วเราดูเดี๋ยวตอนคืนมันนอนฝันมีอะไรฝันเรื่องแปลกๆเข้ามอ๋อไม่แน่ใจอะค่ะยมก็ไม่ร<ม>ู้จะยมคือต้นมันเป็นพุ่มใหญ่ใช่ไหมคนะยมก็เป็นพิลึก็จุดเชื่อขออนุญาตก่อนก็แล้วกันจุดเชื่อขออนุญาตแล้วก็ลองดูสักวันสองวันวมันจะมีอะไรมาเข้าฝันหรืเปล่า แต่มันมีคิดว่าคือช่วงหลังๆจะฝันว่าเหมือนกับว่าเหมือนกําลังจะตายบ่อยมากเลยอะค่ะพร<ล>ะอาจารย์แล้วจะต้องแบบแยกในฝันว่าระหว่างพุทโธโอเคเห็นนึกภาพเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พุทโธพุทโธเออให้มันตายไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็พุทโธพุทโธไว้มันฝันอย่างนี้บ่อยมากเลยอะค่ะพระอาจารย์มันเป็นเรื่องที่เราไปฝันแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องแปลกเกี่ยวกับเรื่องต้นมาในการจะต้องยับยั้งมันก่อนห่อ ก็อะไรเจ้าขาอะไรเจ้าขางั้นเดี๋ยวโยมจะลองดูเจ้าค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรก็แสดงว่าไม่มีไม่มีไม่ไม่เช่ต้นไม้ทุกต้นจะมีเทวดาไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแล้วบ้างก็มีต้นหลังบ้านอีกต้นหนึ่งคือมันตายเหมือนเขาเรียกอะไรคะไม้ยืนต้นตายเหรอคะที่มันตายมันล่ามันมันหมดอายุมันมัไม่หยุดทำงานค่ะอันนี้อโยมก็ต้องจุดเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็บอกค่ะว่าจุดได้พอมีความจำเป็นแล้ว ตั้งบตอนนี้ขออนุญาตกลัวลมกลัวลมหนหรืออะไรมา้ท่านแม่อนุญาตก็ขอให้ขอให้แจมาทางนี้ไม่มีอย่าได้อย่างหนี่เจ้าค่ะเจ้าทอะเอาทุกชานค่ะค่ะดสบายใจสบายใจเจ้าค่ะไม่ได้ทำอะไรกัวใช่ค่ะค่ะ กับว่าคุณค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, คะมีใครมีถามจะถามอะไรไหมมีเข้ามาใหม่สี่คนนะคระบอาจารย์อได้คุณนารุพัฒน์นะฮะคุณนาะรุพัฒ์เชิญกับนวัสการครั บ, รรบหลวงพ่อ อ, อยู่ที่ไหนอยู่อ่กรุงเทพครับแต่ว่าเป็นคนภูเก็ต ค, ครับโอเคมีคำถามอะไรไหมอ่ ก็ควรสอบถามหลวงพ่อครับว่าเคผมผมก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ว่าตอนนี้คือพยายามเอาธรรมะมามาปรับใช้ครนนี้คือตอนเวลาเรารู้สึกแบบทุกข์หรือไม่สบายใจเนี่ยเราก็พยายามจะมีสติที่จะรู้มันแต่ว่าฟิลลิ่งที่มันมีความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่หายไปแต่พอเราเราหลับไปตื่นขึ้นมามันก็หายไปคือมันก็แต่ว่าจิตธรรมชาติของมันเป็นอย่างี้ใช่ไหครับหลวงพ่อ คือความทุกข์มันก็เกิดจากเหตุคือความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งทำไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทุกแต่สร้างมรงงานหนึ่งเราพอความอยากนั้นมันหยุดไปความทุกข์มันก็หายไปอืมครับข อ, ขออีกหนึ่งคำถามก็ครับเอ่อวันีผมได้ยินคำว่าบาลมีสิบครับอไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์จริงๆของบาลมีสิบนี่คือแบบเพื่ออะไรนะครับแล้วก็แบบอก็อเพื่อให้เราไปที่ผ่าน เราสามารถสร้างควมีสิทธิ์ข้อนี้ได้แล้วก็มีกำนังที่ไปถึงนิพพานได้ครับนะครับพี <ขอ S 2> ่ ค, นะครับเียว <Okay. S 1> พันธราพรเดียวครับหลตากราบธมศสการเจ้าค่าหลวงพ่อเออเป็นยังไงเพิ่งกลับจากโรงเรียนนอครับเพิ่งกลับจากโรงเรียนครับ อนี้ก็มาเล่าสักกับมาเข้มาสักการหนึ่งตาใชมครับอนนี้ที่สเปนนี่ต้องเปลี่ยนเปนเวลาหรือบป่ต้องถอยไปชั่วโมงเปลี่ยนเจอเจ้าพ่อหลวงพ่อเปลี่ยนเวลาแล้วเ่อเปลี่ยนเวลาม่สงอาทิตย์ก็เลยกลับบ้านช้าหน่อยกลับบ้านช้าเพเคยเคยกลับชั่วโมงครับเลยเข้าช้าหน่อยมีไม่มีขัดขามเลยนะมีจงพ่อเจ้าขาลูกอยากถามว่า อ่าสภาวะที่การระบุญระ บ, บาปคือสภาวะยังไงเจ้าคะเออของสภาวะของจิตของบ้านอาหารนัไม่จําเป็นจะต้องทําบุญไม่ต้องทําบาปบาปไม่ทําบุญก็ไม่ต้องทําต่แต่ถ้าจะทําก็ทําได้แต่ไม่ได้ทําแบบยดติเพราะวาเหมือนกับมันบุญมันเต็มเต็มเต็มหัวใจแล้วทําไปก็ไม่ได้เพิ่มอะไรแต่อย่างใดอืมค่ะเจ้าค่ะสาธตสาธค่ะ แต่บาปนี้ไม่ทําอยู่แล้วพรอรหันตพระอริยะทุกโลกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่าไม่ทําบาปนะ แ, แต่ถ้ายังทําบุญอยู่จนถึงขั้นตั้งอหันท่านก็ไม่ต้องทําอำบุญต่อไปเพราะใจของท่านเต็มไปไ ด, ด้วยบุญเต็มรอยนะแต่ก็ไม่ได้หมาเควาว่าท่านจะไม่ทําบุญแต่ท่านไม่ทําบุญเพราะจะให้ใจของท่านมีบุญเพิ่มท่านทําบุญเพราะว่ามีมีโอกาสที่ได้ช่วยเหลือผู้อย่างยินดีที่จะช่วยครับเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะขอธุค่ะแต่ถ้าไม่มีโอกาสไม่มีเงินจะช่วยก็ไม่ช่วยไปใช้เป็นู่้เบรกขาไป่าธุเจ้าค่ะปจันนะประจันกลัขอบคุณเจ้าค่ะหอวงพ่อท่งค่ะคุณไก่ร่งเหรอคุณไก่รุ่งเนีอยู่ที่ไหนพูดได้เลยสวัสดีค่ะ เอออยู่นักคอนบผมค่ะนักคอนัตผมมีคำถามไหมก็เออถ้าอย่างเราแบบส่วนใหญ่อย่างยังหนูจะจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติอ่ะค่ะเออจะเน้นแบบคือทําทานไม่ทําบุญหรือทำทานเนี่ยค่ะแบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบเออของเราเนี่จะเต็มอะไรยังไงส่วนไหนอะไรเงเงา หมายถึงมันละวันก็มีสามระดับที่เราต้องทำคือทำบุญทําทานระดับที่ลลสองนั่นรักษาศี<ะ>ลระดับที่สามนังภาวนาหรือไหว้พระสวดมนต์นททั่งสมาธิเรียกว่าภาวนาเราก็ต้องทําทําไปตามกำลังของเราถ้าตอนนี้เราทําได้แต่ทําบุญทําทานก็ทําไปก่อนแอนนั้นต่อมาก็ลองมารักษาศีลณที่ระข้างก่อนก็ได้เช่นวันพระเรามาถึงศีลห้า เราต่อไปก็ขยายจากหนึ่งวันเป็นสองวันสามวันไปต่อไปก็รักษาได้ทุกวันเรักษาสิหและจาได้ทุกว็กเรามารักษาสิห์แปดในวันพระถ้ารักษาสิห์แปดในวันะได้ก็จะมีเวลาไปภาวนาไปนั่งสมาธิได้แต่ถ้าอย่างภาวะปกติเนี่คืออย่างหนูว่ามีลูกเล็กๆใช่ไหมค ะ, ะเตียนออนไลน์ด้วย ถ้ายัางทาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องรอไปก่อนก็ต้องรอไปก่อนมันมันมันมีความปี้ดอะค่ะหลวงก็คือแบบไม่รู้จะขมขมแล้วขมอีกอะไรอยี้ยค่ะก็ลองลใช้พุทโธเลยก็ลจะพโธเขาพุทโธพุทโธ <laughs> ในขนาดที่เราปี้ดแ้ะคะ่ะอ่าน่นอมันแค่อยู่รับปีดนนแล้วมันแบบโอ้โหมันปวดเป็นหมดเลยคะ่ะปวดคือตอน มันมันเหมือนมันเปล่งไปเรื่อยๆทุบตอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะหาเองคือแบบเอยแต่ถ้าแบบออกมาปุ๊บเนี่ยก็ก็ก็เออก็รู้สึกผิดกับกับกับลู้อยู่แบบคือมันมคือด้วยความที่เขาเราก็รู้ว่าเขาเป็นเด็กแต่แต่แต่ด้วยความที่มันทุกอย่างมันบีบรดาดอะค่ะมันจํากัดด้วยเวลาที่เราเราต้อง เราต้องมุ <จะ S 2> ่งจิตปล่ยวางต้องฝึกจิตให้เราปล่อยวางอย่าไปถือสาอย่าไปหวังอะไรจากเขาอย่าไปอยากให้เขา ท, ทาตามที่เราต้องการปล่อยก็ทำไปตามตามตาเรื่องของเขามันก็จะแบบเป็นอะไรที่พอกห่างหูไปเรื่อยๆซึ่งแบบ ก, ก็มันก็ไม่ได้ตาม timeline อะไรเงี้ยก็เลยโอ้โหอาจารไม่ได้เลยทำได้ไหมถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ไ ค่ะต้องปล่อยวางบ้างอันไหนต้องปล่อยก็ปล่อยอันไหนไม่ต้องปล่อยก็ไม่ต้องปล่อยอันไหนต้องปล่อยก็ปล่อยค่ะวันกันเลยแล้วอย่างนี้ภาวะอย่างนี้เราดูเราดูจิตนี่มันจะมันจะโอเคไหมคะก็มันต้องปล่อยนะมันต้องดูจิตหรจิตมันก็กำลังเครียดก็ไม่อยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเราปล่อยแล้วมันก็หาเกลียดมันจะเป็นยังไงครับมันเป็นไปตามเรื่องของมันตอนนี้ก็คือต้องปล่อยก่อนอเราค่อยดูก็ทําอะไรไม่ได้เพราะปัญหามันไม่อยู่ที่จิตปัญหามันอยู่ที่ที่ที่ลูกที่เราไปยุ่งกับเขาเอง <c oughs> อยู่ที่ความอยากของเราซึ่งเราจะจําเป็นจะต้องยุ่งไปยุ่เท่าที่อย่ายุ่งได้ <c oughs> นะที่มันยุ่งไม่ได้ก็ต้องยอม <c oughs> พอยาวนล้วไปหยุดหยุดต่อสู้แล้วมันก็จะเย็นสบายคืออย่างเงี้ยแบบหนูก็เคยเคยปฏิบัติอย่างเช่นแบบทำเกี่ยวกับมนมยิธิไงค่ะซึ่งมันไม่แน่ใจว่ามันมันไปผิดมันไปถูกมันก็เป็นวิธีรับสมาธินำทาจิตให้สงบ ถ้าทําอยู่บ่อยๆมันก็จะใจมันก็จะเย็นเวลาเห็นลูกทาอะไรก็เฉยๆได้มันจะทําก็ไันถ้ามันไม่ไม่เสียหายก็ปล่อยมันครทำไปไม่ต้องไปควบคุมบังคับมันตลอดเวลาโอเคนะพ<อ>ยายามพยายามปล่อยวางพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วใจจะเย็นเราจะปล่อยวางได้ ค่ะโอเคคุณบิวตี้ตอบบิวตี้จากคุณเกนเป็นยังไงกราบมากราบเจ้าค่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะคิดถึงวัดว่างก็มาแล้วกันนะเจ้าค่ะโอเค ยังต้องรีบไปไหนแล้วว่ามันใกล้จะหมดเวลาแั้วคุณกำพิพันต์ต่อคุณทำพีพันต์ใช่ อ, อยู่ที่ไหนมึงทำพีพันต์ต้องเปิดไมค ก, ก่อนจะกดอนกัอนนิ้ก่อนอ่าเปิละเอ า, มาอหม่ก่อนไม่กดหันเดียวอย่าไปกดสองวันทั้งอ่า อ, อ่กับนมัสการค่ะพระอาจารย์เกือ <g> บ <ül üyor> ท, ทำทำธุละเกือบลืมไปว่าวันนี้มีมีซูมาค่ะก <g ül üyor> ็มาฟังตอนท้ายพอดีก็ฟังที่พระอาจารย์พูดก็ซาบซึง้งค่ะชื่นใจค่ะพระอาจารย์ตอบว่าซึง้งซึ้งในธรรมะพระอาจารย์ตอบทุกคำพูดเลยค่ะก็ของโยมมีเรื่องติด ข้องใจนิดนึงอะค่ะพระจานทร์คืออาทิตย์ที่แล้วโยมเลี้ยงแมวลูกแมวอยู่สี่ตัวมันซนมากมันชอบไปจับสารพัดสัตว์นะคะเดี๋ยวก็กิ้งกิ้งกา่านู่นนั่นนี่แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาผีเสื้ อ, อค่ะเขาบินอยู่กลางคืนเขาบินเข้ามาในห้องนอนโยมแล้วตอนนี้ยเขาก็มาเกาะที่ขาโยมโยมก็หวังดีก็กะว่าจะเอา เอาไม้อะไรเนี่ยเขี่ยให้เขาเกาะเกาะไม้แล้วก็จะเอาเขาไปปล่อยแต่พอดีโยมเขีย่ยแล้วเขาไม่ยอมเกาะเขาก็กระโดดลงไปข้างๆ้างขาโยมาค่ะแล้วลูกแมวตะคุบตรงหน้าเลยค่ะพอาจารย์โยมมันภาพมันสโลมากเลยจนเหมือนช็อกไปสต็อปนิ่งค้างไปเลยค่ะเหมือนกับว่าโยมจะผิดไม้ที่โยมไป เขีย่ยแล้วทําให้แมวมันมันมันฆ่าไอผีเสื้อตัวนั้นนะคะโยมก็เลยไม่สบายใจอถ้าเราไม่มีความตั้งใจท้าให้เขาตายไม่ไ ม, ไ, มไม่ผิดโยม ต, ตั้งใจดีแต่วิธีการโยมดันไปทําให้เขาเก<แ>ิด<แ>เหตุการณ์นั้นนะคะตอนหน้าต่อนตาโยมก็เลยไม่ค่อยสบายใจน<แ>ะค่ะพระอาจารย์แล้วจะไม่รอบคอบไม่คิดไม่ยุ่งง่าก่อนมันวิธีการจิต ถ้าถอว่าเป็นหมวดเรียนข่าต่อไปจะทําอะไรก็คิดให้ครอบครัก่อนค่ะพอพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นพระฌาญยอมเจอหนูไอแ ไ, ไอลูกแมวก็มีอยู่ในครัวตัวเล็กเนี่ยค่ะไอลูกแมวมันก็จ้องจะตะพุบ ก, กินอย่างเงี้ยจะจับกินอย่างเงี้ยมันก็ตกลงไปในอ่างน้ําแล้วมันก็จมอยู่ในน้ํา โยมตอนเช้าโยมลงไปมันก็ปีนไม่ได้ค่ะพระอาจารย์โยมก็นึกถึงไอ้เมื่อคืนเมื่อโยมช่วยมิถาโยมก็ไม่สบายใจโยมก็เลยหาไม้อะไรมาทําท่อให้เขาปีนนะค่ะแล้วแล้วโยมก็ปล่อยเขาขึ้นมาแล้วมันก็ทําตาปี๊บๆมองโยมโยมก็นึกใจโยมนี่อาการหนักหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแค่หนูนะจิตมันคุยกันนะคะพระอาจารย์บอกมันเป็นแค่หนูแล้วหนูหนึ่งตัวเนี่ยทําไมโยมต้องช่วยขนาดนี้เออเยอะแต่ แต่โยมก็มองหน้าเขาแล้วเรายมก็บอกว่าหนึ่งถึงจะเป็นหนูหนึ่งจิตเขาก็รักชีวิตของเขาอ่ะค่ะโยมก็ถือว่ายมถือว่าโยมช่วยเขาละกันหนึ่งชีวิตแต่ว่าถ้าสุดจัดที่โยมช่วยไปแล้วมันไปตายด้วยด้วยวิบากกรรมของมันก็ไม่เกี่ยวกับโยมแล้วอะค่ะแต่โยมก็บอกว่าเออบ้านนี้ไม่ใช่ที่อยู่นะไปอยู่ที่อื่นนะเดี๋ยวไม่ปลอดภัยโยมก็พูดกับหนูอะค่ะโอเคดีทางนี้ถูกว่าแหละเราก็ทําดีที่สุดนะ นายโยมโ ย, ยมก็ยังงงว่าเอ้ยมันเป็นแค่หนูตัวหนึ่งค่ะพระจันทร์แล้วโยมก็เล่าให้แฟนฟังตอนที่แฟนกลับมาจากที่ทํางานนะคะว่ามีหนูอยู่ตัวหนึ่งแฟนโยมเขาบอกอ้อมเมื่อเช้าพี่เจอละพี่เอาไปปล่อยละโยมถามว่าเอาไปปล่อยที่ไหนเขาบอกว่าเอาไปปล่อยหน้าร้านข้าวหน้าบ้านโยมก็เลยนึกถึงคําพูดของพระจานทร์ว่าเราเอ็นดูหนูแต่เราไม่เอ็นดูพ่อค้านนะ เขาจะเดือดร้อนเอาไปปล่อยแบบนั้นยมก็บอกเ้าว่าเนี่ยถ้าวันลังไปปล่อยเอาไปปล่อยที่อื่นอย่าให้พ่อค้าต้องเดือดร้อนเนี่ยฮะยมยมเข้าใจถูกไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องทำอะไรก็ต้องอย่าให้ใครเดือดร้อนเด็ที่สุดค่ะคือหนูเป็นเป็นส่วนเล็กแต่ว่าส่วนใหญ่จะด่วดร้อนก็คือพ่อค้าแม่ค้ามันจะเข้าไปทำลายร้านค้าเขาถูกนะคะถูกต้องในทีไม่มีในที่ไม่มีบ้านไม่มีคนที่ในถูกงในธรรมะ เมตตาส่วนเล็กแต่ไม่เมตตาส่วนใหญ่อันนั้นถูกต้องนะคะพระอาจารย์ใช่ต้องเมตตาให้ให้ให้หมดเลยสัตว์สัตาอตาต้องไม่มีกรรมทั้งหมดจะดีที่สุดใช่ไหมคะใช่การกระทาอะไรดีเพราะไม่มีความเสียหายเดือดร้อนจากผู้เลค่ะ <c oughs> แล้วเมื่อวันจันทร์เนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ลูกสาวโยมมันนอนแม่แมวมันมันมั น, ม, นมันติดสัตว์เนะะี้ยค่ะแล้วมันโดนหมาหมาไล่มันก็เลยหลอน มันก็นุ่นเยมก็เลยเอาไปฝากไว้ห้องลูกสาวกัางคืนมันก็ดันไปไล่หนูในห้องลูกสาวลูกสาวบอกหนูกําลังนอนนอนอยู่ทั้งหนูทั้งแมววิ่งมาที่หนูหนูก็งงไอ้ลูกสาวหลับอยู่รู้เรื่องได้ยังไงเขาบอกว่าเขาลุกมาจับทั้งหนูจับทั้งแมวพร้อมกันเวลาเดียวกันเลยโดนทั้งแมวทั้งหนูกัดที่แขนพร้อมกันทั้งคู่แล้วเขก็เดินลงมาแล้วพร้อมด้วยแบบเขาปิดไฟนอนไงคะแต่เขาจับได้ทั้งแมวทั้งหนู เขาก็บอกเอาหิ้วลงมาให้หนูดูหนูก็ต ก, กรใจว่าเป็นลูกหนูอยู่ในถุงพลาสติกอะค่ะแล้วก็เขาก็บอกหนูว่าเนี่ยหนูช่วยช่วยแมช่วยลูกหนูหนูก็เลยเอ็ดลูกว่าทําไมไปช่วยแล้วตัวเองมาเดือดร้อนมันต้องมาโดนหนูกัดแมวกัดแบบนี้ไปยุ่งกับเขาทำไมอะไรเงี้ยลูกหนูก็บอก แม่ถ้าหนูไม่ช่วยมันก็โดนแมวกัดตายหนูก็เลยว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์นี้วุ่นวายกับหนูจังโอเคเดี๋ยวอาท่านนี้ก่อนนะแล้วอั่ทงนี้หมดนะลูกยอมทําถูกไหมคะเนี่ยไปวุ่นวายกับไอ้หนูเพราะนุ้ยยอมก็ว่ามันเป็นกรรมของมันอย่าไปยุ่งเงี้ยครับอาจารย์ถ้าช่วยเขาได้ก็ช่วยนะช่วยไม่ได้ก็ก็อย่าไปช่วยเขา ถึงแม้มันจะเป็นสัตว์เล็กอย่างนี้เหรอคะพระอาจารย์มันก็คือมีหนึ่งชีวิตเหมือนกันใช่ไหมคะมันมีจิตใจเหมือนกันจิตใจของเขากับของเราที่เท่ากันเหมือนกันแล้วถ้าจิตยมคิดอย่างนี้ไม่ไม่ผิดปกตินะคะพระอาจารย์ไม่ไม่ผิดอ่ะแสดงว่าถูกต้องนะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคค่ะอาจรย์ค่ะอาจารย์มีอีกสองท่านอย่างเมเลพูดคุณเฟอรเฟอร์แค่เฟ่ี่ไหน ถามนมาสการพระอาจารย์ครับอยู่กรุงเทพครับมีคาถามอะไรไหมมีครับถามมาเลยคือตอนนี้ผมเจอกับสภาวะที่มันเป็นสภาวะความเบื่อครับพระอาจารย์มันทํา่อมปพิจารณาเป็นอนิจจังมาแล้วกันอนิจจังนะครับเ่อเบื่อเ๋ยเดี๋ยวก็อยากใหม่ครับมันเบื่อก็พยายามรักษาใจประคับประคองใจอยากให้มันมีปฏิปยา ดูว่ามันเบื่อแยกใจออกจากความเบื่อใจเป็นทะั่วู้กนะความเบื่อเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นเหมือแม่เม่นอยู่บนท้องฟ้าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเไม่ต้องไปทำอะไรเวลาเบื่อก็ไม่ต้องทำไรเนเองแต่ประครับประคองชีวิตของเราให้อยู่เป็นปกติไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไปอดีตสภาพมันก็หายเบื่อเองครับ โดยถ้าเรานั่งสมาธิพุโทโธแล้วก็นั่งสมาธิมันก็จะหายทันทีนะครับนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโตทาใจสงบได้ความเบื่อต่างๆมันจะหายไปทันทีครับถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องอดทน ร, รอให้มันหายลงไปเองทุกอย่างไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มันก็ไม่วัวดเส้นชดลมครับผมแล้วผมสังเกตดูอาการของมันบางทีว่าบางทีเราทํางานหลายๆอย่างแล้ว ตอนสมาธิมันสมาธิมั น, มมน ไ, มไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับไออารมณ์ I I <But S 2> ตัวเนี้ยมันจะมาเร็วมากเลยครับทำทีไรอย่างเนี้ยพยายามทำทีไรอย่างททายอย่างทาทีไรลาอย่างครับมันจะทำให้เราเครียดครับผมโอเคนะ okay, นะครับโอเคครับกลับแลมาสการครับใมที่เป็นแอมแอมคนสุดท้ายแล้วนี้่ กับธรรสถารพระอาจารย์ค่ะอ่าอยู่ที่ไหนค่ะอยู่กรุงเทพค่ะมีอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมก็มีคําถามเรื่องว่าเวลาเราเจอโลกธรรมอะค่ะแบบอะไรที่ไม่พอใจในการทํางานบ้างหรือมันกระทบกระเทือนจิตใจบางทีก็มันจะทาให้เรารู้สึกเคิดมากค่ะพระอาจารย์ก็พยายามพยายามฝึกปฏิบัติ ละแต่ว่ามันก็บางทีมันก็ไม่ได้บางทีมันก็กิเลสมันก็กลับขึ้นมาค่ะก็มองมันก็้มาวันมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศเลยดินฟ้าอากาศมันก็แปรปรวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหตุการณ์ต่างๆที่เรามาสัมผัสมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ทําใจเฉยๆไปมันเปนเป็นสิงที่เราต้องอยู่กับมันเห็นไหมเวลาเราเจอฝนตกแดดเราล้วก็อยู่กับมันไป จะเจอเหตุการณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้า ง, างราหัสทําใจอยู่ไปคือพยายามทําใจยอมรับเหมือนพยายาม<ช>จะเห็นว่า<ช>มันเป็นธรรมดาค่ะอาจารย์รแต่บางทีมันมันก็ไม่ได้ไ ม, ไ ม, มกก่ได้ทำพูดโทพูดโทหยุดมานก่อนก็ไหน่อยพูดโทรพูดโทแล้วก็<ช>บางทีก็บางบางแวบมันก็จะคิดคิดคิดแล้วก็เหมือนจะมีอารมณ์โกรธหรือน้อยเนื้อต่ําใจหรืออะไรบ้างอะไรนี่ค่ะไมใช้พูดโธหยุดมันเลย คือเลยมีความรู้สึกว่าเอะแล้วเมื่อไหร่เราจะสามารถตัดอารมณ์พวกนี้ไปได้ก็อยู่ที่สติของเราถ้าเราเป็นสติมากต่อไปมันผดขึ้นมาปั้มแล้วก็ตัดมันได้ค่ะแล้วก็ทุกวันหนูก็พยายามถ้าไม่เหนื่อยเกินไปนอนเช้าก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิค่ะทาอาจารย์<ช>ก็นั่งก็พยายามจะฝึกนั่งให้ได้เวลาสักครึ่งชั่วโมงก็เหมือนมันจิตก็จะรวมเร็วดีแต่ว่า ก็พอออกมาก็กลับไปเหมือนเดิมอย่าเงี้ยค่ะแต่ตอนนั่งก็จะรู้สึกว่าว่าจิตนิ่งแล้วก็ได้ความเย็นสงบค่ะโอเคก็พยายามนั่งไปเรื่อยๆมือนก็เหมือนไปตกปลาบางวันก็ได้หลายตัวบางวันก็ไม่ได้เลยนั่งสมาธิบางวันก็นิ่งบางวันก็ไม่นิ่งแต่ถ้าไม่ทําเลยมันก็จะไม่ได้เลยเนี่ยอย่าอย่าท้อทําไปให้มันติดเป็นนิสัยไป แล้วถ้าเกิดว่าหนูก็พยายามพยายามจะนั่งคือจยากจะนั่งให้มันนานๆมันา น, า น, า น, านานเหมือนแบบแก็เลยคิดเปรียบเทียบว่าถ้าเราตายไปเราจะไปอยู่ในสภาพสภาวะนี้ไหมอะค่ะพระอาจารย์ว่าออถ้าจิตเราถ้าเราสิ้นชีวิตไปแล้วจิตเราไปรวมแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆลอยๆแบบเป็นสุขอย่างเงี้ยมันมันจะใช่สภาวะที่ถูกต้องหลังความตายไหมครัหลังความตายถ้าเราทําจิตให้นิ่งๆมันไมจะนิ่งเขาเลยไอยู่ในโลกพรมโลก คือหนูก็คิดว่าพยายามฝึกมันก็ได้จิตที่มันเย็นสบายนะนะตอนเรานั่งแต่ว่าพอกลับออกมาแล้วกิเลส ก, ก็กลับมาก็เลยรู้สึก<ช>ว่ามันจะไม่คอยกลุ้มพอออกมาทำใช้สติคอยกลุม้มพอกิเลสพผล่ขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธค่ะค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้หมดคำถามค่ะกลับไปฝึกปฏิบัติต่อค่ะขอบพระคุณค่ะ เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วสําหรับคืนนี้ถ้าไม่มีใครที่อยากจะถานแบบจําเป็นจริงๆต้องถามก็เอาไว้อาทิ้งหน้าไปถามใหม่นะสาหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านกำน้ากำน้ำเสิยงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจนะิตริจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขคามเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด